จ้าท่าพรท่านผู้มีความสนใจในการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็จะเริ่มประชุมกันเหมือนเดิมตุกคืนวันพุธตั้งแต่เวลาสองทุมเป็นต้นไปวันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คืออาจารย์พรพิไลเชิญอาจารย์ กับนรัติการอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะอาจารย์ครับเออนังสือนะคะคาดรู้วันนี้ไปถึงที่ที่สาลาฉันแล้วนะคะอ่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พอมมาตั้งแจกค่ะค่ะแต่แต่ร้อยเล่มค่ะสวัสดีอาจารย์ครับเชิญก่อนสบัสดีนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสียากันค่ะเอ่ดีค่ะ ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะพระอาจารย์ทำมั่วสุดค่ะเมื่อคืนนี้ยพระอาจารย์ที่คนต่างชาตินะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยคำว่า e m p t i n e s s เนี่ยความว่างนีค่ะซึ่งเป็นคำที่น่าสนใจมากแล้วก็คนต่างชาติก็รู้สึกว่ารู้สึก ดีกับการที่ที่ได้ฟังแต่สาหรับพวกเราเราก็จะได้ยินได้ฟังแล้วก็นํำไปปฏิบัติกันนะอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรขยายความให้ให้ เ, ออเราเข้าใจครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกเพราะว่ามันไม่เทีย่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิ่นรสไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคนเป็นอะไรต่างๆมันไม่เทีย่ยง ถ้าเราไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องผิดหวังพรามันจะต้องมีวันสิ้นสุดจะทำให้เราทุกขกันเราต้องหง่อง่เข้าวก็สิ่งที่เรารักจากออกไปเพราะเขาไม่เทีย่ยมแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ผิดหวังก็คือความว่างความว่างมันไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้จักมันเราคอ ถูกเราคิดหาแต่สิ่งนู่นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วไม่เคยเข้าหาความว่างกับกลัวความว่างสิพออยู่ว่างคนเดียวก็รู้สึกเหงารู้สึกเศร้าไปมาเพราะใจมันอยากหาสิ่งนู่นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับใจแต่พอเรามาได้พบ ก, กับคําสอนพระเจ้าแบบอกหยุดความอยากนีดสิทําสมาธิทําจิตสงบพอจิตสงบปั๊บ ความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้้งหมดไปก็อยูนนะ่กับความว่างไความว่างเป็นความสงบอยู่คนเดียวได้ดังนั้นนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติของฌาปนุตเราเพือฝึกจิตของเราให้อยู่กับความว่างเพราะความว่างไม่มีคลิไปไม่ไพ่มีแต่คุณความว่างนี่แหละที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเวลาเข้าสมาธิาาจิตสงบแล้วจิตก็จะรู้ว่ามันเป็นสุขที่หา ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เปรียบเทียบได้เพียงแต่ว่าเราเข้าไปได้ไม่นานเราต้องพยายามปฏิบัติบ่อยๆเข้าไปบ่อยๆแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้อดัปปัญญามารักษาให้มันให้ใจอยู่กับความว่างอย่างตลอดเวลาด้วยการใช้ปัญญาสกัดความอยากต่า ง, งๆให้หมดไปัำใจก็จะอยู่ความว่างอย่างสบายไม่ต้องดิ้ตนตนหาอะไร ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนให้คนนี้จะจากเราไปเมืออ่อไหรอย่างไรเมื่อเราไม่ได้ไปอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราเาสามารถอยู่ตัวเนวอยู่กับความว่างปล่าได้ดนิพานนามปรมามังสุญญ์นี่พานก็คือจิตที่ว่างจิตที่ไม่มีอะไรในจิตว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรเป็น เครื่องอยู่เกิดอยู่กับความว่างมีความว่างเป็นเครื่องอยู่นิบารณ์ปัลมังสุญยมนิบาระ์ปัลมังสุขขังความสุขความความว่างต่างนี่แหละเป็นความสุขที่ที่สูงสุดเป็นปะลงมังสุขนี่ก็การปฏิบัติเริ่มเกิดเราให้เข้าหาความว่างให้อยู่กับความว่าง แต่กให้มันได้ออกไปหาสิ่งตา่างๆเพราะสิ่งต่างๆจะนา ม, นมาสร้างความผิดหวังความเสียใจเพราะสิ่งตา่างๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดลงอาจารย์ไหมอ่าเข้าใจค่ะในยังในชีวิตประจําวันของของพวกเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ปฏิบัติกันในลักษณะลักษณะแบบนี้นะคะทุพยาม จะบางครั้งในส่วนตัวนะคะยังนึกว่าเอ๊ะเราเร า, เราหลอกตัวเราเองเปล่าว่าเราทําไมเรามันนิ่งได้นะเราก็ไม่ออกไปผลไฝาหาหาเงิงอื่นๆนะนะคะที่ให้มันมากไปกว่าเดิมเราให้มันลดไปกว่าเดิมจนบางครั้งนึกว่าเราเร า, เราหลอกตัวเราเองหรือว่าเราเป็นจริงๆคือเราเป็นในระดับนี้แต่ระดับนเราเร า, เรายัาง เรายังมีความอยากอยู่นั<ช>เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรเลยเช่นไปอยู่วัดคนเดียวไม่มีอะไรเลยแล้วดูที่จิตของเรายังอยากจะกลับไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่ก็แบบแต่เวลาไปปฏิบัติทำบุญเขาอะนะคะก็ยังรู้สึกว่าอยู่นะอยู่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าบุญ<อ>เขามีเครื่องประคะับริขานเยอะ เขาว่าเนื่องนี้มันก็เป็นเป็นข้ออ่านของความอยากมันมีเครื่องทาให้เราแบบรู้สึกไปแล้วไม่ต้องตกกังวลว่าจะลําบากน่าลำบากอย่างเดียวคือเราอยู่คนเดียวจะ่เราจะอยู่ได้ก็มีความสุขแต่มันไม่ได้ไปบ่อยๆไปลำบากก็เลยไม่ได้ไปเหมือนต้องม้กระทั่งเพื่ออะไรความสะดวกางอยาก็อายจะต้องขาดขาดแคลนบ้งาง อย่างพ้าเีท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่มีอะไรท่านก็ยังอยู่ได้ท่านก็ยังมีความสุขได้เพราะท่านมีสติมีปัญญาคอยวควบคุมจิให้อยู่กับความว่างนั่นมันมีการถูกหลายระดับอันนี้เราอยู่ในระดับเนี่งเราไม่ออกไปหาอะไรภายนอกแต่เราก็ยังหาความสุขจากภายในบ้านเรา กับคนหนึงคนตอนนี้อยู่บ้านต่อไปก็เราไปขยับอยู่ในบ้านที่ไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงแต่ที่หลับนอนเป็นที่ตกดาตกฝนนั้นะมาดูสิว่าจิตมันเป็นยังไงอู่ได้ไอ่าไม่ได้ไหมก็อยู่ได้นาเท่าไหร่อ <c oughs> าจจะอยู่ได้แต่อาจจะอยู่ได้สามวันแล้วก็กลับดีกว่า <c oughs> ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ก็จะอาเขาโทรมาหาเขาโทรมาตามอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้จริจริงก็น่าสนใจน ะ, ะคะเมื่อคืนนี้ที่เขาคุยกัน<ม>ที่คนหนึ่งก็ถามหาว่าจะไปอยู่ที่แถวโคราโดเป็อบ้านคือในต่างประเทศฟังดูแล้วก็<ม> ก, ก็น่าอยู่<ม>ตรงที่มันน่าจะน่าจะปลอดภัยใช่มันก็น่าจะโอเคเพราะว่า มันเป็นที่ป่ามันอยู่แบบ<ะ>ส่วนใหญ่ชาวสากลเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมีอะไรกันนะเขาก็อยู่ ก, กันห่างๆยากๆกันอย<ะ>ู่นะนอกจากปัญหาส่วนมากอยู่ในเมืองมากกว่าอยู่ในเมืองเ น, นี่คนคนที่คิ ด, ด้ายมีมากคนที่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ไกลไม่ค่อยมีจะไปไป คิดไล่กับเขา อ, นะอ่ะอ่าใช่ก็คิดว่าความว่างเปล่าอันนี้ดีนะครับแบบถ้านามั น, นมาใช้ได้ไปเรื่อยๆนะคะใน<ต>ในคารวาที่ต้องอยู่เดลักษณะบแบบนี้อยู่อะคะ่ะต้องอาศัยความว่างภายนในความว่างทางกายเพื่อได้เข้าสู่ความว่างภายใน เ, เขาียกกายวิเวกจิตวิเวกจิตจะวิเวกก็ต้องอาศัยกาย ว, าวิเวกก่อ โอเคนะอันน่นก็ไป็นขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณสาธกาเชิญวันที่มาลำดับสองมาไม่ทันเราได้ยินไหมคะว่าอาจารย์ได้ยินชัดเจนวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเพอเอิญเข้าใจแล้วเจ้าที่แล้วยังไม่เข้าใจว่ามัค ก, กับกิเลว่าต่างกันยังไงเราไปคู่ต่อเชื่มกันมัคกับกิเลนนะี่ยะ ใช่ใช่ <ทำ S 1> มันกูแข่งขันนพระพุทธเจ้าบอกน้องตามา่าบอกเป็นทำกู้แข่งขั น, น, นเลยเงงป<า>้ายไปหน่อยก็อาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเล่งงที่ว่านั่งไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันฟุ้งแบบคิดเอ้ะอันนี้ใช่ไม่ใช่ปเปิรสอบถามคุณหลาก็เลยรู้ว่าอันไหนมักอันไหนกิเลส ชะมู<อ>ทายก็คือกิเลสชมูทายคือกิเลสโอค่ะก็ค่อยๆฝึกไปค่ะว่าจังมาทั้งคือศีลสมาธิปัญญานี่การศีลภาวนาค่ะค่ะกิเลสก็คือความอยากต่างๆค่ะเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปค่ะว่าจาย์ค่ะโอเคค่ะลองไปเรื่อยๆก่อนนะค่ ะ, ค, ะคุณปุญญาณ น, นเชน ขอรรมะหรือเปล่าคุณคุณานุษกลับนมรสการคะพระอาจารย์จากกรุงเทพค่ะค่ะมีอะไรไหมอ่าหนูถูกโทรมาแจ้งเรื่องอนุมาแจ้งเรื่องการปฏิบัติฌานเพราะว่าในช่วงที่เรามีความกลัวมากๆแล้วเราก็พยายามที่อยู่กะลมหายใจเราจะพบว่ามันสงบมากกว่าการปฏิบัติในชีวิตปกติที่แบบไม่ได้มีอะไรมากระทบอะค่ะก็ใช้ความกลัวนั้นเป็นเหตุให้การปฏิบัติของเราเนี่ยอ่าดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ ค่ะแต่ถ้าต้องมีเหตุทําให้เราเขา้าหาหาวิธีป้องกันแก้ปัญหาค่ะทําไม่มีปัญหาอยู่สบายๆมันก็ที่เกียดค่ะก็สู้กับเรื่องของความกลัวจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามเอาคําที่พระอาจารย์แนะนําเรื่องของว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเลยมันอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจของเราอะไปทําให้มันเป็นเรื่องอันนี้ค่ะทําให้หนู มีกําลังใจที่จะยอมรับมันได้มากขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะเราต้องมาแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่อื่นที่อื่นก็ไม่เป็นปัญหาที่อื่นก็เป็นอนิจจังอนัตตาของเขาค่ะเราไปทุกข์กับเขาเองคเราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราค่ะค่ะหนูหนูมีความอยากที่ยังยังอยากที่จะให้ทุกอย่างมันอยู่กับเราอีกนะคะอาจารย์ค่ะไม่ดูความจริงค่ะ หนูจะหมั่นปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์ค่ะน้องน้องคิดถึงคนที่อยู่ในสมัยอายุธยาตอนนี้หายไปไหนหมดเลยใช่ไหมค่ะอ่าค่ะตอนที่เขาอยู่ไปเขาก็วุ่นวายอย่างเราตอนเนี้ค่ะแล้ตอนนี้เป็นยังไงนะค่ะไม่ไห<ม>ว<า>นะค่ะเหลือแต่ราบกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปกรุงเทพฯ จ, จะเหลือแต่ซากเหมือนอยุธยาประวัติศาสตร์มันสอนเราแต่เราไม่เรียนมันเอง วัติศาสตร์ซ้ำลอยอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่เอามาสอนเราค่ะอยากจะให้มันดีอย่างนี้มันรุ่งเรืองให้ให้รวยรวยเนี่ยตัจีนขอคอยอย่างนี้ไหมค่ะค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกจิตให้อยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเราจะหมั่นปฏิบัติให้ให้ให้ มีคุณาภาพไปได้มากที่สุดนะว่าเวลาในการปฏิบัติมันจะน้อยะคะ่ะเพรส่วนใหญ่จะมาทุ่มเทกับเรื่องงานแล้วก็การดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะคะ อ, อก็ทําไปเป็นการกระทําที่ดีแล้วแต่เราต้องรู้ขอบเขตว่าทําได้เท่าไหร่ะ อ, อทําให้มไม่ทํำในขอบเขตทําได้เท่าไหร่ก็เท่า น, นั้นออค่ะทํามันสุกเกินขอบเขตก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ ส่วนใหญ่จะหลุดเพราะความโลภอยากทําให้ดีกว่านี้อยากให้ผลดีกว่านี้ทำํำไมผลเป็นแบบนี้ทําไมเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นนะใช่ทุกข์เพาะความอยากของเราเองค่ะอาจารย์หนูจะหมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะเรียนสติให้ได้มากค่ะนีค่ะจะได้วางเฉยได้ค่ะโอเคนะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุนับภาพต่อ อยะกขอนมาเหมือนกันการนมัสการจ้าค่ะพอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะเข้ามากราบพระอาจารย์และรับฟังเจ้าคะ่ะค่ะคนณเอกคนณเอกจากเชียงรายจากการนมัสการพระอาจารย์ครับผมเออสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรครับเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับผมโอเคงนไปที่คุณเออีกท่านหนึ่งเอกขอนมอ่ะครบวันนี้ ครับมาสการครับอาจารย์อยู่ที่กทธรรมใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่กอธอรรมครับมีอะไรไหมวันนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจริญสติเน้นที่เจริญสติครับแล้วก็เรื่องลดความอยากเห็นสัปดาห์ก่อนอาจารย์มีพูดถึงเรื่องกาแฟก็เลยลองลองงดตัวครับอืก็ยากเหมือนกันครับอืร่างกายรู้สึก มีมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงอะครับใช้นางการมันมันใคยได้รับสารเหล่านี้ความบันขาดมันก็เลยเกิดอาการมันหาวแบบมันแพาขึ้นมันหาวแบบทั้งวันนะคราบใช่ใช้สติใช้ปฏิบัติทำไปแล้วมันยังมันก็ผ่านไป่ได้แต่ก็สู้กับมันอยู่อครับพอมันหาวก็มาเดินจงกรมล้างหน้าบ้างเงถ้าจะหลับก็นอนได้แลทําำเป็นจะนอนก็นอนไป ครับก็แล้วกันจะไปเดือดกันแ่งงแล้วกันครับตอนนี้ก็หักดิบไปเลยครับอาจารย์ก็ไม่มีเลยฮะที่บ้านครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆพราะมันอาจะย้อนสอนย้อนเราได้ครับต้องรอดูเรื่อยๆแต่วันนี้คนนี้แบบแม่เปี้ยวปากกันเขาเขาสักแก้วนะไม่เป็นไรนะแก้วเดียวจะรอกเราครับดี๋ยหมดแก้วหรือวให้แก้วตามมา ก็เดี๋ยวลองลองต่อสู้ดูครับอาจารย์ครับก็มันเป็นความอยากจริงนะครับพอมาคิดดูว่าเรากินทําไมอะไรครับเอ่อไปสมมติถ้าเได้แล้ถ้านานๆมีคนเอามาซื้อมาฝากสักแก้วหนึ่งแล้วรับแล้วก็เื่มได้ถ้าไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเกิดจากบางที่คนเก็หมอบาดไปถ้ายังไม่มั่นใจก็อยากไปแต่งมันเองนะครับ ไม่อยู่แต่มันดีกว่าแล้วรู้สึสาอาจารย์ไม่ต้องกังวลคอยหากาแฟมาดื่นเรื่อยครับแล้วก็เวลาเราปฏิบัติอยู่ในบ้านนะครับอาจารย์ก็ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะมันมันสะดวกสบายไปหมดนะฮะมันมีของกินแล้วก็แม่บ้านเขาก็เตรียมไว้อย่างดีเลยมีหมด ีเปิดตู้เย็นมาก็เจออะไรหมดใช่ต้องไปอยู่ว่าที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องเปล่าๆก็พยายามเจริญสติแต่ว่าก็ยังไม่ต่อเนื่องทั้งวันก็อาจจะหาเวลาไปลองปฏิบัติดูครับได้ลองไปเปลี่ยนแว้อยู่สักสองสามวันดู่มนก็ได้ได้ครับอาจารย์ครับจะได้ไม่มีใครมารบกวนใจจะได้เีได้ฝึกสติตลอดเวลาครับ โอเคนะทำนี้เลิกอะไรได้ลองเลิกไงอย่างอื่นถ้ามีอะไรที่ยังทําได้ในขณะที่อยู่บ้านก็ลองทำอยู่เลยก็เดี๋ยวทยอยตัดทีละหน่อยทีละหน่อยดูเสียงดื่มลดต่างๆมันไม่จำเป็นเสียงที่จเป็นเป็นเพลงปัจจัยสี่ที่ต้องมีก็ดูหนังตอนนี้ก็ตัดแล้วครับอาจารย์ตัดไปฟังเพลงก็ไม่มีแล้วครัก็จะมีเรื่องเรื่องกินที่ว่ายังยากอยู่คครับครับ ตาตุกครับอาจารย์คุณพะดาจากสตหีบ พ, พดาชลบุรีกกร น, นักศึกค่ะอาจารย์กลับมาแล้วค่ะกลับมา้เลยไปมากี่วันครวนี้สิบวันค่ะสิบวันเลยแป๊บเดียวมาเลยนะวันนี้เพิ่งออกมาตอนเที่ยงค่ะได้วั น, <ค>นแล้วไ่สิบวันค่ะวันสิบด้แล้วโอโหโอโห เป็นไงปวดไหมปวดมากค่ะมันมนโลกกระพอะกำเริบเลยเนี่นอาจจะมากเป็นไปแล้วต้อง้ําคอยดูยมันตอนที่มันกำเริบแบบมันหมดซ่านขึ้นมาหมดแล้วหายใจแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วหัวใจเจ็บตรงหัวใจเลยเป็นอยู่สองสองครั้งแต่ก็ใช้ธรรมะโอสถอ่ะคือมัน มันเคยเจ็บแล้วก็เลยเอาอันเนี้ยอันนั้นอะมาลองใช้ดูค่ะใช้ช่วเป็นทุก็เวทนาไปค่ะไม่ได้กินยาเออยู่คือใจพอใจมันเบาไปก่อนแล้วอาการมันก็มันหายทีหลังแล้วต้องระวังม่าอย่าไปทําให้ร่างกายมันต้องเสียค่ะร่างกายเราต้องยังต้องดูแลมันเพรามันยังเราต้องอาศัยมันใช้มันค่ะแล้วมันเป็นโรคภัยแล้วมันจะเป็นปัญหา แล้วพอหลังจากวันนั้นไปมันก็มันก็เป็นก็หิวธรรมดาค่ะมันคยสังเกตว่าทอมเสียปากใช่ไหทอมเสียงานแต่กลับมาเที่ยวนี้ไม่เสียค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ได้ทดสอบก็คือไฟทางมันดับพอดีอ่ะอมันเมื่อเดือนใที่เมื่อไรหนูก็เลยไปเลยน่ากลัวไมเกิดเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาไปสามครั้ง คือตอนตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีแล้วนึกถึงหลวงตาบอกว่าที่หลวงตาไปอยู่อะไรเสือ ม, มีมีแต่หางที่ไม่ที่เราไม่มีฉักล<ม>ัวหาง<ม><ม>ว่าออกไปเลยผนก็เดินเดินไปเลยมันก็มืดมากเลยแต่ว่าใจมันเหมือนสว่างแต่ว่ามันมันมืดมากอ่ะก็เดินไปเลยถ้าอยอมทาตรงแล้วมันก็ไม่มันกลา้าหาัวะก็ เดินไปตอนกลางคืนก่อนครั้งหนึ่งครั้งแรกก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะ อ, อยู่ได้ไม่ไม่ไม่กระเพิ่ม อ, อะไรเลยแล้วก็ตีสามอีกทีหนึ่งก็ตีสามเช้าขึ้นมาก็ไปอีกลองดูอีกไปก็ก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะไปตรงที่เลยเลยที่มีมือจับไปเพราะมันต้องคำคำไปมันมองมันเป็นขั้นขัานมันมองไม่เห็นนะคำคำไปไอ้ตรงที่เลยมือจับ ไปแล้วเนี่ยมันเหยียบไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าเหยียบอะไรมั่งก็คือก็ลุยไปเลยแต่มันมีเสียงหนึ่งที่ครั้งที่สาวนิหนูไปคือมันเป็นเสียงลากใบไม้ยาวๆ mm. แรกแบบยาวมากหนูก็ว่าก็อยากไ่ตกแต่งว่นนามันก็อยากน้ำเป็นเสียงแต่มันไม่มีลม้มอาจารย์แล้วมันเป็นที่พื้น แล้วหนูก็มันก็เพิ่มนิด น, นึงหนูก็อยู่กับเดินต่อก็เดินต่อแล้วขากลับก็ต้องผ่านที่เดิมอีกก็ก็ผ่านไปก็เดินไปก็ <Okay. S 2> <laughs> ลองดูได้สามสั์ครั้งนะคะ่ะก <Okay. S 2> ็ได้ได้ทําข้อสอบอยู่ค่ะยอมย่อยยอมไม่ยอมตายไหมยอมกิเลมันยอมไหมในใจตอนที่เดินไปเหรอคะ <laughs> ก็คิดว่าถ้าใช่ ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ามันใช่ถ้ามันกัดก็ก็ต้องกัดแล้วเพราะว่ามันใช <Okay. S 2> ่ลไม่ถอยแล้วกันนะไ ม, ไม่ถอยก็เดิน <Okay. S 2> ขากลับ <Okay. S 2> ก็เดินกลับทางเดิมด้วยค่ะ <Okay. S 2> ไม่ไปทางอื่นก็ล <laughs> ุยเลย <Okay. S 2> ลองไปดูเนี่ยวิธีวิธีแก้คาวามกลัวคือต้องยอมเออแ ต, แต่หลังจากนั้นแล้วก็คือมันคล้า ย, ค, ายค้ายกับใจมันอิ่มมันเหมือนกับว่ามันก็ ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากจะไปอีกหรืออยากจะไปลองอีกคก็มันก็หายสงสัยแล้วมันก็ไม่ทำใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะับอาจารย์เมื่รู้ว่าไม่กลัวแล้วมันก็หมดปัญหาไปแต่นั้นๆที่อยากจะไปชาติไปทดสอบทุกครั้งเลยนคะคร แ, <ไป S 1> แต่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทําแบบแบบบ้านละหำทำไปทุกครั้งค่ะทําเพื่อแก้ปัญหาคือคามกลัวตายของเรา พชพอาะตอนแรกหนูว่ามันมันมืดมากจะไปด like, mm. right? ีไม่ไปดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปแบบไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยใส่แต่ถุงเท้าเพราะว่ากลัวเสียงดังแต่จริงๆแล้วเหยียบใบไม้มันก็ดังอยู่ดีถ้ามันเหยียบโดนเลยอย่างเงี้ยค่ะอค่ะก็ได้ทำสองข้อค่ะอันนี้ไม่กลัวในที่มืดนะในที่มันไม่กลัวแล้วไม่กลัว่ถ้าที่มืดไม่กลัวนะคะแต่ถ้าที่เป็นต่ายังอากจะน่ากลัวอยู่นะ ตรงที่เป็นป่ายไม่เคยลงไปเดินค่ะมันมีบริเวณที่เป็นป่าด้วยคะค่ะเพระอาจารย์บอกให้ลองขึ้นเวทีก็เลยขึ้นก็ต้องดูดดคําลังของเราก็ลักษณะค่ะแต่มันมันโอเคค่ะอาจารมันได้รู้มันได้รู้ว่าเราเราพอไปได้ค่ะใจเราได้อย่างเี้ยไม่ไมไม่ไม่หวาดกลัว ใช่ค่ะใช่สักแต่วันนึงมันได้ตอนได้ยินเสียงลากใบไม้อ่ะมันมันได้ยินอยู่มีนิดหนึ่งค่ะมีนิดหนึ่งข้างหลังก็ยแล้วก็หยุดค่ะเดินไปแล้วก็เดินกลับมาอีกได้ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่จันโอเคดีมากพยายรักษาคุณภาพไว้นะค่ะโอเคนานๆเข้าไปตรวจสอบที่ว่า เช็คคอยเช็คเช็คดูอ๋อแล้วก็ที่ความเจ็บก็ยังนั่งอยู่ยังนั่งยังยังเหมือนเดิมอยู่อยู่ความเจ็บปวดได้ยังความรู้สึกยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือไม่ไม่ไม่กลัวมันแล้วเลยไม่กลัวมันเจ็บอยู่กับมันไปเลยค่ะค่ะเอาเอาเหมือนที่เคยทําแล้วมันเหมือนกับพอมันเป็นปุ๊บมันจะมันเป็นเป็นขึ้นมาเลยว่าอยู่กับมันตรงเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้คิดต่อว่ามันเป็นอะไร ไอ้รู้เฉยเฉยไปแต่อาจจะเป็นเพราะสติด้วยเปล่าคะถ้าถ้าอยู่ที่นั่นคืออาจจะบบริเวณหรือว่าอะไรมันทําใหม้มันต้องอย่างทําให้เราต้องสู้ถ้าเราอยู่ที่อื่นมันอาจจะไม่เยอะที่อื่นนั้นอาจจะไ ม, ม, ม่ที่หลบที่เล็กที่อะไรได้น่าจะอย่างนั้นนะคะค่ะ อ, อาจารย์โอเคดีมากดีมาก<า>ต่อไปนะค่ะเขาก็ พี่น้องเป็นไงหายกลัวเหมือนคุณพระุดายังพอ่ออย่างบอเวนไปหรือยังข้างนี้จอมที่แล้วน้ามา ส, สการค่ะพระอาจารย์จอมที่ภาคหรือยังวันที่11ค่ะ11เอ็ดนะขึ้นเวทีแล้วนะคือได้ยินที่พระรุดาพูดก่อนเมื่อกี้ก็ ลองทำตามก็ดูเลยอ๋อแล้วยังไม่ถึงเวลาเอาทำได้ค่ะอาจาร์เอามานั่งนั่งที่ระเมียกก่อยก็แล้วกันนะมันเดียวทีละเมียกแม่นวดก่อยก็แลัค่ะนั่งลองปิดไฟลองปิดไฟดีไม่ต้องเปิดไฟ ก็ก็ได้ยินเสียงรากใบไม้อะไรก็เลยเอะใจขึ้นมาเฉยๆเฉยก็เออพี่แกมาเล่าให้ฟังก่อนก็พิจารณาสิมันก็มีหนังเราก็มีหนังมันมีเนื้อเราก็มีเนื้อต่างกันที่มันไม่มีเท้าเรามีเท้าอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะไม่มีอะไรนะค่ะ อาจารย์สายทีพยชร์อาจารย์สายทิพยสารคามเรื่องขอนแก่นเจ้าค่ะวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีเจ้าค่ะยังปฏิบัติอยู่ค่ะไม่เลิกนะไม่ไม่เลิกค่ะมีอ่านอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนแล้วก็ ส ง, ง บ, สงงบแล้วก็<ม>ค่ะพออ่านแล้วส ง, งบแล้วก็นั่งสมาธิต่อได้ค่ะพระอาจารย์มนันข<บ>้อกล่อม ใ, ให้ความรู้แบบสังงบ้นๆค่ ะ, คะได้ได้รู้อะไรเพิ่มเติมว่าเอ๊ะที่เราสงสัยแบบนี้ทำได้เหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ะะเข้าใจมากขึ้นว่าเอามีที่พระพุทธเจ้าท่านแบบอา่ายกเว้นให้อะไรเงี้ยค่ะหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็เอาเข้าใจว่าทำ บางทีพระท่านปฏิบัติแบบนี้บางทีแล้วก็<ๆ>สงสัยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เข้าใจมากขึ้นพอ<ๆ>อ่านแล้วจิตก็สงบด้วยค่ะพระอาจารย์<ๆ>แล้วก็นั่งสมาธิต่อได้เลยค่ะเรองนี้ก็ น, น่าจะนแนะนำใ ห, ให้เพื่อนผู้ปฏิบัติอ่านหนึพระอาจารย์ไปดฉบับประชาชนเรียมารวมมาเป็นเล่มเดียวเล่มเดียวจบใช่ค่ะพระอาจารย์สั้นๆไม่ไม่แบบเหมือนสรุปให้ให้เลยค่ะ ไม่อ่านซ้าไปซ้า ม, มาแบบเล่นใหญ่ๆหญ่เอาเนื้อความเลยเอาเนื้อคามวันวนค่ะมันมีที่ม า, ม, ามีที่มาของของพ่อแัยของอะไรนะต่างๆมีคำนุ้ยย่ยๆเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธมันต้องอย่างน้อยต้องศึกษาเล่อนี้ไปได้เป็นได้ทางสือมาหรือไปอยู่ในอินเทอร์เน็ต หนูไปซื้อในร้านหนังสือมาค่ ะ, อะอตอนนั้นตั้งใจซื้อเพื่อให้คุณพ่อได้อ่านแล้วก็ขอคุณพ่ออ่านด้วยค่ะคราวนี้ก็เลยบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยวหนูอ่านจบก่อนแล้ว จ, จะมาให้คุณพ่อเพราะคุณพ่อวางไว้ยังไม่อ่านต่อเลยบอกขา อ, อ, อ่านจบก่อนเราจะมาให้คุณพ่ออ่านต่ออ่านแรกตันจากหน้าแรกเหรอ่านตั้งจริงๆอ่านตั้งแต่นั้นจริงๆอ่านตั้งแต่หน้าแรกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอ่านนานแล้วคราวนี้มาอ่านต่อส่วนที่ยังยังไม่ได้อ่านค่ะ ค่ะก็ก็ถือไม่เล่มเล่มหนาเหมือนกันค่ะพระอาจารย์หนาหนามาเกับสองนิ้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวหนังสือเล็กๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมาะกับหมอะกับเราที่เราจะอ่านจบได้ค่ะพระอาจารย์คนที่ลงมานี่เก่งน่ะคนเสิชีพปุญญานุภาพนีสอาจารย์สิชีพปัญญานุภาพใช่ค่ะแล้วก็ใช้ภาษาดีมากสรุปเขียนดีมากค่ะพระอาจารย์อ่านอ่านง่ายค่ะ อนให้นำใา้ทุกคนนักขยัน อ, <c oughs> อยู่ว่างๆนองไปหาซื้อว่านั่งอ่าน่ <c oughs> จะได้จะได้รู้เรื่องราวของศาสนาอย่างแท้จริงจะได้ <c oughs> รู้ว่าอะไรเป็นเ ป, เปิดอะไรเป็นเนื้ออะไรใช่อะไรไม่ใช่ที่มีอยู่ในศาสนาเรามีอะไรหลายอย่างว่าไม่ใช่แต่มันก็มันก็เข้ามาในศาสนาเรนน <c oughs> ี้ <c oughs> มีคําถามอะไรไหมวันนี้ ไม่มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่ารู้สึกใจอยากนั่งสมาธิแบบไม่เปิดอะไรค่ะพระอาจารย์ อ, อยากอยากให้สงบด้วยใจของเราเองนี่ค่ะก็ต้องหมักเจริญสติเรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งนะคพยายามคอยควบคุมความคิดคิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเท่านนี้ก่อนนะจะได้ไปที่ท่านเห็นต่อสาธุ ค, ค่ะโอเคคุณยินดี อยากลงต่อการใกล้พัทยานี่ยหอใหม่ค่ะได้แล้วค่ะได้ลค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะครับวันนี้ลุกไม่มีคำถามค่ะ โเคงันเข้าไปที่คุณพิเชษต่อเลยนะคุณพิเชษอยู่ที่ไหนคุณพิเศษกลับมาสัการ์พระอาจารย์นะครับคูดดังหน่อยคุณเชษครับก็วันนี้มากับมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็ไม่มีคําถามแต่ก็จะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำให้นะครับ คือยอมได้ติดตามฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันครับใน Facebook และใน YouTube นะครับอาจารย์แล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ในเรื่องการบริจาคทานแล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็เจริญสติครับตอนนี้ก็ตื่นขึ้ น, นมาก็จะพุทโธพุทโธเพื่อให้จิต ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตามที่พอาจารย์ได้สั่งสอนนะครับทั้งวันทั้คืนแล้วก็ตอนเช้าก็นั่งฝึกนั่งสมาธิครับแต่ก็เพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานเป็นแบบระดับขอไข่ขอไ ข, ขอ่กรับอาจารย์ก็เลยประรกาบให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําให้นะครับพระอาจารย์ก็ทําถูกแล้วนะ่ะเพียงแต่ต้องใจเย็ยยนๆพยายามจเจริญสติให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นสัมปชัญญะอย่าให้มันเผลอ ให้มันคอยพุ่มให้มันอยู่กับนานที่เราทำํำนึก อ, อยู่กับคําบริกรรมอย่าให้มันไปคิดเลยเปื่อย <c oughs> แล้วมี <c oughs> เวลามีเวลาว่างก็พยายามนั่ ง, ง, ง ใ, นนนนให้ใหมา ก, <c oughs> มกจะนั่งได้นานไม่นานนึกแต่ละขอให้ให้เริ่มนั่งไปก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วอาจจะมันก็ทัศสตินุไม่นั่งได้นานขึ้นไปครับอาจารย์ถ้าได้ผลมันจะมันจะติดใจมันจะ มันจะไม่อยากจะทำอะไรแล้วถ้ามันได้ผลจากการนัํแาแค่ครั้งเดียวมันจะเห็นภาพวิเศษของผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิครับอาจารย์ก็ยิจะน้อมนําไปปฏิบัติครับแล้วก็จะจะเอาอากาศไปปฏิบัติทำที่ที่วัดญาติสังวรนะครับพ่ออาจารย์อาจารย์เชิญก็ครับแล้ว จ, จะติดต่อไปทางคุณลาเพราะว่ามีรายคุณลาไว้ได้อาจารย โ <Okay. S 2> อกับมาสักการ์พอาจารย์ครับสาธุคนนุณแทนคุณแทนจากอุดรกลันมาสักการค่ะพรอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถา ม, ค, <ำ S 2> มค่ะค่ะ<อ>คุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์ทวิสาวันนี้ยังหนาวอยู่ไหมหนาวอยู่นะกลับมัสการกับอาจารย์ค่ะยังหนาวอยู่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ วันนี้ยมก็ไม่มีคําถามค่ะได้รับฟังของอผู้ปฏิบัติคือคุณพารุดาก็รู้สึกให้เขื่ขึ้นมาค่ะอาจารย์ออาเนี่ยมันเป็นรายท้าทายมนะยากนะอย่างปฏิบัติแบบสบายสบายธรรมะมันอที่ความทุกข์นะทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิด น, นะจริงๆค่ะว่าอาจารย์ก็เลยฟังแล้วอืมรู้สึกย่อหย่อนก็รู้สึกให้เขิมขึ้นมารู้สึก รู้สึกดีมากค่ะได้ฟังในการปฏิบัติของนักปฏิบัติแล้วก็รู้สึกทำให้เองรู้สึกดีมากมากค่ะพระอาจาร ย, อยา์อย่าไปติดุพนะอย่าไปติดสุศพศพนี้เป็นบ่อของความดาของกิเลสถ้าติดศพก็จะต้องทุกข์ถ้าติดกับความยากลำบากก็จะไม่ทุกข์เพราะจะต้องมีปัญญามาคอยแก้ความยากลำบากดี ก็ลองปฏิบัติไปเรื่อยๆนะลอำคิดหาเอาบายวิธีที่จะทำให้มันอ่ก้าวหน้าะของนี้มันต้องปวดอาหารบ้างไปอยู่ที่มันเปียหน่ากลัวบ้างอะไรมันถึงจะมี<า>อะไรคอยกระตุ้นค่ะยมก็พยายามอ่าบางบางทีก็มีการลองอะไรนิดๆหน่อยๆค่ะก็ก็เลยรู้รู้สึกไม่ไม่ใช่รู้สึกคือรับน่ารับทราบได้ว่าอืมถ้าเกิดเราหางตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ คือแค่ๆว่าลองผิดลองถูกแล้วทีนี้มันมันมันเห็นมันมันเห็นมันเห็นขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มอฟังการปฏิบัติของคุณพารุดาขึ้นมาก็ ม, มันต้องมันต้องมีการพลิกแพงอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะมยมจะปฏิบัติพยายามทำให้ให้ดีมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ได้ดีโอเคพยายามทำต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ชคุณหมอหมอเวลาั้อนพะิเศษรอบนี้ อาจารย์ครับการเป็นมรสการครับผมอเป็นยังไงบ้างก็ได้ภาวนาบ้างนิดนิดน้อยๆครับอาจารย์อาทิตย์นี้น้อยไปหน่อยครับไม่เหมือนอยู่บนเขานะบนเขาไม่มีอะไรทำเลยมีแต่ภาวนาอย่างเดียวใช่ครับอาจารย์ครับยังทํางานอยู่วันนี้ตั้งใจจะมากราบอาจารย์ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันนี้อาจจะออกไปเร็วหน่อยครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปจั ไปออกจากบ้านันตีสามที่ี่จะไปทาวีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับอาจารย์อ่าเรยกว่าคลานทวีซ่าเนี่ยเเีป็นคนทำวีาก็ใช่ใช่เมื่อกีนที่เขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวเรียนบ้านอาจารย์ดีกว่าครับไปทาวีซ่าสวิตครับพรุ่งนี้ครับลองแชทับ็นทวีซ่าหนึ่งนะเปิดชอครับเิดเปิดแล้วครับอ๋อสวัสดีครับพี่ครับอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอไดครับส่งข้อความมาแล้วกันนะเปิดชทอยู่าล พระพระปุกจะเรียนพระอาจารย์ประปุกส่งหนังสือมาให้ผมเต็มเลยครับอาจารย์เหมืใจครับของอาจารย์บัณฑิตของอาจารย์บัณฑิตด้วยของผมเยอเลยครับเรื่องงานไปเดอะครับผมแล้วนี่ไปสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่เดี๋ยวไปไปมีนาครับอาจารย์ครับถ้าเขาไม่ปิดเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีจะได้มีโอกาสจัดมันาทิตย์กับอาจารย์ที่ยุโรปนะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่มีอุปสรรคก็ได้ใช่คับอาจารย์ครับเดี๋ยวลุ่งดูอินเทอร์เน็ตตัวอะไรเขาหน่อยครับอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ uh uh. รับราชการครับอที่คุณต่อต่อคุณตอนี่เป็นแอดมินคนแรกของมูเฟซบุ๊กเราเนี่ยเป็นคนเปิดเฟซบุ๊กคนแรกแนะนำให้รู้จักตัวหน่อย <c oughs> รับราชการก็ นี่เป็นครั้งแรกที่มามาฟังพระอาจารย์ใน z o มแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่น z o ม m ยังกดไม่ค่อยเป็นเลยครับ<ม>พี่บอยแชทมาก็แชทตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ทําให้เป็นครับ<ม>ก็วันนี้จะมาขออุบายพระอาจารย์เรื่องการรับมือกับความทุกข์ครับพระอาจารย์ความทุกข์เนี่ยทุกวันเนี่ยความทุกข์รอบตัวเนี่ยเราเราไม่มีครับอาจารย์ความทุกข์ที่แบบว่าเรื่องผู้อื่นบ้างเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันมันไม่มีความทุกข์อะไรเลยเราเรามันราบลื่นหมดแต่กลายเป็นว่าความทุก ที่เป็นทุกเดียวของเรามันมันคือทุกตัวเป้งก็คือความทุกข์ของครอบครัวครับไม่ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าความที่เราอยากอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการมันแล้วพอมันไม่ได้อย่างใจมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ครับอาจารย์แล้วแต่มันกลายเป็นทุกข์ใหญ่ของเราเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของครอบครัวครับอาจารย์แต่ทุกอยอื่นๆเนี่ยตอนนี้ทําอะไรเราไม่ค่อยได้ครับอาจ right. ารย์ก็เลยขอ ขอกุศโลบายในการรับมือด้วยครับเราก็เลายามรับว่าเขาก็เป็นอนันตนะเขาก็เป็นธรรมชาติที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติของเขาเหมือนกับผลไม้เนี่ยคนเราเป็นเหมือนผลไม้ชนิดต่างๆบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นสับปะรด เราจะไปให้เขาเป็นเหมือนเราถึงแม้เราเป็นกล้วยเราจะให้ทุกคนเป็นกล้วยเหมือนเรานี่มันเป็นไปไม่ได้ความทุกของเราอยู่ตรงที่เราต้องการให้เขาเป็นเหมือนเราให้คิดเหมือนเราทําเหมือนเราอืนี่เขาไม่คิดเหมือนเราทําเหมือนเราเพราะเขามีบุญกรรมของเขามาต่างคนต่างมาด้วยบุญด้วยกรรมของแต่ละคนอืเราต้องยอมรับความแตกต่างของเขาวิธีที่อยู่เขาได้อย่างมีความสงบ ความสุขก็คือต้องรู้จักสนวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนสิ่งที่มีความต่างก็อยากเป็นพยายามเอามาพูดเอามาทำเพราะมันจะขัดกันทํากันในสิ่งที่มีส่วนเหมือนกันถ้าเขาชอบทำบุญใส่บาตรก็ไปทำบุญใส่บาตรได้กั น, นถ้าเขาชอบนั่งดูทีวีเราชอบนั่งสมาธิประการคนต่างทําไปเนี่าอย่ามันเดินไม่ทาด้วยเพราะเหมือนกันครับอย่างนี้ก็จะอยู่ด้วยกันได้ มันมันมันจะเป็นท่าทางทำเนี่ยพอไ ด, ได้ครับเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็อยากให้เขาเนี่ยลดงานลงหน่อยแบบว่าตัวเราเนี่ยจะแบบว่างานก็คืองานปฏิบัติก็ส่วนปฏิบัติพักผ่อนก็ทุกอย่างแยกกันหมดไม่เอามารวมกันนะครับเพื่อแบบว่าอาจจะเพราะว่าเราห่วงเขามากไปมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าพอพอพ อ, พอเขาทําไม่ได้อย่างที่เราให้เขาพักผ่อนเงี้ยก็กลายเป็นเราก็ทุกไปก็เลย บางครั้งเนี่ยก็นึกถึงคำพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอ่าอ่าสิ่งที่ยากมากที่สุดก็คือการที่อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนที่เราที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางครั้งมันยากมากเลยครับอาจารย์เพระมักายมันเป็นคนในครอบครัวเดียยากที่สุดเลยครับถ้าคนอื่นนะโอ้สบายใครจะทําอะไรก็ทํำไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ต้องพยายามมองเข้าวมาในตัวเอ ได้ครับอาจารย์การที่เป็นอะไรก็เนี่เป็นเพียงสมมุติเนื่องจากอาจจะมาอยู่ร่วมกันี้อะไรเป็นสมมุติเท่านั้เองแล้วก็คือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดยากทานกันมันก็เป็นเหมือนคนคนอื่นเลยวครับครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วมีอีกกุศโลบายหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วครับอาจารย์ที่อาจารย์เคยเคยบอกว่าให้ให้ไปนั่งเก้าอี้อย่างเดียวห้ามนอนห้ามอ่านหนังสือห้ามอะไรบ้งช่วยให้นั่งสว้กัความอยากที่อยากจะทำนี่ทำนี้ ก็นั่งเฉยแล้วก็อาจจะมีน้ำไว้นั่งวางไว้ใกล้ๆถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำอย่างเดี้ยวอันนี้ ค, คือต้องอาจจะต้องทําหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่กินอีกต่อไปทั้งวันแล้วจะนั่สักกี่ชั่วโมงว่ากําหนดไปห้าชั่วโมงหกชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงก็ได้คือเราต้องการทรมานใจไม่ต้องทรมานร่างกายไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเจ็บให้มันปวดนั่งใกล้สบายๆแต่ห้ามหลับแล้วก็ ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นไปยืนก็ได้ไปยืนมเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่อย่ต้องการทรมานความอยากอยากจะไปน่นอยากจะไปนี่อยากจะทำนูน่นอยากจะทำนี่อันนี้ก็เป็นความอยากที่เราสามารถตัดตัดตอนได้โดยที่ไม่ต้องไปทรมานร่างกายของเราครับ<ะ>แล้วก็ ห้ามอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมครับห้ามทุกอย่างเลยห้ามทุกอย่างเลยทุกอย่างเอยให้ให้ตัวเราเนี่ยให้อยู่กับใช้สติปัญญาของเราสู้กับความความว่างความไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ทํำเพราะใจเวลามันอยู่ที่เฉดไม่มีอะไรทามันจะดิ้นมันงนั้นก็ใช้พุทโธก็ได้ไปแล้วสุดทอมาใจมันรู้สึกมันดิ้นมันฟุ้งซ่านก็พุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปหน้างยืนสมาธิได้ ถ้าจําเป็นต้องเข้าน้ำครับปลาหน้าแต่ปแล้วต้องจับไม่ให้ว่าไปที่ ห, หนไม่ให้ถลายถลายไปทําอะไรครับครับแล้วดูดูดูความอยากที่มันคอยผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วมันจะสร้างความรู้สึกเครียดความองุดหงิดขึ้นมาให้กับ<ะ>เราจ ะ, จะต้องรลงเวลาครับต้องลองดูทุกวันครับอาจารย์แต่ต้องตอบทุกวัน อ่าอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างสําหรับคนที่ยังไปปีกวิเวกไม่น่าก็เอาที่ไหนที่บ้านเราในห้องเราก็ได้ขอเวลาอยู่ในห้องเราคนเดียวไม่ยุ่งกับใครนั่งเฉยเไม่ดูไม่ฟังอะไรไม่กินไม่ดื่มอะไรนอกจากน้ําปล่าครับครับไม่เสียงไม่เสียงรูปเสียงกลิ่นลดไม่เสพการได้ครับเดี๋ยวจะทำแล้วจะมารายงานครับอาจารย์ตอนนี้ ตอนนี้เพิ่งคุ ย, ยกับเจ้าโมเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวว่าอยากไปนั่งคุยกับอาจารย์เลยแต่ลาบอกโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเมาเหม์ก<อ> <laughs> ันอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาครับรูปเร็วดีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปครับที่ถึงพระอาจารย์ครับอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่านอนเดึกก็แม่เนาะก็เป็นปกติดีทุกอย่างครับครับอาจารย์ครับโอเคให้ท่านอื่นครับอาจารย์น้นะมาตะการด้วยครับยินด <s> ีที่ได้พบกันในในห้องนี้ ผมจะมา<ช>บ่อยๆครับเป็นคอนเป็นคอนซั่นคือเฟรนด์บุ๊ของเราขึ้นมาเนี่ยคุณต่อเป็นคนเริ่มจากขึ้นมา <c oughs> เป็นบริจาคครับยินยินดีมากเลยครับคือว่า <c oughs> ผมผมพูดจากใจจริงเลยนะครับว่า <c oughs> ทุกวันเนี้มองทีมงานปัจจุบันผมมองไงไหมครับอาจารย์ <c oughs> ผมออกมาเนี่ยแม้ตอนที่ออกมาอาจจะมีทะเลาะกันนิดหน่อยแต่เชื่อไหมครับอาจารย์ <c oughs> ผมไม่เคยมองว่าอะไรไม่เคยไม่ไม่เค ย, ไ ม, ไ, มเคยไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราทําดีกว่าไม่เลยทุกวันนี้เจอใครบอก ถ้าทุกวันนี้เราอยู่เราทําไม่ได้อย่างเขาบอกเลยบอกได้เลยทุกคนทําได้ดีมากทําออกมาแบบว่าคือดีมากครับแล้วพี่บอยเนี่ยคือเสียตลาดสุดๆคือเสียตลาดสุดๆโอไม่มีพี่บอยคือแย่ได้ไหมครั บ, บอาจารย์รทุกวันเชิดผมเชิด<ม>ชูที่สุดเลยครับทุกวันเนี้ยไปถามใครได้เลยเจอใครบอกโอ้ทุกวันนี้เขาทาดีกว่าเราเยอะอะเราแค่เป็นคนเริ่มต้นเดี๋ยวหูให้เราทําเราทําไม่ได้หรอกคนที่ใสเราทําไม่ได้ แต่ก็ดีได้คุณเริ่มต้นถ้าไม่ไม่ไม่ได้เริ่มต้นง่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทาก็ได้ก็ก็ยังจำได้อยู่ครับว่าช่วงที่มาหาพระอาจาร์เนี่ยเคยขับรถผ่านเขาชิโอนมาแล้วก็ใครไม่รู้แนะนำว่ามีพระรูปนึงเพศเก่งแล้วก็ไม่รู้จักหรอกพระอาจาร์สุลชากเราสมัยไม่เคยรู้จักพอขึ้นไปหาไปกราบไปคุยก็บอกพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวผมจะลองมาใครก็ทา ตอนตอนนั้นยังยังตอนแรกยังไม่มีถ่ายทอดสดครับอาจารย์ตอนนั้นยังยังแค่เอาบันทึกเสียงแล้วไปโพสต์ลงใน youtube แล้วโพสต์ในเฟซบุ o กอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วผมก็หายไปหกเดือน <laughs> แล้วจากนั้นก็หายไปหกเดือนแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ก็ได้ทํามาก็ก็วางระบบมาเรื่อยมั่วมั่วซั่วไปเรื่อยก็จนอ่าจนมามาคนเข้าเยอะๆก็ตอน f เฟซบ o ๊คลาดอะไงเงี้ยครับก็<ม>แล้วก็ยังจําคำพระอาจารย์ได้เลยว่าพระอาจารย์ลูกนิสัยเราอาจารบอกว่า คุณต่อก็ทําไปนะถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วอะไรเบื่อจะไปไหนก็ไม่ไม่ว่ากันอะไรรู้นิสัยเราแล้วไม่บังคับใครไม่บังคับใครว่าจะต้องอยู่ต้องทําด้วยกันไปตลอดใครพร้อมที่จะไปก็ไปไม่เป็นไรแล้วแล้วผมสารภาพตรงนี้เลยนะครับว่าตอนที่ผมเข้าไปช่วยพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผมไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่เรียกว่าเห็นเป็นครูบาอาจารย์แล้วเข้าไปแล้วเข้าไปทาถวาย หรือความอยากที่อยากได้บุญแต่สิ่งที่ผมเห็นที่เข้าไปตอนแรกนะ่ยคือธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เยอะนะครับดังนั้นนะผมจึงเห็นจุดนั้นผมจึงเข้าไปทําแต่ทุกวันเนี้ก็ยังไม่มีความรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยได้เคยทําถวายครูบาอาจารย์อันนี้อัน น, น, นี้พูดจากตัดจริงเลยนะครับอาจารย์แลบบ้วเราเราเราหมือนกับ เราเห็นประโยชน์ของมันมากกว่าเราก็เลยเข้าไปทําเนี่ยครับจา่าเราก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ยึดติดว่าอะไรเองเนี่ยครับแล้วก็พอคนอื่นทําได้ดีกว่าโอ้โหผมอนุโมทนาสาธุผมผมมีความสุขมากเลยที่เห็นมันก็มาต่อยอดเนี่คุณเป็นคนปลูกปลูกต้นไม้แล้วก็พอต้อนไม้เริ่มงอกงามขึ้นมาก็เริ่มเริ่มรักษาเริ่มอะไรท ำ, ทำรนุ่งทำนวลไปแล้วทุกคนมีบทบาทดใีใช่ครับใช่ครับ ครับวันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอื่นจะไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวไม่คุยไม่คุยกันเพียงเดี๋ยวมาคุยบ่อยๆเดี๋ยวพระอาจารย์เบื่อเลยครับโอเคนะขอบคุณมากนะที่แวะ้ามาเยี่ยมเยียนคตามมาตรการครับคุณธนพลจากตธรรมรกับคุัปานีตามมาตรการครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตโดยพรเป็นภาษาจีนครับซึ่ง T A U E สิ้นถี่เกี่ยงคังสินส้นถีน่ว่าใช่ ไ, ไม่ครับสิ้นถีเกี่ยงคังครับออมันมีแปลว่าแปลว่าอขอให้มีสุขภาพพานาลัยสมบูรณออ์ครับก็ เ, เป็นคําที่เราจะจะใช้กับกับผู้ใหญ่ครับกับก<อ>ับคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายอย่างนี้ยครับนี่สาธุมีอะไรไหมวันนี้อาจารย์เจ้าคะสมมุติว่าในระหว่างวันเนี่ยค่ะเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพรรษามกระทบเนี่ย เวลาโกรธเวลาดีใจอะไรเงี้ยเราจะมาดูที่ใจอ่ะคะ่ะว่าตอนนั้นน่ะเออรู้สึกโกรธแล้วก็ให้ความรู้สึกมันดับไปเหมือนเกิดดับเกิดดับอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารแต่ทีนี้เ อ, อในระหว่างวันที่เราอยู่ีเฉยอ่ะคะ่ะบางทีมันเป็นความรู้สึกที่เฉยๆเงี้ยค่ะอย่างนี้เราต้องสอนจิตตัวเองอยังไงอ่ะคะ่ะก็ไม่ต้องสอนอะไรให้เจริญสติให้มีสติคอย ใ, <c oughs> ให้รู้เฉยๆอย่าให้มันคิดอะไร มีสติจดจ่ออยู่กับหน้าที่เรากำลังทำอยู่การเดินก็ให้มีสติกับการเดินท้านรับประทานอาหารเพื่อให้มีสติกับการรับประทานท า, นอ า, าเอาการเจริญสติเป็นมีราหลักก่อนเพวาะมิต่าเรายัางเข้าไม่ถึงมืเบกในสมาธิเราต้องการเจริญสติให้มากๆเพื่อมีกําลังจะได้เข้าสมาธิได้อย่างอื่นยังไม่ต้องไปกังวลมากไม่โดนไปพิจารณาไม่ต้องอะไรเพราะว่าพิจารณาไปก็ ถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถไปลังเลมันได้กาลังเรามีไม่พอยังตอนนี้พยายามฝึกสติยให้สติมาอยู่กับตัวแค่นั้นเองในระหว่างไม่จิตอยู่กับตัวไม่ให้จินลอยไปอดีตไม่ไปอาานาคตไม่ไปคิดถึงคนค น, งนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ภาควิชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับอยู่กับปัจจุบันอาจาย์แล้วอีกอีก กรณีหนึ่งเนี่ยตอนที่มีความโกรธเข้ามาค่ะพอสติอยู่กับตัวเนี่ยเราก็รู้ล่ะว่าเราโกรธแต่ว่าเราสามารถระงับได้จนมันจบไปทีนี้ว่าอาจารย์คือไอ้พัทธะที่มันกระทบเราที่ทําให้เราโกรธเนี่ยค่ะความโกรธมันจบนะคะมันมันมันเกิดแล้วมันก็ดับได้แต่ความความเศร้าที่มันค้างอยู่อะค่ะความเศร้าแบบนั้นนะคะมันไม่จบลงไปด้วยะค่ะก็รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันก็เป็นสภาวะธรรมมันกับความโกรธ มังคนหมดไปเรื่องข้างเศร้ากหมดไปมันไม่ได้เศร้าไปทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่มันี่ยา่าไปเศร้ากัมันเราอย่าไปเศร้ากัมันเราแค่รู้เฉยๆแยกตัวรู้จากตัวเศร้าตัวเศร้าอย่าไปตัวรู้อย่าไปเศร้ากับตัวเศร้ามันเหมือนกับว่ามันมันแก้ไขไม่ได้ก็คือถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้แค่รู้แล้วก็รู้ว่าไม่เที่ยงมันเป็นใจรับยอมรับ ยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้อย่า <ๆ S 2> ไปอยากให้มันหายเศร้าอามอยากให้มันหายเศร้ามันยังไม่หายก็ทําทให้เราทุกข์ขึ้นมาก็าคือรู้ว่าเศร้าก่อนรู้ว่าเศร้าก็ปล่อยมันเศร้าไปยังรมันก็หายรู้ว่ามันไม่เที่ยมเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ข้าดับมันไม่ได้กําจัดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปเมื่อครั้เราอยู่กับความเจ็บมันแล้วนั่งสมาธิมันเจ็บแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไป มันเป็นอนัตตาทุกถึงทุกอย่างเป็นธรรมชาติมีทํำมันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดทําให้มันดับของมันเองเมื่อเราเจอมันก็หัดอยู่ของมันไปสักแต่ว่ารู้ไปสติไปก็คือตัวเดียวกับตัวสตินี่เองใช่ไหมเจ้าแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงของมันอออันนี้ก็ปัญญาความจริงของมันก็คือมันเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยน้อ ไปไปกําหนดมันไม่ได้ไปสั่งให้ฝนตกวันนี้ไม่ตกวันนี้นไดนให้ไม่ได้จะสั่งให้จิตไม่เศร้าวันนี้ได้ไหมในเวลามันจะเศร้าเวลามันเศร้าไปกําหนดให้มันหายได้ปะก็ไม่ได้มไม่ได้ก็ต้องอยู่บำมัดไปนั่นีอสัตแต่ว่ารู้ไปนอกใจก็จะไม่ทุกข์กว่ามันที่ทุกข์เพราะปรยากจะให้มันหายเศร้าแล้วพอไม่หายเศร้าอะไรอีกไม่สบายใจกันใหม่ซ้อนกันใหม่อีกที เข้าใจแล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็คือแค่ ย, ยอมรับมันแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือตัวตัวฝึกติตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นอารมณ์สภาวะธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระอาจารย์เจ้าคะเคยเคยเหมือนได้ยินมีบางคนบอกว่าสภาวะที่เฉยเฉยเนี่ยมันเป็นสภาวะที่อันตรายถ้าเกิดสมมุติ ว, ว่าเหมือน เหมือนกับจิตอช้คำว่าอะนะจิตที่เป็นไม่มีอะไรยึดอ่าใช่ใช่ชใช่ค่ะ<อ>เหมือนเป็นจิตที่ไม่มีอะไรยึดนะค่ะแค่ความรู้สึกเฉยเฉยมันตัวนีเป็นโวกตาบอกท้่มันไม่ใคยเจอไม่เคยเจออุเบคขาที่แท้จริงไม่ เ, เจอ เ, เจะอเบคขาปล อ, อมหรือพยายามฝืนพยายามบังคับให้มันเฉยเฉยอันนั้นไม่ใช่เบกขา เวขาจริงมันเป็นธรรมชาติที่มันปราสจากอารมณ์นักชา่กลัวหลืมั น, เ ป, นเป็นธรรมชาติที่อยู่กับความสงบมันมีจุดยืนมีจุดยึดคือความสงบไม่ทุกกับอะไรไม่เดือดร้อนกับอะไรซึ่งจริงๆแล้วในระหว่างวันเนี่ยอารมณ์แบบนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรายังไม่กระทำสมาธิยังไม่มีไม่มีแบบนี้ มีเพียงแต่อาความเฉยี่จากการใช้สติคอยบงังคับให้มันเฉยเท่แต่ยังไม่เฉยแบบเป็นธรรมชาติครับือบางที<แ>เรารู้สึกกลางๆแต่จริงๆมันเป็นกลางๆแบบว่าที่แบบว่าเหมือนกับเราเราเราไม่ไม่มันไม่มั่นคงมันเป็นการดระทำเปลี่ยนก่อโอเคแล้วค่ะ ยังยังไม่ใช่หรอกไม่ใช่ถ้าเป็นเฉยจริงๆนั่นมันจะสบายมันจะมีความสุขมันจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับอะไรที่ที่พระ อ, อาจารย์ว่าอุเบกขาเฉยแบบนี้ก็คือเฉยในสมาธิใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าเฉยในระหว่างวันด้วยอะคะก็ถ้าฝึกนานๆก็มันก็จะทั้งวันเลยขณะอยู่ในสมาธินักขณะออกมามแต่เมื่อออกมามันก็อาจจะค่อยๆจางไป เอามันจงไปแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิไปเติมเหมือนน้ําเย็ยนที่เราแชใ่ในตู้เย็ยนเวลาเอาออกมาใหม่ๆมันก็เย็ยนใชนะ่ไหมที่ไม่สบายมันก็เริ่มหายเย็ยนพอหายเย็ยนแล้วก็กลับเข้าไปแช่ใหมจิตเรากแบบนี้มันเบคขาก็คือความเย็ยนของจิตนีงพ<ห>อมันเริ่มร้อนแล้วเริ่มวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ะ่ะแสดงว่าโอเบคขาหมดละอกลับเข้าสมาธิไปไปเติมโอเบคขาใหม่ ถ้ออาเราเฉยใคร่ดาคร่ชมไม่ยิ้มไม่เ็นไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องเข้าไปออใช่ใชเพราะว่า<ต>มันไ<ล>ม่บางทีก็บางทีก็เหมือนนิ่งได้แต่บางทีก็ไม่ได้ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันเป็นเกิดจากการมีสติไม่ไปอินกับสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นมันก็เลยนิ่งได้แต่ถ้าพอเผลิสติไปอินแลมันเข้า ไปเล่นกับมันเข้าปั๊บทีนี้ก็ร้อนขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่เป็นอุเบกขาจรเพรอุเบกขาออกมาจากสมาี่ใหม่ๆนี้มันมน่มันเฉยๆไม่ต้องใช้สติ ค, คอยคุมคอยรักษามันจะเฉยๆของมันไป <c oughs> อันนี้ต้องการต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่าเป็นอุเบกขาแบบนี้หอเป่าอุเบกขาแบบใช้สติ ค, คอยคอยกดมันไว้หรืออุเบกขาที่มันมันเป็นธรรมชาติจิตขึ้นมา หลังจากที่ออกจากสมาธิมาเขินไปนันที่ติโกได้ค่ะไม่มีำคำถามมีไนี้นะได้<ม>ค่ะระวัง น, นะเวลาใช้พูดนะนี่พระอาจาบอกให้ใช้การลามาสนะจากการลมุสนการเขพูดอะไรบบ เ, เป็นที่ว่าเป็นความจริงเสมอฟังผมไหว้ผม จะบอกเต้ามาพิสูจน์ค่ะนอย่มงนั้นเขาจะเป็นอาจารย์เห็นงแม้ว่าครก็เล่าเึื่องออกมจะเชื่อกันมาแบบนี้อะไรนี้ก็ยังไม่ให้เชื่อแต่ไม่ให้ปฏิเสธฟังไว้แล้วไปพิสูจน์ดูก่อนว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแต่จริงค่ะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงที่ดอ่าทําสมาธติต่อเนื่องอะค่ะช่วงนั้นจะรู้สึกว่าความโกรธเนี่ยมันเหมือนมันเราหายไป เราเหมือนเราไม่โกรธยังแต่ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่อยู่ตลอดอะคะ่ะใช่มันอยู่ไม่ได้เที่ ย, ย, ยใช่อะในในช่วงนั้นน่จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราใจเย็นแต่ว่าช่วงบางช่วงก็หายไปเลยก็โกรธง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนั่นเป็นกา<ๆ><ๆ>ม า, มาเข้าสมาธิอยู่เรื<ๆ>่อยๆถ้าปฏิบัติจริงๆจะเข้าสมาธิเอกมาก็คอยรักษาด้วยสติไปพอ ร, รู้สึกรักษาไม่ไหวแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ โอเคนะค่ะไคนที่มันมีคุณ ม, มีอยู่พัทยานะไ่มพูดแล้นนะแบบมันมีคุนมีพุดแล้นะไหมครับดีนะพัทยดีกับลูกศิษย์เกาหายหน้าเวลานครับขึ้นเขากับเพิ่งมาเอามาทาไม่ไม่เป็นครับคุณหมอเมียวแนะนำใครแนะนำให้หมอเมียวเย น่าเหนยวน่านวครับมพอดีทําำเป็นส่งลิงก์มาให้ครับอ๋อตอนนี้ทําเป็นแล้วใช่ไหมครับเสร็ละครับอาจารย์อ่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานนะช่วงนี้วันนี้เรื่องงานแล้วครับผมอ๋ออะไรเรื่องไปนี้มีอะไรอยากจะถามไหมตอนนี้ยังครับอาจารย์พอดีมันเข้ามาเมื่อือใหม่หัดจับวันนี้เพิ่งมาลองเนะโอเคย้อนไปที่วันที่เข้ามาประจำ อเป็นคุณฑลีต่มาลีจากกอธรรมวไม่เคยข า, านแล้วเนี่ยตั้งแต่เปิดซูมานี่ถามหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเขาวั น, นหนูหนูถามเรื่องบุญนะคะหลวงพ่ อ, อคือว่าบุญเนี่ยหมายถึงความสุขใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราทําแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันสุขใจมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี้ยแปลว่ามันเป็นเป็นกลางๆไหมคะหลวงพ่อ ไม่หรอกมันอาจจะเป็นเพราะเราเคยชินกับบุญที่เราทำอย่างถ้าอยากจะให้มันรู้สึกสุขนต้องเพิ่มเพิ่มการทําบุญให้มากขึ้นเพราะไหมเพรามันมันมันรู้สึกชินชากับบุญระดับเก่าแล้วมันถ้าอยากจะให้มันมีความรู้สึกก็ต้องทําให้มากขึ้นครออย่างสมมุติว่าเราถวายทานทุกวันอย่างนี้ค่ะคือมันมันจะชินมันก็ชินมันจะรู้สึกเฉยเฉยไป แต่ว่าขาดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อมันรู้ว่าถ้ามันขาดแล้วมันจะรู้สึกขาดอะไรขึ้นมาค่ะแล<ต>้ว <último> มันจะไม่รู้สึกแ<ต>ล้มันไม่รู้สึกว่ามันมันสุขมากกว่าที่เคยได้ใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเราได้ได้บุญไหมคะหลวงพ่อได้ระดับเก่านะระดับที่เราแล้เนี่ยอยากจะให้มันได้มากกว่านี้ก็ต้องทําเพิ่มมากกว่านี้เช่นทำสองเท่าเนี่ยเราจะรู้สึกก็ว่าเสร็จจะมีความสุกมากหนึ่งเป็นรางวันวันพิเศษแล้ววันนี้มันพิเศษทํามากกว่า เคยทําเคยทําเท่าเดียวเราทำสองเท่าหรสามเท่าหนึ่งค่ะแล้วแล้วอย่างบอกว่าทําทําเอ่อทำการกระทําที่ว่าทําแล้วได้บุญสูงสุดก็คือการภาวนาใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราทําเยอะๆอะ่ะแต่ว่ามันเกินจะเรียกว่ามันเกินเกินสาภาพร่างกายเราเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่ได้บุญใช่ไหมคะหลวงพ่อ ก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องผ่อนเราต้องทำเกินกาลังของร่างกายคือ<ม>เราต้องรู้จักกําลังของร่างกายเช่นยกน้าหนักเนี่ยยกได้กี่กิโลถ้าไปยกมากกว่าที่ร่างกายยกได้เนี่ยก้าวหลังค่ะคือมันช่วงจังหวะอย่างโซนุปฏิบัติเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันคือเราตั้งใจว่าเราจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้ไงค่ะแต่ว่ามันเหมือน ขาแขนเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเจ็บมากมันปวดมากอะไรเงี้ยคือเราไปนั่งปฏิบัติช่วงเรารอเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็รอแต่ว่าไม่ยอมออกมาเงี้ยคือเราต้องเราอยากจะทําตามที่เราตั้งใจอย่างเงี้ยคัะหลวงพ่อมันก็เลยเจ็บเจ็บเยอะอะไรเ ง, งี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อมันก็เลยรู้สึกว่ามันเกินเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ว่ามันอที่เราสร้างเป้าไว้มันอาจจะเกินกําลังของร่างกายที่จะรับได้ค่ะหลวงพ่ อ, อก็เลยสงสัยว่าแล้วย่างเงี้ยมันจะเป็นบุญไหมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันก็เป็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเป็นที่ที่ควรจะเป็นเราค่ะหลวงพ่อมันมันเกินกําลังไปใช่ไหมคะหลวงพ่อมันจะบอกว่ามัน คือการปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีปัญหาทางร่างกายมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้นทถ้ไม่มีสตินั่งไปแล้วใจลอยที่เรื่องนั้นเรื่องนี้นนมันกาไม่ได้ผลอะไรเลยก็ได้มันก็ไม่ใช่การจะเป็นบุญก็ตก่อเมื่อจิตสงบนิ่งมีความสุขเกิดขึ้นมามันจะเป็นบุญเป็นผลขึ้นมาออีกอีกคำถามนึ่งคือ อาทิตย์ก่อนที่อาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่หลวงพ่อบอกให้พี่คนหนึ่งอ่ะไปไปดูคำแปลรดสวดธรรมจักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองลองไปอ่านดูค่ะแล้วเสร็จแล้วเพิ่งจะมาเข้าใจว่าผู้ที่เอามามาบอกนี่คือ ท่านพระนล้ใช่ไม่มคะแล้วหนูก็มีคําถามว่าโอ้โหแล้วทําไมท่านจําอะไรได้มันยาวมากเลยแล้วมันมันเยอะมากๆเลยตั้งแต่ว่าสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทําแล้วกเ็เรียนถึงเอ อ, อริยสัจสี่เรียนถึงหนทางมรรคแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าโอ้โหทาไมท่านถึงจําได้เยอะขนาดนี้ก็ได้ขยันไงท่านท่องไม่ใช่ท่านท่องเรื่อยๆไม่ใช่ ทำไปเนี่ยท่านมันอยู่ในความจำของเราแล้วก็มาทบทวน น, นั่นเองแล้วาอาจจะเป็นเพราะท่านมีมีมมความสามารถพิเศษในการจําอะไรต่างๆได้ดีนั่นก็เลยจําได้แล้วแล้วพอท่านหนูก็พอมาดูคําพูดอย่างอนาลโยเนี่ยแปลว่าผู้ที่อะไรนะไกลไกล จ, จากจากความกังวลเนี่ยอนาลาโยค่ะค่ะ ก็เพ่งจะมาเข้าใจเพราะงั้นเวลาสวดไปเราก็ไม่เข้าใจความหมายว่าโอมันหมายถึงอะไรไงบางคนในหนูบางในกังวลใช่ไหมื่านอาจารย์ชื่อใน่ลวงในหนวงท่านก็มีธรรมะเยอะนะในหลวงร๊อ้าวในหลว็ แล้วเวลาเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ว่าใจร้อนไม่ยอมคนพอมาปฏิบัติเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้ความใจร้อนของหนูมันมันลดลงมันทนฟังทนรับกับสิ่งที่มันมากระทบกับในใจเราได้ดีขึ้นค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยรู้สึกว่าเ อ, อเหมือนมีคนมาด่ามาว่ามาตาหนิเราอย่างใช้ถ้อยคําที่รุนแรงคือแทนที่เราจะตอบโต้เข้าไปแบบแรงๆหรืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนนิ่ง มีสติเพื่อที่จะคิดอธิบายเหตุผลหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมันหนูเพิ่งมาเห็นว่าเออทําไมเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ผลจากสติสมาธิเราฝึกผ่านอยู่นี่เองมีเบรคขามากขึ้นใจนิ่งเฉยได้มากขึ้นค่ะหลวงพอ่อทำไปเลยค่ะหลวงพ่อทำวันสองวันที่มันวันผลไม่ได้ต้องเวละยาว ใน <ขา S 1> เรียบเที่เมื่อปีที่แล้วกับวันนี้เราต่างกันเหมือนคนละคนเะยน ะ, ะหนูหนูเรียนกับหลวงพ่อนี่น่าจะเป็นเกือบสองปีแล้วค่ะที่ที่มาเจอหลวงพ่อค่ะมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็หมดคําถามแค่นี้ค่ะหนูกั ก, กขอบพระคุณหลวงพ่ อ, อยิ่งสูงเลยค่ะหลวงพ่มีเวลาเราไหมฮะถ้าตายไปดกจะบัะชาชนลองใบ้ห น, น้าบ้านก็ได้นะใช่ไหม หนูเคยไปไปยืมที่วัดมาค่ะแต่ว่าเอามาได้อ่านได้นิดเดียวแล้วหนูก็เอาไปคืนค่ะมันไม่ไดนจะสั่งออนไลน์นะเดีย๋ยวนี้ทุกอย่างมีขายออนไลน์ต้องแสาด้วยค่ะหลวงพ่อถ้อยากได้เนะาะแต่แต่หนูหนูฟังที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนแม่ชีอาทิตย์ที่แล้วว่าที่อยากเรียนอะไรนะคะทางภาษาอะไรทางทางพระแล้วหลวงพ่อบอกว่า อะไรนะความรู้เดี๋ยวความรู้เยอะอะไรเงี้ยค่ะมาเรียนปฏิบัติหนูก็เลยเออถ้าถ้าสงสัยหนูก็จะไปเปิดดูดนนะอะไรเ้ไม่จําเป็นต้องไปเรียนอันนี้ถ้าเป็นคนที่อยากจะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับแต่แต่จะค่ะหนูจก็เลยถ้าสงสัยก็จะไปดูแล้วเสร็จแล้วถ้าไม่สงสัยหนูก็จะมาเร่งาทางทางปฏิบฏัติค่ะหลังจากได้เสร็จแล้วทีนี้อยากจะไปดูเท่าไหร่ก็ดูได้ในอนาคต ตอนนี้ให้รู้แต่ส่วนที่เราทำเป็นจะต้องรู้บอกหมอรู้วิธีรักษาสีรู้วิธีจริทรสินั่งสมาธิจันทร์ปัญญาให้นี้ก่อนค่ะหลวงพ่อกลับค่ะว่าคุณหลวมพ่อค่ะสาทุค่ะเด็กชายนโมนโมเมื่อคืนนี้เข้าภาษาอังกฤษวันนี้เข้าภาษาไทยเก่งเทศการพระอาจารย์ครัสวัสดีทุกคนพูดได้ท่าไทยพูดได้ท่าเก่งครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับคือเอหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เมื่อคืนนะครับก็อได้ลองไปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์อสอนแล้วแล้วก็พลพบว่าตัวเองเนี่ยจะมีปัญหาว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะม่วงอะครับพระอาจารย์ก็ต้องกินอาหาน้อยๆหน่อยเนี่ <c oughs> ยกินนีกไปๆแล้วถ้าจะนั่งก็นั่งอย่าไปนั่งตอนที่เพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆค่ะ <c oughs> เวลาอื่น เวลาที่ตอนกําลังหิวเนี้ยนั่งอาจจะไม่ ง, วง่วครับถ้าเป็นถ้าเป็นนั่งตอนที่เพิ่งกินอาหารสเสร็จใหม่ๆนี่นั่งไม่ได้ต้องเดินแทนถ้าอยากจะปฏิบัติต้องเดินแท น, แ เ, ด น, แทนเดินจบคงแทนครับ <Okay. S 2> ถ้านั่งแล้วรู้สึกมั่วก็หยุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินแทนถ้าอยากจะนั่งแบบไม่ไม่ ง, วง่วก็ต้องนั่งในตอนที่มันมันเริ่มหิวแล้วพอมันเริ่มหิวแล้วมันจะไม่ ง, วง่วบ ฉันต้องต้องควบคุมอาหารอย่ า, ยากินมากเไปสําหรับผู้ปฏิบททัติธรรมนี่ท่านจะแนะนําให้กินแค่ถือสีบแปดให้ให้กินเพียงเที่งวันัอยากเที่งวันก็ให้ใ ห, ให้ออกไม่ต้องกินอาหารเย็นลองดูสักวันนะ e <ul S 1> <c oughs> ลองดูเคยลอนนงแล้วค่ะพระอาจารย์เคยวันยังนานแล้วเหรอเคยลองวันนึงค่ะพระอาจารย์ยากมากเลยค่ะ เรานนติดก็ไม่ได้ไม่เป็นไลนะใหม่ๆมันก็ยากนะพอทำไปเรืร่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นไปเองของดีต้องต้องพยายามฝืนต้องบังคับนะถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติเราต้องยอมเสียสละความสุขทางด้านนั้นไปเพระาะมันเป็นอุปสรรคขวางกันถ้าติดความสุข อยากจะดูทีวีอยากจะเล่นเกมอยากจะกินอาหารเยอะๆนี้มันก็จะไปปฏิบัติไม่ไ้ถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องตัดไปอยากไปเล่นเกมอยาไปดูหนังฟังเพลงเออพระอาจารย์ครับพ่อฝากถามาครับว่าการนั่งสมาธิจะช่วยเรื่องการเรียนไหมครับก็มันก็มีส่วนทำให้เรามีสติ เวลาเราเรียนหนังสือเราจะเข้าใจง่ายแล้วเร็วขึ้นบบตามปกติถ้าเราไม่มีน้ำไม่เรื่องสมาธิใจเราจะลอยเรีย น, น, นหนังสือใจก็ไปคิดถึงเรื่องเกมเรื่องเพื่อนอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ไปมันจะอยู่กับหนังสือที่เราหรือเวลาอยู่ในห้องเรียนมันก็จะตั้งใจฟังมันก็จะไม่ไปลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรูม้ที่ครูถ่ายทอดให้กับเราจากหนังสือมันก็จะเข้ามาในใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็จะจำได้เวลาสอบก็สอบสอบผ่านได้อย่างสบายและมีประโยชน์มากการฉุดสตินั่งสมาธิทำให้ใจเราเออไม่ลอยธรรมดาชอบ daydream ชไหชอบนั่งลอยนั่งฝันเพ้อฝนันคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลาอยู่ในห้องเรียนบางทีครูก็สอนอะไรบางทีไม่รู้ไม่ไม่ได้ฝังสร่งด้่จำ ไ, ไปใชนไ อาจารย์ครับอีกคําถามหนึ่งครับคําถามสุดท้ายแล้วครับพ่อกับแม่ย้ําให้ถามพอาจารย์มากเลยครับคือปกติเนี่ยก็หลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีการโทรคุยกับเพื่อนนะคะอาจารย์แล้วก็เวลาคุยก็ตอนแรกก็คุยเรื่องเรียนสักพักมันก็จะวกไปเรื่องนินงทาชาวบ้านนะครับอาจารย์เ mm hmm. ลยอยากจะขอเทคนิคจากพระอาจารย์ว่าจะสํารวมวาจายอย่างไรอะครับก็พูดเท่าที่เริ่มเราต้องการจะพูดเนี่ย อก็อร่มไปเรื่องเอะไก็วางสายไม่ใช่เลยการมี <c oughs> การจาเป็นจะนั่งพูดก็พูดแต่เรื่องที่อจะเป็นพอพอหมดเรื่องที่เราต้องการจะพูดแล้วก็วางสายเรื่องเซฟบายรับทําใจเด็ดเดียวใน <c oughs> ธรรมชาติแล้วกิลลวเลสเราชอบนินทาตัวไหนกับ พ่อกับแม่นั่งหัวเราะกันอยู่ แ, แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรใ ห, ให้คุยเรื่องความรู้ในกวิชาควารู้เดียจะไปคุยเรื่องนินทา ก, กาเลยเนี่ยโอเคนะครับวันสุพัฒนาจากบอเวนเชิญพัฒ น, นารัศการจะพาอาจารย์วันนี้เข้ามากราบอาจารย์นะคะ ไม่ไม่มีคมอะไรนะะก็ปฏิบัติอยู่ก็ตอนนี้เข้าใจเรื่องขบวนการการปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็วันเทพเทวันนี้นี่สอนเรื่องการละสกยาทิฐิซึ่งทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเจ้าค่ะก็ฝึกสติวมาธิเจ้าค่ะพยายามปล่อยวางขันห้านั่งกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะค่ะ อ่าทุกเจ้าค่ะโอเคมันได้ล้านลาหรือมันนไมก็่อยออกใช่ี่อ่านผิดี่น้องไฟด้วยกลับมาสกการครับผมแอบเข้ามาเข้ามาดูครับอาจารย์ผมยูปทุมครับบ้านเกิอยู่อุทัยธานีครับไม่ได้แอบนะคนคก็เห็นหมดนั่นก็พอดีเห็นคําสอนของพอาจารย์ตาม ที่ที่หน้าหน้าเพจนะครับราาอาจารย์ผมก็ศึกษาก็ปฏิบัติก็พยายามฟังว่าปกติผมก็จะปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งอยู่ครับแต่ก็ก็จะประมาณเดียวกับอาจารย์ครับครับปฏิบัติแล้วทำให้อาจารย์เราสงบก็ใช้ได้นะครับครับก็ปกติจะ ไปบ้าตามหลักของหลวงพ่อฤาษีดำครับครับไม่มีคําถามเลยนะไม่ไม่มีคําถามเข้ามาเข้ามาฟังคําถามของท่านอื่นนะครับแล้วก็เข้ามาฟังคำคําสอนของพระอาจารย์เลยใช่แล้ก็ที่ทางต่อไปนะเดี๋ยวจะไปที่ท่านต่อไปครับน้ำมาสกันกกคุณบีสองศูนสี่สามใช่มคุณบีสองศูนย์สี่สาม สายหน้ า, า, บาแบบบนบอยสาหน้าแบบอยู่ที่ไหนการมาเจออ๋อไม่ได้ครับอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นหน้าเลยอ๋อผมพระพระวินยัยทานาวโลครับแต่ก่อนอยู่อํานาจเจริญเพิ่งย้ายมาอยู่อุทยัยธานีเพื่อน้องช้างได้สิบหกวันครับเอ๋อมีคําถามไหมมีสองสามคําถามครับเรื่องการเอ่ออะไรเกิดสลดสังเวชนะครับก็ย้อนย้อนจาก เกิสดสลดสังเวชในจิตใจครั้งแรกเมื่อไปทํางานที่อศรีราชาชนบริบบิ2148พอไปเจอพระอาจารย์ท่านอยู่วัดถ้ำปทุนก็เลยไปสนทนากับท่านก็สนทนาไปสนทนามาก็ท่านก็บอกว่าโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เลยน้ำหูน้าตามันไหลออกมาเองแต่ยิงคําว่าโลกอย่างเดียวมันคิดว่ามันเป็นทุกข์นะโลกเขาเป็นอย่างนั้นก็เลยอืก็ดีทําให้เราลาโลกได้ ถ้าสลดสังเวชแล้วก็หับวชได้จะยินแค่คําว่าโลกอย่างเดียวก็เลยมันรู้สึกมันจะมารวมมันจะเห็นหมดทุกอย่างมันรวมมันมันพุ่งมาที่เราค้โลกโลกพุ่งมาหาเราถ้าก็รู้โลกอโลกมวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเข้าใจโลกแล้วก็มาหลายปีต่อมาก็ตอนนี้มาบวชในพรรษาที่ภาษาติกาจะเข้าภาษาติกาก็วันที่สิบห้าธันวาคมครับก็เกิดสลดสังเวชฟังฟังธรรมะ ของไอ้หลวงปู่สว่าดปัญญาทโลครับฟังในแอป tiktok แต่ก่อนก็เคยฟังธรรมะบทนี้มันกันท่านกเทเดชว่าเมื่ อ, อไรจะปล่อยจะละจะวางจะปล่อยจะวางเกิดมากี่พักกี่ชาติแล้วจะตายอีกกี่พกกี่ชาติก็เคยฟังมาทั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เกิดสลดสังเวชแต่วันที่สิบห้าธันวาบีกายปีหกสี่นี่เกิดสลดสังเวชน้ํำตาหัวน้ำตาก็ไหลอีกครับแล้เกิดสลดสังเวชในวัฏสงสารว่าเราจะเกิดจะตายอีกกี่พกี่ชาติจึงจะพ้นทุกข์ได้ แล้วก็หลังจากเกิดโสดสังเวชช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายก็นอนตะแคงขวาครับอ า, าจารย์ตะแคงขวาเกิ ด, ดิมิตขึ้นบนเพดานเห็นเป็นรูปพระเจ้าเทพโสดปัญจวัคคีทั้งห้าก็เลยได้้เข้าใจว่าพร ะ, ระอัญญาโกธัญญาท่านบรรลุโสดะบรรยงไงก็เลยจิตมันก็มันผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดแบบพุทธทางเหมือนภาษาอินเดียนะครับพุทธทางสร้างก็จะมีเหมือนเหมือนวานองอินเดียครับก็เออถึงสังคังก็ ขนพองสยองก้าวหมดเลยครับแล้วก็มาแล้วก็ออกนิมิตภาพแล้วก็หายไปแล้วก็มาพูดอีกครั้งมันก็มันก็ไม่ไม่ขนพองนะครับมันไม่ไม่ขนฟองสยองก้าวแล้ว mm hmm. แล้วก็ต่อมาวันที่ยี่สิบสองธันวาก็ไปกินนิมนต์ที่ในตัวเมืองอำนา จ, จเรจรก่อนที่จะมาอุทยธานียี่ิบสองธันวาก็ไปเห็นผมผู้หญิงคนนั้นอายุห้าสิบห้าปีอยู่ที่โรงเรียนเห็นมาเจ็ดแปดปีก็เห็นเขาดําผมดําตลอดเลยครับอาจารย์ ผมดำก็เกิดไปหลงเขาก็หลงก็ไม่ก็ยังไม่แก่แต่วันนั้นไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไปเห็นเส้นผมหงอเขาเขาไม่ยอมหรือไงก็ไม่รู้ไปเห็นเป็นช่อเส้นเส้นผมมันงอสามสี่เส้นก็เลยเกิดสลดจังเวทในในไอสังขารนะครับเกิดสลดังเวทเล็กเข้ามาในในในจิตเลยครับ mm hmm. แล้วก็วันต่อมาก็เห็นเป็นผมดําเหมือนเดิมเขาไปยอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนั้น มันเกิดยังไงก็เลยเห็นผมผมหงอกเขาก็เลยเกิดสวัสดิําไว้ก็เลยคายเรื่องสังขารเรื่องกายหลงในรูปลดกินเสียงรูปได้ลงในลงในรูปได้นิดหนึ่งก็เป็นช่วงระยะหนึ่งครับพระอาจารย์ก็ต้องให้มันน่าลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆครับเวลาความมีดีก็ทํามาลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารนี้ครับแล้วเป็นยังไง่ะ อันนี้เป็นยังไงจิตสงบไหมตอนนี้ก็ช่วงเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เกิดความเครียดขึ้นครับความเครียดขึ้นมาอยู่อุทัยที่นี้ก็เลยโทรศัพท์ไปติดต่อติดต่อเพื่อนโยมอาจารย์ที่อํานาจก็เขาก็ไม่อ่านไลน์ส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านเป็นเดือนสองเดือนก็ไม่อ่านโทรไปก็รับสายแล้วก็ไม่พูดด้วยก็เลยก็เลยเกิดความเครียดมันก็เกิดโรคกําเริบโรคประจําตัวกําเริบ เหมือนจะตอมใจตายเงี้ยเป็นหลักเป็นหนักแล้วก็ค่อยคิยคดก็มาถึงช่วงเช้าก็ยังมีการซึมเศร้าคิดเรื่องของเครียดเรื่องเรื่องเมื่อวานก็เป็นวันพักก็มาสวดผ้าหงก็ไม่สวดก็นั่งนิ่งสงบฟังเขาพากันเขาสวดจนจบโยนเขาก็สังเกตเห็นก็วันนี้ก็ค่อยยังชัวง่วเข็นครับอาจารย์ก็ ไ, ไปนั่งสมาธิที่ศาลาการประเรียนก็สงบดีสงบดีครับ พยายามรักษาธิให้สงบเงี่ยเรื่อยๆเพิ่งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะครับก็เลยก็เลยเคียดเรื่องห่วงห่วงที่จากมาห่วงหวงจังหวัดที่จากมาก็เลยคิดถึงอดีตที่ผ่านมาตาดสติหรือส ต, ติไม่ควบควุมจิต่อให้มันคิดอ๋อครับแต<ม>่ตอนอามาอยู่ที่นี่แรกแรกก็สงบดีนะครับมามาย้ายมาอยู่ที่นี่แรกแรกก็ถึงจะวุ่นวายแต่ก็เหนื่อยแล้วก็มาสวดมนต์แล้วก็ภาวนาก็สงบดี รู้สึกมีกําลังขึ้นครับเป็นความสงบต่อมาหลังจากนั้นรายวันก็ไปช่วยจัดช่วยจัดเตรียมงานฉลองพะระศิวลเลฉลองวิหารพระจวันเกิดก็เกิดความยกคลองนั้นเพรานี้ก็เหนื่อยก็ก็เลยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ครับคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกิดความไม่ไม่ไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพอไม่ทำอะไรอย่างนึ่งมันก็เขาดสติอ๋อครับไม่ขาดความตอ่อเนื่องครับอาจารย์จงกรมก็ไม่เดินหลายวันเลยครับก็ทำ ชาติมาก็เลยแตกชาติก็เลยแตกมีอะไรไหมอ่ า, อาที่ว่าที่ว่าเห็นในภาพภาพญาโกทันยะที่ว่าผมเปลี่ยนปาเจ้ า, จาทางสรังข้ามนี่เป็นอะไรครับเป็นเกิดปิติธรรมปิติหรือปล่าครับก็เป็นภาพอย่างหนึ่งก็เป็นปิติอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นของชั่วคราวชั่วคราวก็ดับผ่านไปอนะครับ เราต้องเอามาัเราเป็นบทเรียนสอนใจเราว่ า, วาถ้าถ้าเราเห็นธรรมเห็นอะไรมันก็จะทำให้ใจเรามีปิติมีความสุขพยายามดึงใจเราให้ก้าหาธรรมะอยู่เรื่อยๆอาจจะขาดความตอนแนครับช่องนี้มไม่ค่อยไม่ค่อยทสมาธิยุ่งยุ่ง<ๆ>กับกิจการงานวัดหน่วย ช, ช่วยงานวัดอย่าไปทำงานข้างนอกมากไปททำงานข้างในสำคัญกว่า ไอเราหน้ามีไหมมีอะไรไหมที่นี่ก็ตกกลางคืนก็ไม่ได้ออกจากห้องจากกุดครับก้อนนอตก็พักผ่อนทําอะไรก็พักผ่อนสวดมนต์ภาวนานอยู่ในกุดก็สว่างก็ออกไปคือออกไปข้างนอกกลัวกลัวผียังไม่ชินอันนี้เป็นมันมีป่าป่าต้นยางเยอะป่าต้นยางเขาเป็นปเป็นที่เผาโศกเก่าที่เผาไปเชิงตะกรเก่าแล้วก็เขามาสร้างมเมนอีกที่หนึ่ง เราก็น่ากลัวแต่ถ้าไปตอนตอนกลางวันตอนเยน็นเย็นยังถ้าที่ไม่ตกก็ไม่น่ากลัวก็เป็นั่งสมาธิบนโซฟาโซฟาไม้ก็สงบดีครับพระอาจารย์้าเรา <จะ S 1> ไม่ช่วยความกลัวเลยใช้พุโทโธทำโมสมโังโฆเท่านั้นเวลากลัวก็ทำพุโทโธทำโมสังโฆไปเดี๋ยวก็หายกลัวครับหมดแล้วใช่ไหมวันไหนบ้างครับพรอาจารย์จะทายทอดโสฟัน ผ่านสูมมีมีกี่วันครับก็มีวันเดียวช่วงนี้เคยมันพูดสองทุ่มบอกวันเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่ตอนกลางวันบ่ายสองโมงก็มีเทศเทศสดเอาเทศมาเทศสดอยู่ทุกวันบ่ายสองโมงติดตามัได้ไม่ค่อยอะไรติดว่าติดตามแต่ว่าความมีเวลาเปิดดูอกมไม่ได้ฟังก็อ่านได้ช่วงไหนว่างก็เปิดอ่านได้มทํำมาได้ก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นคนสมุทรสาครไปอยู่ใน อำนา จ, จเจริญถ้าก็ยังไม่เป็นเจ้าวาดแต่ไปเป็นรักษ า, าการเจ้าวาดเฝ้าวัดอยู่นะัะท่านไปเจอท่านช่วงนั้นท่านบอกว่าผมติดสมาธิให้ท่านเลยใ้ให้ผมลองไปทไําไไรปฏิบัติตามสายหลวงปู่เทียนแบบสมาธิแบบเคลื่อนไหวท่าน บ, บอกว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อเปรียงหรือหลวงปู่มั่นนี่ยจะสมาธิจะติดสมาธิแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ไม ออกทางปัญญาช่างจะติดทางสมาธิจริงหรือไม่ครับเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงจะจะไปทําตามไรของหลวงปู่เทียนหรือจะทําตามของหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้สอนให้ติดสมาธิท่านสอนให้ฝึกสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ไปทางปัญญาต่อท้าไม่ได้สอนให้ติดสมาธิถ้ายังไม่มีสมาธิก็ฝึกสมาธิก่อนให้ได้สมาธิก่อนพอมีสมาธิเราถึงค่อค่อยไปทางปัญญาต่อ อพิจนาไตรักปัญจาาอาริยสัจสี่ถ้าเราถึงจุดพลังอํานาจนี่ครับตามที่เรียนมาจากหลวงพ่อยังคืออยู่ระหว่างฌานสี่กับฌานห้าจุดพลังอํานาจนี้มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนอบอุน่นเบิกบานหรือเปล่าครับอาจารย์อบอุ่นแล้วก็อีเมอร์เบิกบานใจใช่ไหมครับถึงจุดพลังอํนนนานาจก็ไม่รู้นะจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของอพลังจิตนะครับอาจารย์ ลองทําดูลองทําำดูเลยต้องทํำดูก็ตามที่เรียนมาหลวงพ่ อ, อยังวา่าถ้าถึงจุดพรามน่าจะเกิดตาชิบนะครับจะเกิดาตาชิบเกิดแล้วได้ก็อุปจารสมาธิแต่พระท้เจ้าบอกไม่ให้ไปทํานั้นพระเจ้าบอกให้หใอยู่ในอยู่ในฌานสี่ให้อยู่ย ไ, ไม่เคย ต, ตาเป็นสมาสมาธิครับให้เป็นสมาสมาธิอย่าไปทางวิจาสมาธิถึงแม้มีพลังจิตแต่พลังจิตก็จะทําให้เราหลงอ โอเคนะบ่อยแล้วใช่ไหมแล้วยังไงล่ะมันก็อย่างว่าที่ปจารย์ว่าขาดความตนน้นในการทำสมาธิเลยไม่เกิดผลพยายามฝึกบ่อยๆยพยายามไปต้นงานไฟนอกลงให้น้อยลงปฏิเสธได้<ะ>ก็ปฏิเสธน ะ, ะมาเวลามาปฏิบัติดีกว่ามาฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบ โอเคนะเดี๋ยวขอไปที่ท่านตอไปนะผมรรมส ก, กายพระอาจารย์โอเคคุณกิติศักดิ์เชิญคุณกิติศักดิ์ก็ก็ทํารเหมือนกันใช่ไหครับนรัส ก, การพระอาจารย์ครับอ่นนี้ไม่มีคาถามครับพระอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมครับโอเคไปได้คุณหมอทัศ น, นีคุณหมอทัศ น, นีประ ท, ทนีนรัส ก, การท่านพระอาจารย์จาค่ะ วันนี้รุ่มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ่วามาเลยอยากทราบว่าเกในการวัดความเจริญก้าห น, น้าหรือว่าถอยหลังในการปฏิบัติของเราเราสามารถวัดจากสิ่งใดได้บ้างเจ้าค่ะนอกจากที่ความสามารถที่จะเข้าสืราบรับสงบนะั่งสมาธินานได้หลา ย, ยาาาาที น, น, กก น, นี่นิ่งทีนี่สงบนั่งปุ๊บห้านาทีนิ่งสงบกาแสดงว่าเด๋วถ้านั่งไปแล้วต้องสู้กับความคิดสู้ไปสู้ไป บางทีคร okay, ึ่งย่วโมงก็ยังไม่สบงบนี่ก็แสดงว่าดูเกณฑ์ดูที่สติของเราว่าสติของเราต่อเนื่องมากน้อยเพียงไหนเผลอมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ถ้าถ้าดูภาพรวมก็ดูว่าอจิตเราโลกปนหนงมากขึ้นน้อยลง น, นี้ขึ้น็เป็นตัววัดได้ตรงนั้นความสุขในใจเราสามารถวัดได้หรือไม่จังคะความสุขผวามทุกข์ ความสนดในใจมันก็อยู่ที่ว่าเราสุกดกับเรื่องใดทุกกับเรื่องใดบางทีเราอาจจะปล่อยเรื่องนี้ได้แต่เราอาจจะปล่อยเรื่องนั้นไม่ได้ปล่อยลูกเราได้เปล่านี้ถ้าเราห่วงลูกทุกกับลูกนี้ก็แสดงว่าเรายังตัดไม่ได้เราอาจจะไม่ห่วงร่างกายเราแต่เรากลับไปห่วงร่างกายของคนอื่นก็ได้ค่ะตอนนี้ลูก ป, ปฏิบัติจ ะ, ะเน้นปฏิบัติ สติกับสมาธิเจ้าค่ะโดยเน้นการเดินจงกรมกับปฏิบัติสมาธิค่ะ <viens. S 2> อลดเวลาการทำ ง, งานประมาณสามชมั่วโมงเจ้าค่ะก็คือปิดธุรกิจเร็วขึ้นค่ะแต่ก่อนูปิดประมาณสองทุ่มช่วงนี้คือปิดประมาณห้าโมเ็นค่ะอดี่างน้เวลานะปฏิบัติเพิ่มมากขึ<ม>้นนะแล้ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นเนะี่ยนี่ก็เป็นการก้าวหน้าในทางเนี่ยแล้วนั่งเวลาสิตสงบสงบได้นาน ขึ้นหรือเปล่าถ้านาขึ้นครับก็เป็นการจ้าหน้ า, นน า, า, นาส่วนผลพลอยได้ก็คือใจเราเย็นขึ้ น, นเบะขามากขึ้นไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆของคนต่างๆน้อยลงในก็จะโตว่าจะได้นํามาพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองตรงนันแล้วก็ลดความอยากได้มากขึ้นหรือเปล่าลดกาแฟลดเครื่องดื่มเรื่อง ลดขนมนมเลยของอะไที่ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานเนี่ยลดลดกนได้หรือเปล่า ล, ล, ลดการรูปเสียงเกลียดลการเสพ ร, รูปเสียงเกลียดลให้น้อยลงให้เหลือแต่แค่แค่ปัจจัยสี่นี่แค่ปัจจัยสี่อาหารพอไม่เล็กปากป็นท้องอาหารก็ไม่ต้องถูกปากถูกใจอาหารอะไรก็ได้กินก็ดับความเหงืนี้ รู้สึกว่าเวลาไปปฏิบัติที่บนเขาการถือศีแปดมันเป็นไปได้ได้งานามากเจ้าค่ะใช่บรรยากาศสิศีลแปดมั น, ม, น, นมันเอื้อมันจับปลายะถ้าอยู่ที่บ้านมันมีแต่ของรอใจต่อแนะล้วรอดตัวเดี๋ยวลูกจะหาโอกาสไปปฏิบัติอีกเจ้าค่ะอืาเนยถ้าไปบ่อยขึ้นแสดงว่าก้าวหน้านะแะวิธีนึงจะดูว่าก้าวหน้าหรือก้าวหน้าก็รที่ผมเนอะ ถ้า ผ, <Okay. S 1> ผมสั้นลงนสั้นลงนี่ก็แสดงว่าก้าวหน้าถ้าผมยังยาวอยู่นี่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคมินกาลักซี่ A12 แม่ชีหรือเปล่าไม่ทรานอยู่ที่ไหนกับนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนแม่ชีแม่ชีรัตประพัรตัตนสิรินะคะ พี่ศักตะก่อนเข้าเข้าเข้าร่วมฟังธรรมกับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอ่าอยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรอวัดอสุอสอโศกรามพิมพัจังหวัดสทรภัณฑ์เจ้าค่ะวันนี้แม่ชีไม่ฉีไปเรียนนะอภิธรรมนะเจ้าค่ะต่เรียนเรียนหัวข้อเวทนานะเจ้าค่ะอือภิธรรมไปดกมาเจ้าค่ะอ่าไมได้อย่างไเรียนก็ได้แต่มันซ่อปฏิบัติไม่ได้ก็แม่ชีก็ ปฏิบัติอยู่ก็สดบนภาวนาอะไรอย่างเงี้ย ต, ต, ตามตามตามตารางของของวัดท้ามีเรียนแม่ชีเขาไปเรียนนะเจ้าค่ะอนุญาตแม่เข้าไปเรียนก็ดีดีก็ได้ผมปรอ ง, งเองเจ้าค่ะก็ปรงเ อ, องวนวนหัวด้วยตนเองนะเจ้าค่ะก็เกดีไม่ต้องขึ่นใครไม่ก็ ก, ก็ตั้งใจว่าบทไม่สึกนะเจ้าค่ะก็เลยต้องปรองเองเออ พอโกนไปก็พิจารณาเอามันเป็นอสุภะกรรมฐานปฏิกูลเกสารโรมันนะคะตันตาจะโจงนะเจ้าค่ะ อ, อ, อคนเองค่ะมันก็มีบาดนะเจ้าค่ะไม่ไม่มไม่ชีนมันไม่มีสติที่มันมก็พลาใช่เจ้าค่ะถ้ามีสติแล้วจะไม่ไม่ไม่บาดเจ้าค่ะแต่แม่ชีครั้งนี้ไม่ไม่มีบาดแผลเลยเจ้าค่ะเริ่มดีขึ้นมองไมวันน้าไม่อยากมา ก็ここยังไม่ถึงปีนรเจ้ค่ะแต่บวชจะสี่ปีแล้วก่อนหน้า น, นี้ให้คุณแม่คุณแม่ปรงให้ตอนหลังคุณแม่บอกว่าถ้าถ้าบวชจะไม่สึกต้องหัดปรงเองแล้วอช่ปรงเองเราก็ปรงปร ง, งเราเองมาทุกปั่นเนี่ยตั้งแต่พันสามสิบเนี่ยเราปรงหัดปรงเองมาท <c oughs> <47 S 1> ั้งหมจ้าค่ะสี่เจ็ดเจปีไม่ชีปีแรกเอ่อหัดปรงเองแต่สามชั่วโมงกว่าแล้วไม่ชีเลยไม่ไหวอ เ, เนี่ยเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันไม่ไหวอะเจ้าค่ะสามชั่วโมงกว่าวัน ตอนนี้ไม่ถึงชั่วโมงแล้วจ้าค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเลือดแล้วจ้าค่ะมีคําถามอะไรไหมไม่มีแล้วจ้าค่ะขออนุญาตเรียนเรียนเรียนวิชาเหมือนเดิมแล้วจ้าค่ะก็แล้วแต่ไม่ใช่ก็ปฏิบัอ่อย่าทิ้งการปฏิบัติกันแล้วกันคิดว่าเป็นการเรียนเสร็จแล้วกันเสริมการปฏิบัติได้ไม่ไม่ใช่ไม่มีคําถามแล้วจ้าค่ะโอเคสาธุคุณน้องคายไม่เป็นไงน้องคาย ที่ใส่บาตตอนเช้ามาหนองคายไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ครผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับผมก็คือผมปฏิบัติผมอายุสิบแปดปีนะครับเพิ่งปฏิบัติธรรมมาได้สามสี่ปีแล้วครับผมอ่าอยู่ที่วัดป่าอุปธิวิเวก ค, ครับจงบังหวัดหนองคายก็มีครูบาอาจารย์สอนครับผมแล้วก็คือผมปฏิบัติสมาธิก็คือนั่งสมาธิแล้วก็เดินจูบลมครับ ทุกวันครับผมแล้วก็เวลาที่เลิกปฏิบัตินะครับมันมักจะพระอาจารย์ท่านจะให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมไปด้วยนะครับผมคือมันมักจะเห็นจิตแสดงแต่ลกนะครับเห็นสุขเห็นทุกข์นั้นไม่เที่ยงนะครับคือขณะนั้นไม่ได้คิดหรือไม่ได้กําหนดนะครับคือจิตมันแสดงออกมาเองอย่างนี้นครับคือพอมันออกมาบ่อยๆแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายครับ นายในร่างกายครับผมคือมันเป็นแบบนี้มาได้ปี ก, กว่าแล้วครับผมคืออยากกลับเรียนถามอาจารย์คืออย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อไปครับคือถ้าเบอร์นายแบบที่เราไม่ทุกข์กับมันก็ถูกต้องถ้าเบอร์นายเรากกทุกข์ก็แสดงว่าผิดนะคือตัวนี้ไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขครับผมถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขเบอร์นายก็คือไม่ได้ไปสนใจอะไรกับมัน มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันไปเบอเบอ ร, รนา่าแบบนี้ก็ได้ครับคือบางทีไม่ไมปกังวลกับมันไม่เปทุกข์กับมันมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันมนี้เบอรนา่าแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเบิน์น่าอยากจะฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้ครนะครั บ, ค, รบคือบางทีไปโรงเรียนอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆ ก, ก็ถามว่าทําไมไม่มีแฟนกับเขาสักทีนะครับคือ พอมีผู้หญิงเข้ามามาจีบอย่างนี้นะครับคือ <hi> ผมรู้สึกไม่ชอบนะครับเห็นผู้หญิงคนนั้นคือเห <c oughs> ็นความไม่สวยไม่งามนะครับผมคือเห็นความแก่ความเหี่ยวของสภาพร่างกายนะครับคือมันขึ้นมาตะลึงเลยก็แสดงว่าเรามีธรรมะเราปฏิบัติธรรมเ้าไดาทำในดวงตาเห็นธรรมเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย มันก็ไปดับการมาหลงได้ความอยากเป็นแฟนก็ไม่มีคือก่อนหน้านี้ผมเป็นอยู่ทีว่า<บ>จอยู่ที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดไม่สะนะั้นั้นมันก็เป็นมาได้สักปี ก, กว่าแล้วครับผมอพยายามดูไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เนี่ยไปเจอคนปิ้งกันน้ำเมื่อไหร่ลืมเป็นลืมมาสื้อผ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ผมเป็นลืมด้วยครับผมเป็น สปเร่ไปจําหมู่บ้านครับช่วยอีกศพอีกศพทุกวันนี้มันก็โอกาสที่จะเกิดการระล่มนี่ก็ค่อนข้าติครับตั้งแต่เผาจนเก็บอาทินะครับผมที่นี่เป็นเผาไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกขยะันอะไรเลยไหมไม่รู้สึกแหละครับผมเชยๆครับแรกๆก็รู้สึกกลัวเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งงานการนี้ก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ผมจะชอบไปยืนไปยืนมองดูครับเวลาเผาพยายามย้อนกลับมาดูที่ตัวเรวเาว่าต่อไปเาก็ต้องเปลี่ยนัะครั บ, รบแล้วก็จะมีเพื่อนอยู่ผู้ภัยด้วยครับเขาจะชอบ <ừ> ส่งรูปมาให้ดูเรื่อยๆครับ <ừ> รูปที่เขาไปเกบ็บตามท้องถนนอย่างนี้นะครับผมเนีนยเรามบุญนะมีโอกาสได้พิจารณาสุภาพกับทุกวันเลยครับผมนี่ต้องตัดให้มันได้เ่ย อย่างแท้จริ ง, งเอกพิสูจน์ดูเกิดไปเห็นภาพสวยๆงงานขึ้นมาเกิดความนักความค่ายขึ้นมาหรือเปล่าคือนอกจากอสุภะกรรมฐานแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่จะช่วยระ ง, งับกามอารมณ์ไปได้ครับผมไม่มีแล้ว อ, อสุภเนี่ยเป็นวิญญาณที่พิเศษที่สุดแนตะ่ว<ม>่ามันอาจจะมีหลายระดับอสุภะแบบเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นภูมนะิก็ได้เห็นโครงกระดูกก็ได้ คือชอบชอบดูครับดูอาจารย์ใหญ่ดูอะไรก็ดูไปหมดแรับเน่แล้วก็พยายมามมาเจ็บเจ็บไว้จดจําไว้ในใจตลอดเวลาอย่าลืมเวลาที่เกิดความลหลงเกิดความรักใคร่ใขึ้นมาให้นึกถึงสภาพแบบนี้อาการแบบนี้ขึ้นมาครับผมคือจบมหกแล้วครับผมก็จะบวชเรียนวันที่9เมษายนครับเนบวชเป็นท่าได้ไ ย, ยังไงเนี่ย ยังเป็น <ผม S 2> เรนอยู่สองปีครับผมอก็ได้ควรเรียนต่อนก็ได้ครับผมแล้วไม่ไปเรียนต่อนอสมองนี้ก็พอแล้วครับผ ม, ม, ม, ม, มทางบ้านไม่ห้ามทางบ้านทางบ้านไม่ห้ามครับผ ม, มนี่งําลราอยู่กับวัดอยู่รับสัปเหร่อมาเขาอะไรคิดว่าเราเป็นเป็ น, ป น, ปนส่วนหนึ่งของวัดไปแล้วหล่ะนะครับผมก็ดีานุโมทนาด้วยทางนี้เป็นทางที่พิเศษที่สุดแล้วนะ การได้บวชนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะจะทําให้เราได้ไปหลุดพ้นจากการเดินไม้ตายเกิดได้ตามรอยพระบาทของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สู่ควานิพพานต่อไป ค, okay. ค่ะคุณคณาุ่ะคุณนิตรพงษ์เชิญคุณนิติองษ์มาอยู่ที่ไหนวันนีิติพงษง ขอนอสการครับพระอาจารย์อยู่ลําปางครับวันนี้ตั้งใจมากราบพระอาจารย์ครับพอดีได้ยินที่อาจารย์ปรึกับพี่ต่อครับที่เรื่องนั่งนั่งเฉยๆครับนั่งเฉยก็เลยอยากอยากจะลองดูครับก็เลยจะกราบเรียนสอบเรียนเซ็นถามพระอาจารย์ครับว่าเวลาเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราเราต้องหรือว่าถ้าเกิดความอยากหรืออยากดูอย่างนี้เราต้องต้องต้องทำยังไงครับพระอาจารย์ ถ้าสวนบนไปก็ได้พูดโทไปก็ได้หยุดความคิดที่จะไปอยากทํำรู่นทํำนี่พอหยุดได้มันก็มันก็หยุดความอยากได้ออแถ้าเราถ้าเรามีกํำลังสูงก็ปล่อยให้มันอยากไปแล้วเราก็หักดิบมันไปมึงอยากแต่กูไม่กูจะไม่ทําตามที่มึงอยากน่าจะยากครับสงสัยต้องต้องพยายามสวดมนต์สวดมนต์ไปก็ได้พูดโทรก็ได้ นั่งหนังตาอดูรำไพ่ใช้เข้าออกก็ได้ทำสมาธิไปก็ได้ออครับต่อมายก็คือให้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสู้กับความอยากที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ให้ใช้อย่างคถ้าเราใช้ได้ต่อไปเราเราจะเราจะไม่เดือดร้อนเนลามีความอยากเราก็ใช้สติใช้สมาธิวิธีปัญญาดับมันได้ ทำงาตอนนี้เราลดับความอยากด้วยการไปทำตามความอยากใช่ไหอยากดื่มกาแฟก็ไปทำกาแฟมาดื่มเอาได้ดื่มกาแฟความอยากดื่มกาแฟก็หายไปชั่วคราวคามเคียดก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันไม่หายไปตลอดถ้าเราหยุดมันด้วยสติด้วยสมาธิต่อไปมันจะไม่กลับมานะความอยากขอบพระคุณครับอาจารย์อย่างนั้นเราทำอยู่นะง่ายๆ วิธีง่ายแต่มันยากการกระทำมันยากจริงครับได้ได้ได้หลายๆท่านที่ท่านถามได้ทำาร์กไปเยอะเลยครับวันนี้ขอบพระคุณครับแล้วก็กำหนดเวลาไม่ด้วนะอย่ากไปเราไม่กําหนดเวลาเดินนั่งแป๊บเดียวเลยแล้วต้องต้องต้องมีต้องมีเส้นมาขับไวใช่ไหมครับไม่ใช่ไหะครัามชั่วโมงห้าชั่วโมงเพือ่อว่าแต่แต่ลุกขึ้นยืนได้ท่านนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นยืน นั่งนั่งเก้าอี้สบายสบายแต่ห้ามหลับห้ามหลับใช่ไหมครับห้ามหลับเพราะงี้มันจะไปทางหลับนะเดี๋ยวมันไม่รู้จะไปทางไหนมันก็จะไปทางให้หลับหลับก็นั่งได้นานนั่งหลายชั่วโมงนั่งแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้เรื่องอะไรหลับถ้าหลับนี่มันจะแวบไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันมันจะไม่ได้อะไรเลยถูกต้องไม่ได้อะไรโอเคนะลองทําดู อพปุณนครับคนรพรช่วคนร่วงพายหน้าไปหลายหลายเดือนนะคุณร่วงพรกับละมัศการค่ะได้ยินใช่ไหมคะอยู่กอทามอใช่ไหมจำไม่ได้กอทามค่ะคือหาไปหลายเดือนเพราะว่าก็ปฏิบัติไปอย่างเช่นดูฟองน้ําดูอะไรไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ ตดูร่างกายแล้วว่าเป็นเหมือนความน้ําเป็นเหมือนใบไม้ค่ะดนี้รอยไปในที่สุดใช่ค่ะ mm hmm. แต่ดูฟองน้ําในลักษณะที่ว่าเหมือนกับมีกายเราอยู่หรือกายอีกหนึ่งอยู่ mm hmm. แล้วพอถึงเวลามันก็ต้องแตกแตกเพราะว่าหายไป mm hmm. เห็นเป็นธรรมดานะ mm hmm. เพราะมันเคยเป็นล้านล้านช mm hmm. ั้งมาแล้วความรู้สึกที่ดูฟองน้ําเนี่ยมันจะดีค่ะเทียบกับว่า ถ้าเราไปดูดอกบัวหรือไปดูใบไม้ที่มันเหี่ยวลงแล้วโศกมันเหี่ยวแล้วก็ร่วงมันช้ามันสูดดูฟองน้ำไม่ได้มันถ้าเที่ยงมาถทมันชัดกว่าค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยพวกนั้นมันจะนำด้วยความโศบนิดนิดเศร้านิดนิดแต่ฟองน้ำเนี่ยมันเหมือนกับพระรานโทษค่ะจะทำให้จิตใจเราเนี่ยดูเรื่องนี้เนี่ยมันปกติไปเลย มันเห็นเป็นของธรรมดาเคยเป็นร้านๆครั้งมาแล้วแต่วันแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วนะคะแปดแปดเก้าสัปดาห์แล้วค่ะตั้งแต่ที่นำไปปฏิบัตินะฮะวันนี้ก็วันนี้อยากจะมาเรียนถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับมงคลสามสิบแปดนะคะคือส่วนตัวนี่คิดว่าเป็นการเรียงลำดับของการจัก จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสูงสุดในของการอธิบายคือเคยอธิบายให้หลานฟังนะคะหมข้อสามสิบสี่เนี่ยทำพนิพานให้แจ้งมันก็เหมือนกับคล้ายๆหาบ้านจึงเท่านั้นนะคือท่ า, า, า, านีิฉันพูดผิดพลาดหรือความเห็นผิดพลาดท่านโปรดไม่หรอกพนิน พ, พานก็เป็นเหมือนบ้านที่อยู่ของใจ แล้วต่อมามันก็ยังจะมีความหวั่นไหวเมื่อเจอโรคกระทำนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเช่นให้เห็นเป็นถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยคือตัวตนนี้ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความหวั่นไหวน้อยลงแล้วพอมาถึงข้อถัดมาสามสิบสมห้าาหกก็เรื่องความโศกเศร้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยเรื่อง โดยการใช้กำมดใช้เรื่องฟองน้ำมันเหมือนกับพอเรากว่าบ้านทั้งสุดท้ายมันก็เหมือนกับกว่าเศษธุรีอะไรเนี่ยมันก็จะหมดไปธุรีก็คือกิเลสแล้วต่อไปมันถึงเจอเกิดใสค่ะมันจะทำไม่ได้ฟองใสเองอคือหลานโทษก็ยังไม่เข้าใจนะคะคงก็เหมือนกับดิฉันแต่ก่อนก็เคยนึกว่า นิพพานคือจุดสุดยอดของการปฏิบัติแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับเราเจอทางไปบ้านเนี่ยพอเข้าไปในบ้านมันก็ยังมีอะไรที่เราต้องตกแต่งเยอะอย่างเช่นความหวันวายความโศกเศร้าซึ่งได้กลาบเรียนถามมาแล้วอะค่ะท่านแล้วก็เรื่องหมดทุรีคือกิเลสแล้วก็จิตถึงความปลอดโปร่งมันจะเข้ากับ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมคะท่านเป็นแน่นอนที่โยไมไปคิดว่านิพานเป็นสิ่งที่จะมาก่อนในสิ่งสองสามข้อหัง น, นี้มันเป็นผลที่ตามมาจากการได้นิพานมากกว่าโอแต่จริงๆในความเข้าใจของทั่วไปน ะ, ะพอจิตทำนิพานแล้วความเศร้าสศกเสียใจยต่างทั้งหมดไปความสัมผัสกับโลกประธรรมก็ ก็หมดก็ใช้ไปไม่มีเป็นเหมือนหยดน้ำบนใบตัวไปจิตสัมผัสแต่ไม่ไม่หวั่นไหวนี่ครับการสัมผัสกับโลกประทานทั้งแปดในหน้าพ ร, ร, ร, ร, รัสสานิสุทและการเสื่อมหนาพรสรานิสุททุกข์หมายความว่าอย่างนั้นเพื่อทำให้นิพพานแจ้งแล้วจิตก็จะเป็นจิตแบบที่ได้ได้กล่าวถึงต่อไปในข้อสามิบ้าและสานะครับ ทำไม่ได้สามสิบแปดคือคิดถึงความปลอดโปร่งเป็นผลที่อยากการทํานิพพานให้แจ้งคือคนโทษนะคะดี่ฉันขอทบทวนคือต้องทํานิพพานให้แจ้งก่อนถึงจะมีข้อจะได้ไดผลมนำที่ตามมาได้ผลต่ออะไรนะคะก็ข้อต่างๆเนี่ยข้อต่างๆทีต่ตามมา อ, อ๋อถึง คือการปฏิบัติของลิชนนี่มันเหมือนกับว่าข้อต่างๆนี่มันจะตามมาตามมาทีหลังใชใช่มันตามมาตามนิพพานมาสิเนี่ยตามนิพพานมาก็เนี่ยข้อสามิห้าสมสิบกล้สาสบเจ็ดสามสิปดยค่ะคืออริยสั์สี่นี่ก่อนถึงพระ น, นิพพานแล้วถึงจะมาวันอีกวันไว้ในโลกธรรมความวันไว้มันหมดไปไม่ใช่วันไว้ พอทำนิพพานให้แจ้งแล้วความหมันไว้ทั้งโรูกธรรมก็หมดไปอืเจตเป็นเจตที่กเกษมสํารายอือหึค่ะแต่ทําไมเขาไม่จับเข้าหัวข้อก่อนทำนิพพานให้แจ้งต้องต้องไปถามองค์พระรเจ้ามันก็ต้องแจ้งก่อนใมันถึงมันถึงจะตามมาเหมือนกินข้าวอิ่มก่อนแล้วมันถึงจะมีความรู้สึกว่าสบายอยากจะนอนแนละ้วอ๋อ หรือว่ามันเป็นที่ตามมาความรู <ไป S 2> ้สึที่ตามมาหลังจากที่ทำํำนิทานให้จ้างในใจนะควาราวาู้สึกการตามเรนี่ยจะตามมาจริงค่ะแล้วข้อสุดท้ายถึงจะเป็นถึงความปลอดโปร่งนะฮะนั่นหละมันก็มันมาพร้อมกันหมดมันตามกันมาที่เวลาเขียนเวลาเล่าก็เล่าเปขั้นขั้นไปแล้วทีนี้งนันนี่มันเกิดพร้อมกันเลยหลังจากวันนิพานจ้างาก็ไปพูดนี้ก็ปั๊บตามมา มันกินข้าวอิ่มปั๊บความสุขจากการกินข้าวมันตามมาที่ความหายจากความหิวก็หมดไปความหิว่็หมดไป่เหมือนเราทานข้าวแล้วมันก็อิ่มขึ้นมาไเวลานักซึ่งเราอยากเราอยากไปเรียงลําดับมันมากเกินไปเพอาะฉะนลาการปฏิบัติมันไม่ได้ได้เรียงลําดับแบบนั้นเพราะมันเร็วกว่านั้นอันนี้จะเหมือนเหมือนสโล w motion เราค่อยค่อยค่อยเล่าทีนะสร่งนี้ แต่ว่าพอฟังท่านย้อนเทปเก่าๆเนี่ยมันก็ทําให้แต่ละข้อเนี่ยมันเบาบางไปเบาบางไปเรื่อยๆยังไงก็กราบขอบพคุณค่ะวันนี้ก็คงมีแค่นี้คงต้องไปทําต่อนทำต่อ น, นี่แหละก็พยายามนักษาภาพของฟองน้าให้มันอยู่ในใจเราตลอดเวลา<ม>ทุกครั้งที่เราเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นฟองน้าเป็นเหมือนกัน เหมือนกับท<ม>้องสุดคูณที่ท่านบอกไม่มีอะไรในน้อ ง, องอ น, น, นี้ไม่มีอะไรมันเป็นความว่าเราไปปรุงแต่งไปสมมุติันขึ้นไรเป็นฟองน้ําเราไปปรุงไปสมมุติว่าเป็นฟองนี้มีชื่อเงนินฟองนั้นมีชื่ออย่างนี้เดี๋ยวา ม, ามันก็นแตกไปหมดใช่ไหมแตกไปหมดรวมทั้งคื อ, อของอาการการตัวเราที่สุดอะเหมือนกับมีตัวเรามันจุกอยู่ในฟองน้ำํำด้วยเหมัอนก็แตกไปด้วยอื โอเคนะที่ทั้งนี้นะโอเคขอบคุณคนะ่ะ okay. คุณธนันชัยเชิญอยู่ที่ไหนคุณธนันชยัยนัดนัดมรสการหลวงพ่อครับทุงเทพครับหลวงพอ่ออมครั้งนี้ครั้งนี้เข้ามาครั้งที่สองครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้เข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลวงพอ่อก็ วันนี้จะรบกวนสอบถามนะครับเมื่อกี้ได้ฟังหลักธรรมหลายท่านที่สอบถามไปก็รู้สึกเข้าใจครานี้จะสอบถามหลวงพ่อว่าในขณะที่เราทํางานหรือว่าใช้ชีวิตปกติเนี่ยเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอุเบกขานะครับเมื่ อ, อกี้บางท่านก็จะบอกว่าเหลวงพ่อบอกว่าต้องนั่งสมาธิต้องมีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วก็จะเกิด แบบสบายๆโดยที่ไม่ไม่คล้ายาคล้ายมันจะเกิดขึ้นเองนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานปกติเหมือนกับว่าตัวผมเองเอ่ะไม่ต้องบริกรรมละคือปกติจะติดว่าจะเป็นพุโทโธเป็นสัมมาระหังหรือนามะพัทธะอะไรเงี้ยพอพอเราถึง จิตจิตหนึ่งที่เราที่เราสัมผัสว่าเราเกิดอุเบกขาครับหลวงพ่อมันก็จะเข้าสู่สภาวะนั้นเลยโดยที่มันก็จะทรงอยู่งั้นทั้งวันหรือว่าถ้ามันแวบไปพวกถ้าเราจะดึงกลับมามันก็จะดึงมาได้ไอเ อ, เอลักษณะเ น, นี้ยเหมือนกับเราฝึกสติไปในตัวครับหลวงพ่อก็เลยอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าแนวทางการทํางานระหว่างวันหรือการใช้ชีวิตเหมือนประตูชนเนี่ยโดยที่เรายังไม่ต้องนั่งสมาธิ ตอนกงคืนหรือว่าตอนที่เรามีเวลานั่งสมาธินานๆนครับแต่เราสามารถพูดไม่ว่าทรงจิตอยู่ตลอดเนี่ยเปนสภาวะแบบเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับในการที่เป็นอุเบกขาลักษณะที่หลวงพ่อพูดนะครับครับได้เพราะว่าแา่ลคนนี้ในอดีตอาจจะเคยสะสมอุเบกขามามากน้ไม่เท่ากันกับางคนมีอุเบกขามากก็ไม่ต้อไปฝึกสมาธิก็ได้ เฉยวางเฉยใด้ไม่วุน่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆแต่บาง<บ>คนนี่อะไรไม่ไดาาหน่อยก็ใจก็มุ่นไม่มาทันทีแสดง ว, ว่าอุเบกขาน้อยข้างเาพยายามไปมันฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้สร้างอุเบกขาให้ขึ้นมาสาธุครับทีนี้ระดับอุเบกขาที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่วุน่นวายไปกับเหตุการณ์ตามปกติก็ได้ แต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันรุแรงร้ายแรงเราอยากจะอุเบกขาได้หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องต้อ ง, องถามตัวเองนครับสาธุครับเก็ถูกเข้าไล่ออกจากงานวันนี้น่ใจเรายังอุเบกขาเฉยๆได้หรือเปล่าครับสาธุส่วเสีย<ส> <ๆ S 2> คนที่เราอนัดไปทันทีทันใดโดยไม่คาดฝันอย่างนี้เรา ย, ยัางอุเบกขาได้หรือเป <สา S 2> ลา่าอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เนราจะต้อง ลองทดสอบถามตัวถามตัวเราเองนดงมันนีกันดีกับไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขึ้นมาเรายาังรักษาโอเบขาได้ไหรือปะครับนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะทําให้เรากระตุ้นเนืออาจจะต้องไปปฏิบัติเพื่อให้สร้างโองเบคาเพิ่มมากขึ้นโอเบขาระดับที่เราไปอยู่มันอาจจะพอกับพอเพียงกับการใช้ชีวิตประจําวันที่เป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ วุ่นวายเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นมานี่ใจเรายังรักษาอเบกขาได้หรือเปลาจับสาธุครับงันก็อุเบกขาโดยสรุปว่าคือมีหลายระดับด้วยกันแต่ละคนอาจจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันคับสาธุครับแล้วบางคนอาจจะมีนะแต่ยังไม่พอใจอยากจะมีสูงวันนี้เขาก็เลยไ ป, ไปดวดกันก็มี ส อ, สอบถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งครับคือพอเราฟังหลักธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็จะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบเข้าสู่หลักไตรลักษณ์ยกตัวอย่างนะครับอย่างบางทีผมก็ไปเห็นรถยนต์ผมก็บอกว่ารถยนต์ก็มาจากธาตุดินก็คือเห็นโครงรถมันก็ทำมาจากเหล็กแร่ธาตุทุกอย่างมันเอามาผสมกันแล้วกลายเป็นเป็นรถหรือไปเห็นคนก็ ก็จะอย่างที่หลายๆท่านบอกเป็นอสุภกรรมฐานก็คือแบบก็สลายลงสู่ดินเมื่อจะไปเผาหรือเอาไปลอยน้าตอนเผานะครับหรือเห็นตึกร้ามบ้านช่องเราก็รู้สึกว่าตึกร้ามบ้านช่องเนี่ยมันก็มาจากดินเป็นตึกแล้วมันก็มาจาก ม, มันก็ังมันก็กลับกลายเป็นดินครับท่านก็ก็เลยมีความรู้สึกมันไม่เที่ยงสักอย่างเลยครับหพ่อทุกอย่างไม่เที่ยงเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่เที่ยง ร่างกายเราอยู่ก็ก็ะจะมีมีจิตที่ทรงอยู่มีตัวเดียวที่เที่ยงคือจิตเนีะครับจิตกับธ<อ>าตุธาตุทั้งหเนี่ยมันเที่ยงธาตุดิ น, น, นก็ยังมีอยู่ธาตุน้ําก็ยังมีแต่ถ้ามันมารวมกันแล้วเดี๋ยมันต้องแยกออกจากกันทุกอย่างมันก็จะกลับไปเกินสุด ธ, ธาตุเดิมของมันดินก็จะกลับไปเป็นดินน้ําก็จะกลับไปเป็นน้ําลมก็จะกลับไปเป็นลมไฟก็จะกลับไปเป็นไฟจิตก็จะเป็นผู้รู้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดจงกว่าเราจะหลุดพ้นก็จะยุติการจัดความอยากทังายได้หมดล้วก็จะไม่ต้องม า, มาเกิด อ, อีกต่อไปรับสาถูกครับครั บ, รบถามหลวงพ่ออีกคำถามหนึ่งครับสมมติเรากำลังจะหลับครับออกาลังจะหลับแล้วก็เราก็พูดง่ายว่าเข้าสมาธิหลับไปเลยแต่ ซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าสมาธิอาจจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตเข้าสู่อาจจะเป็นฌานชั้นต่างๆหรือเปล่าเนี้ยฮะแบบแล้วหลับถ้านั่งหลับนี่ไม่ไม่มีสติไม่มีสติไม่ถือว่าเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันต้องมีสติดูตัวตลอดเวลาครับสาธุครับก็คือสมมติเรากําลังจะหลับแล้ว ทำสมาธิก่อนพูดง่ายว่าไม่ได้นั่งสมาธินะครับหลวงพ่อเมือนแ่นอนถ้าท่านจะหลับนี่ท่นเองมันง่นนะไม่มีทางที่จะเป็นสมาธิได้อ๋อครับครับสาธุครับโอเคแล้วสอบถามหลวงพ่อแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าได้โอกาสหน้าเข้ามาทำใหม่นะครับอนุมาสาธุครับครับคุณครับที่กลับมาแล้วตามไม่กลับมาข้ามไปก่อนนะักลับมาแล้ว แากสุราธานีเปิดไมค์ได้ก่อนขอประทานทำนะครั บ, รบ ก, ก็ได้ไปเซอร์เวย์ลองหาแบบว่าที่ที่เราจะอยู่ครับอลองลองไปดูแล้วครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ก็คงจะแบบไม่ได้เหมือนวางแผนไว้สิบปีแบบที่แล้วครับ ถ้า yeah, มีโอกาสตรงไหนเราก็แบบว่าสามารถถ้ามันเหมาะสมเราก็สามารถไตครับเรออียไปเถองเวลาไม่มีค่อยใครครับเกิด แ, แต่ก็กับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีเพราะว่าไปที่หาดใหญ่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อหลวงหลว ง, ง, ง, งปู่ีวรโสการามครับท่านก็บอกว่าจะให้เรียนปริยัตถ้าเรียนยัไม่ลงไปนะเรียนตอนนะครับก็ก็เดี๋ยวว่าจะหาแถวนองบัวลาพูอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาส ถ้าไปทางอินสานได้จะโชว์่าทางอินสานนี่ส่วนใญ่ยยจะเป็นมัดปฏิบัติเท่านครับครับก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ครับก็ยังอยู่ในทางนี้ครับโอเคอเ ค, ครับท่านครับขอนคุณครับยังคุณการาวิกาการวิกาท่าผิดอ่านว่างไงนั้นการวิกาการาวิกาค่ะการาวิกาอยู่ที่ไหน น้ำมัศกาต์ค่ะตอนนี้ทํางานอยู่สถานทูต ท, ที่เยอรมันเจ้าค่ะอ๋อเยอรมันเมื่อบรรเนื้อเบอร์ลินเบอร์ลินต้องตําแหน่งอยู่ที่เบอร์ลินเจ้าค่ะใช่ <c oughs> คื อ, อ, อหนูมีคําถามก็คือว่าเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนูก็ตั้งใจแล้วก็ถือศีลแปดคือทําเองปฏิบัติเองเจ้าค่ะอ่าแล้วก็พอ สามารถทำได้ครบ8วันก็มีความรู้สึกสงบมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ฟังธรรมะก็รู้สึกได้ประโยชน์กับตนแล้วพอครบ8วันแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มจะมีภารกิจที่จะทำให้การรักษาสิ่แปลจะค่อนข้างลำบากก็เลยก็ก็ต้องเลิกเลิกไปเลิกปฏิบัติไปแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่สามารถปฏิบัติ ด้วยตัวเองได้ต่อเนื่องหลายวันแล้วก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเวลาที่เราบอกว่าอขออุทิศกุศลให้กับท่านนั้นท่านนี้หรือว่าขอแผ่เมตตาเนี่ยหนูก็เลยสงสัยว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเกิดกุศลอะไรที่เราสามารถแผ่ให้คนอื่นได้หรือว่าเราจะต้องตั้งจิตยังไงมันมันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างไรเจ้าค่ะ เราไม่ได้หรอกในความว่าใจก็สิ่ง <Okay. S 2> ที่เราแด่งได้ก็กุศลเนื่องจากการทําบุญทําทานอย่างเดียวนั้นเ <c oughs> องดังนั้นต้องของใครของมันตัวใครตัวมันปฏิบัติแทน ย, ยังไม่ได้ยังก็ดีเลย <c oughs> ของไม <c oughs> ่ไม่ตัวขนมก <c oughs> ็สงสัยว่าพุทธเจ้าไม่ดีหรอือเราไม่ได้หร อ, อกพุทเจ้าเราอัตตาหิอัตนโนนาโถถ้ามาถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วแต่เรื่องเรื่องทําบุญทําทานนี่พอจะแบ่งให้ได้ว่าสําหรับผู้ที่นุ่งรับไปแล้ว อจริงจริงมันก็ไม่ทําแทนไม่ได้จริงได้เลยบคนก็คิดว่าเป็นคำว่าบุญอะไรที่บุญทุกชนิดแผ่แผ่ได้แบ่งได้ไม่ได้พระเจ้าไม่เคยสอนให้แบ่งแบ่งบุญจากการนั่งสมาธิจากการปฏิบัติธรรมสอนเพียงให้แบ่งบุญจากการทําบุญทําทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เราเรามันาแปลความหมายกันเองแล้วก็ว่ากันไปเองออ ใช่แ ล, แล้วก็การสวดแผ่เมตตาก็ไม่ได้แผ่นนะตแต่แผ่เมตตานั้องแผ่ตอนที่เราเจอกันอย่างตอนเนี้ยเจอกันทักทายกันสวัสดีจ้าสบายดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้ความสุขกันและกันไม่ใช่เจอกันแล้วก็น่ามึ้งเติงนี้ไม่ได้แผ่นั่งสวดคนเดียวก็ไม่ได้แผ่การสวด น, นี่เป็นเหมือนการเปินการหัดหัดหัดวิธีแผ่สอนวิธีว่าเราจะแผ่เมตตายอย่างไร เช่นไม่จองเวรกันแล้วใครก็ทําให้เราโกรธต้ให้อภัยกันไม่เบียดเบียนกันทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เบียดเบียนกันไม่ไปทาไม่ไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของของของผู้อื่นแล้วก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นส่งของขวัญให้เขามันเกิดขาก็ส่งของขวัญให้เขาอย่างนี้ <Okay. S 1> นวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งสวดคนเดียวแล้วแผ่คนคนนี้ไม่ได้ <S <S> อาจารย์งง <Okay. S 1> นะคุณทําความเข้าใจหน่อยใ น, นบางคนชอบปฏิบัติธรรมเส็ต้องแผ่เมตตาหน่ยต้องต้องอุทิศบุญหน่อยไม่ได้หรอกของพอดีได้แต่เฉพาะถ้าเกิดไปทําบุญถวายสังฆทานแล้วใส่บาตรแล้วก็สามารถแบ่งไมได้สามารแบ่งได้นิดเดียวน้ำบุญที่เราอุทิศนี่เป็นเหมือนน้าที่เราติดอยู่ในแก้วเวลาเทน้ําออกหมดแน้ําก็ยังมีน้ำเหนื่อยอยู่ในแก้วนิดหน่อย มันคือปริมาณดุลที่เราทิ้ดไปชนใหญ่เป็นของเราทั้งนั้นน่ะงก็ใครทำก็ได้กับตัวเองใถ้าอยากจะให้ได้กับคนอื่นก็อยู่กับว่าเราปฏิบัติกับเขาในในเวลาที่เจอกันใช่นันะนการให้ความสุขความใจเมตตาถ้ารักษาสิ่8แต่ไม่ได้ก็อย่างนั้นก็ควรรักษาสิทธะต่อแล้วก็ยังนั่งสมาธิได้ ังอาจจะไม่ได้นั่งทั้งวันก็นั่งเท่าที่จะนั่งได้วันหลังๆก็ดีขึ้นค่ะ ว, วัน<ช>แรกๆ ก, ก, ก, ก็สั้นแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวง่ายแต่ว่าพอเข้าวันหลังๆเริ่มรู้สึกว่าร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้เมื่อยเท่าวันแรกๆ แ, แล้วแต่เรื่องของความนิ่งในแต่ละวันก็ไม่ค่อยเท่ากันวันหลังๆก็ดีกว่าวันแรกๆก็ใช่ ถ้าเราทำแล้วอยากหยุดอาจจะน้อยลงตามตามความจำเป็นแถ้าอย่าอย่าอย่าเลิกได้อย่างนี่เดี๋ยวจะกลับมาทำใหม่มันจะมันจะต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อสตาร์นแล้วก็อย่าไปปิดเครื่องพยายามรักษาเยนี้ยจะไม่ว่งก็ให้ให้เครื่องมันวิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะให้มันวิ่งจะได้ง่าย่ทุกท่าน โอเคนะท่านนี <okay. S 2> <last> ้นะเท่านี้แล้วค่ะสาธุเชิ์คุณประวิทย์จาก Dallas, t e ก a s สารบรรลการพระอาจารย์ครับก็วันนี้ได้ฟังหลายๆคำที่ว่าพระอาจารย์แนะนำสติเหมือนกับเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็เหมือนการปฏิบัติของเราว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเอาน้ำออกจากตู้เย็นมาแล้วมัน เราปฏิบัติดีแค่ไหนเราก็ตรวจเองได้อันนี้ผมขอบคุณมากเลยครับที่เป็นการแนะนำที่ดีมากสำหรับผู้ผู้ปฏิบัติใหม่ๆแบบผมเนี่ยครับ <S <S อันนี้มีมีข้อข้อถามข้อหนึ่งไอ้สัญญาณเนี่ยนะครับคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอากาศมันหนาวมากถึงห้าหกวันที่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเนี่ยไอ้สัญญาณตัวเนี้มันก็จะมาหน้าคื น, ค, นคืนนี้ถึงอีกอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์นี้ ที่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไฟดับได้ไอนน้สัญญาณคําเนี้ยคือความกลัวของเราหรือเปล่าครับก <c oughs> ็ใจเราไปได้เคยอดีตถึงถึงความทุกที่ได้มันมันก็มันก็มามาเตือนเรารอ๋ออีมีเหตุการณ์มันก็ต้นให้เราคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมานอ่นนไงไอ้สัญญาณนี้ถ้าเราเถ้าเราแบบเหมือนเราก็ไปแก้ไขคือโอ้อเราไปซื้อของเตรียมพร้อมไว้ว่าอันนี้อันนี้ก็คือความกลัวนี่ใช่ไหมครับไม่เรามันก็ การเตรียมพร้อมนี่ไม่หนักมากเรากลัวเราต้องเราต้องดูแาร่างกายครับถึงแม้เราจะไม่กลัวตายถึงแม้อาจะยินเยี่ร่างกายตายแต่เพราะมันยังอยู่แล้วก็มีหน้าที่ต้องดูแลรักษามันปป้องกันไปอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความกลัวแต่ก็เป็นเป็นสัญญาที่เราคอยเตรียมพร้อมเราว่าโอเคชีวิตนี้แม้จะเราไม่กลัวตายแต่ว่าเหมือนการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําดีแล้วแต่เรายัง เราก็ยังต้องหาอาจารย์ที่มาตรวจเราว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเปล่าอย่างนี้แบบที่ผมฟังจากพระอาจารย์หรือคําแนะนําต่างๆทุกวันนะแต่ว่าอยากรู้ตัวเองว่าเราปฏิบัติได้ดีแค่ไหนเนี่ยให้การตรวจสอบเนี่ยเราตรวจใจตัวเองเราได้แต่ว่ามันก็มีข้อเผลอออกมาเยอะนะครับแล้วเราจะแก้ไข ย, ยังไงครับก็บางทีก็ต้องมีอาจารย์คอยมาเช็คเราอีกท่นหนึ่ง เรามาเปรียบเทียบข้อมูลกันเราคิดว่าเราเราเราเป็นอย่างนี้แล้วเราไปถามอาจารย์เราเป็นอย่างนี้ถูกไหมบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเราเองก็ไดนะ้อ e v a l u เอ e ตัวเราสมหรือไปกับความจริงก็ได้ mm hmm. ประมาณประมาณตัวเราสมกับความเป็นจริงก็ได้บงทีเราก็เราไปไ ป, ไปถามครูบาอาจารย์นะประมาณมองตัวเราแบบนี้ถูกไหม mm hmm. แต่อาจารย์ก็มีข้อนึงครับวันอาทิตย์ที่อาจารย์อคุณหมอพูดมาเนี่ยบางบางครั้งมันข่าวเสียงมันจะหายไปครับอาจารย์เพอบางครั้งเรานั่งฟังแล้วมันเงียบมันคําตอบที่อาจารย์ตอบมาเนี่ยไม่ไม่ยินได้ครบครับสัญญาณไม่ดีก็ได้นําชั่วอืมครับครับเราพยายาเอ๊ะเปิดยังไงเอ๊ฟังแล้วอาจารย์ตอบอะไรไปมันหายไปลององกลับไปดูย้อนหลังใหม่นึงว่ามันมีประทาเนี่ยมันมันมันดูย้อนหลังได้ครับ๋อเคครับ ช่วงที่เด้อก็ฟังฟังแล้วมันเงียบเลยมันหายไปเลยก็พระจาย์ต่ออะไรนะหายฟังช่วงสัญญาณทางคุณอาจจะหายไปหรือสัญญาณทางเราอาจจะหายไปก็ได้อืมครับโอเคครับแล้วผมจะเปิดรีรีวันครับเขาคุณท่านไม่มีอะไรครับขอคุณท่านมากพระอาจารย์นัทธวดีเชิญนัทธวดีปราพระอาจารย์ค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะชัดเจนเลยอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่สมุดปราการค่ะค่ะเข้ามาแล้วนะใช่ใช่ค่ะเข้ามาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะค่ะก็ยังยังความรู้ยังน้อยค่ะยังไม่มีอะไรจะถามเลยค่ะพระอาจารย์ได้แต่ฟังที่พระอาจารย์สนทนาแล้วก็ตอบปัญหากับทุกๆคนก็ได้ความรู้มากเลยค่ะ ก็ อ, อยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์ทุกครั้งเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็จะยินดียินดีเสมอค่ ะ, คะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ ช, ช่วยชีย้ทางสว่างให้ดำเนินชีวิตได้ดีมากขึน้ น, นทุกนะทุคุณสุภาตาจาก Dallas ท e x a s เหมือนกันเชญกราบนมสัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้นวันนี้เตรียมเตรียมตัวเจ้าค่ะอย่างคุณประวิ์บอกที่มากําลังจะมาโยนายมาใช่ไหมเจ้าค่ะแบบเหมือนปีที่แล้วเจ้าค่ะเขาคงเขาคงจะเตรียมพร้อมคงไม่ไดับต้องไปคงไม่ไดับเจ้าค่ะหวังหวังว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่ก็เตรียมพร้อมเจ้าค่ะวันนี้เออคุณพ่อแล้วลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะแล้วว่า ลุมรู้สึกว่าเดินทางสายนี้ต้องอาศัยขันตีเยอะเยอะมากแล้วบางครั้งแบบเจอเหตุการณ์อะไรมันเข้ามาเจ้าค่ะมันก็จะแบบเหมือนเหมือนมันมาบอกแล้วว่าแบบว่าเลิกเธอทําไปก็ทําไปก็ไม่ทําไปก็ไม่ถึงทางอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับแบบมาพูดกับตัวเองเป็นระยะเจ้าค่ะให้ท้อเจ้าค่ะว่าแบบเลิกเธอแล้วทีมันสิพระเจ้าจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ทำใจรับรองรับประกันในหน้าปฏิบัติทางที่พระเจ้าสอนเออค่ะเราดูคำสอ น, นพระพุทธเจ้าไปเออค่ะพระพุทธเจ้ามากถ้าใครจเรจริญสติปัฏฐานสี่ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็เดปีลูกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมแบบเอ๊ะช่วงนี้ทําไมมันถึงมามันมันถึงมาพูดกับลูกเยอะมากเลยแล้วค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องเข้ามาแล้วลูกก็จะแบบ ไม่เป็นไรอดโทรอะไรเงี้ยเจ้าจค่ะแต่มันก็จะบอกโอ๊ยไม่ต้องหรอกเห็นไหมทําไปก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมทําไปก็ยังทุกข์อยู่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเจ้าจค่ะงั้นตอนนั้นไม่มีสันติแล้วต้แบบต้องนั่งฟนะุ้งซ่าต้องเล่เลือ น, นมสมาธิจามาแล้วต้องหยุดคาบเทปนี้เยบร้อค่ะต้องอรีบกลับไปเหมือนเดิมพอพร้อมเจ้าค่ะลูกก็เลยนั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะก็เมื่อวานก็เลยแบบนั่งสมาธิก็ก็แบบนั่งแล้วก็ พูดโทนั่งก็พุดโธก็ดีขึ้นเจ้าค่ะแต่อืหแบบเลยบอกโุ๊ยทําไมต้องแบบไม่ราบรื่นเลยเหมือนว่ามันจะเห็นทางแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเพราะสติเราขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่เราไม่โทษใครแตสติเรานะเพราะฉะนั้นโชคไหนสติดีมันก็ขึ้นพอโชคไหนสติไม่ดีก็ลงอ๋อฮันน่าอยู่ที่สติเราปรเดียวอ๋อ เจ้าค่ะถ้ามีอะไรเข้ามาแบบแล้วเรารู้สึกกระทบอย่างนี้แปลว่าให้รู้ไม่เลยว่าแล้วสติก็ให้ให้รีบดันจช่ไหเจ้ค่ะรีบดันสติกลับมาโอเคเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจั้ใจเจ้าค่ะขอบคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะต้องตอบฝืเองสติมาสติมาเจ้าค่ะขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะถึงสัอสึง อคนเกษรินนะเชิญต่อ ค, ค็ณเกษริจากนอร์ธแคโรไลนาไม่มีชาวต่างชาติเดียนยวๆการนมัสการค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมสิเฉยเจ้าค่ะมาเติมพลังค่ะเอ็น เ, เจียวสบายดีนะเอ็เจ้าสบายดีเจ้าค่ะอ อ, อ, อยู่คนเดียวตอนนี้ลูกไม่ได้มาลูกไม่ได้กลับบ้านก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็มีครอบครัวเจ้าค่ะอันนี้ลูกห้ามเขาไม่ได้ก็คือว่าเอา คติของของหลวงพ่อมาใช้ว่าเหมือนใบไม้เราไปสั่งห้ามหยุดไม่ได้ก็คือว่าต้องปล่อยเขาไปเ <ไป S 1> <ะ>จ้าค่ะได้แล้วครับนะอย่าไปทุบปากเขาถ้าเขามีความเสื่อมก็คนยจินดีครับเขาไปเจ้าค่ะสอนได้เท่าที่สอนได้เจ้าค่ะที่เหลือเป็นเรื่องตรรมของเขาเจ้าค่ะโอเคนี่เจ้าค่ะอย่าไปที่ทา่านตอบไปนะคุณพนัญดาเชิญพนัญดาอยู่ที่ไหนพนัญดาช่วยบอกหน่อย สวัสดีค่ะอยู่นนท บ, บุรีเจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมมำถามอะไรไห ม, มเสียงหายไปแล้เปิดบายหรือเป่ปิดไปอ่โอเคอปนนะดูได้นะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะนาัสกันกเจ้าค่ะคืออยากจะทราบว่าถ้าเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยคะ่ะจากเดิมเนี่ยเอ่อจะสวดมนต์นะนะคะ เริ่มจากการสวดมนต์ซะซัเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยจากนั้นก็ค่อยเริ่มมานั่งสมาธิทีนี้อยากทราบว่าในการปฏิบททัติธรรมถ้าเราเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยลำดับต่อไปเราควรจะปฏิบัติอย่างไรอะ่ะเจ้าคะ่ะความจริงเราต้องกลับมาก่อนที่นั่งสมาธิเราต้องฝึกสติก่อนต้องมันจเจริญสติให้มากมากก่อนช่วงที่เรายังไม่นั่งสมาธิเราต้องฝึกสติไปแล้ว ตั้งแต่เลืมตาขึ้นมาพอตื่นนอนปั๊บเนี่อย่าปล่อให้ใจคิดหยุดคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือบังครั้งให้มันเฝ้าดูว่าร่างกายเราลักทําอะไรอย่านี้อันนี้ต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วจะค่อยมานั่งสมาธิได้ถ้าไม่งั้นมันจะนั่งสมาธิใจมันจะลอยมันจะไม่สบุบจะไม่ได้ผลอืมเดี๋ยวถอยกลับมาก่อนย้นอนกลับมาจุดแรกก่อนจุดแรกก็คือจเจริญสติก่อน เราได้มานั่งสมาธิแล้วหลังจากที่เรานั่งสมาธิจิตนิ่งได้แล้วควบคุมจิตให้สงบได้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็ม า, าให้ศึกษาทางปัญญาศึกษาว่าทุกอย่างในเรื่องนี้ไม่เที่ยงเป็นโชคไม่ใช่ของเราหมายถึง<อ>ขณะ ท, <า>ที่เรากําลังนั่งสมาธิเราก็ควรจะคิดเรื่องที่ไม่ใช่ตอน<ๆ>ที่เราออกจากสมาธิก่อนให้คิดอืมตอนนั่งสมาธิไม่ให้คิดอะไรให้เนิ่งนา น, าน กานั่งสมาธิให้นิ่งนานๆถ้าเราเผลอคิดอะไรไปให้เราตามรู้ในสิ่งที่เราคิดนี่ถูกต้องไหมเจ้าคะใช่สติยมันอย่าตามรู้ใช้พุทโธพุทโธอยู่มันตามรู้ไปแต่ถ้าเราจับมันนิ่งถ้าตามรู้ไม่หยุดคิดมันต้องดันหยุดคิดมันต้องใช้พุทโธพุทโธอยู่คือดึงดึงความคิดเรากลับมาให้นิ่งให้ได้ให้ไดให้กลับมาที่ลมก็ได้ให้กลับมาที่พุทโธก็ได้ อืมถ้าเราปฏิบัติได้ได้นิ่งแล้วใจมันนิ่งปัญาจะกระทั่งมันทนไม่ไหวแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วค่อยมาเดินทางปัญญาต่อหรือเดินทางสติต่อเขาได้ทำใดทำหนึ่งก็ได้คําว่าเดินทางปัญญากับเดินทางสติเป็นอย่างไรเจ้าค่ะสติก็คือเหมือนตอนที่ตอนตอนบอกให้ต้องพุโทโธพุโทโธไปนึกข้าวหนูนั่ไปไม่้คิดอะไร เในต่างสติถ้าดันทางาาปัญญาออกมาก็แ่านสอนใจว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันไม่เที่ยมใช่ค่ะเช่นร่างกายเราไม่เที่ยมทรัพย์สมบัติเของเงินทองเราไม่เที่ยมคนที่เราอยู่ด้วยไม่เที่ยมไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำนมไฟยวก็ต้องเป็นการจากกันไปนี่ทำปัญญาให้บองอย่างนี้ใช่ค่ะ ก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดก็จะได้ไม่ทุกเวลาเกิดการพัดรากาศกันจะรู้สึเกเฉยเฉยเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะคือตอนเนี้ค่อนข้างจะบพอพอเราพอเราได้อ่านหนังสือนะคะแต่อ่านหนังสือนี้ไม่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแต่อ่านอ่านหนังสือประวัติของหลวงตามหาบัวค่ะพอดีมีเพื่อนเพื่อนกันนำมาให้อ่าน ก็อ่านแล้วก็มีโอกาสได้ไปได้ไปใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ทําให้รู้สึกตัวเองนิ่งขึ้นมองอะไรแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้พระอาจารย์พูดกับท่านใดจําชื่อไม่ได้บอกว่าเหมือนเหมือนเราให้นิ่งเฉยไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาดูเหมือนช่วงนี้จะค่อนข้างนิ่งนะคะเราจะให้มันแน่นกับทุกเรื่องให้ได้ อยังค่อนข้างนิ่งยังถือว่ายังไม่ดีพอต้องนิ่งตลอดเลยค่ะอันนี้อันนี้คือควรจะเป็นรักษาอารมณ์นั้นเอาไว้กับตัวให้ตลอ ด, ลอดใช่ไหมเจ้าค่ะนิ่งกับทุกอย่างใครด่าก็นิ่งใครชมก็นิ่งอืมใครตบหน้าก็นิ่งอืมค่ะตอนนี้คือต้องนั่งสมาธิต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะนั่งสมาธิกับฝึกสติ ฝึกสติให้จิต น, นิ่งถ้าจิต น, นิ่งแล้วนี่นี่เวลาอะไรมากระทบก็ก็ถ้ามันไม่นิ่งก็ใช้ปัญญาสอนให้ให้มันนิ่งกันได้บอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครจะตกก็กว่ามันตกไปร่างกายเป็นเหมือนคนใช้เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้อไปทุกข์กับร่างกายอย่างนี้ก็ได้ที่นี่เรียกว่าปัญญาค่นั่งสมาธิเมื่อครั้งล่าสุดนี้ก็ นั่งอยู่นานแล้วก็มีการปวดขาเน็บชาก็คิดว่าปล่อยไปเหมือนเหมือนได้ฟังมาว่าอย่าไปกังวลกับร่างกายเหมือนเราจิตเรารู้แต่ว่าปล่อยร่างกายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เวทุด้งกับร่างกายค่ะเหมือนกับเขาจะชาก็ชาไปวันนั้นก็คือมีความรู้สึกว่านั่งแล้วไม่รู้สึกถึงขาเลยเจ้าค่ะก็เลยก็ก็ปล่อยไปไม่ไม่ได้คิดอะไร ยังคงรักษารักษาจิตให้เราเฉยๆไว้ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วจิตเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับอะไรอืมเจ้าค่ะเข้าใจแล้วนะค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวจะลองไปทําเพิ่มเติมแล้วก็ควบคุมเรื่องสติพุทโธพุทโธอย่างที่พระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะโอเคไปที่ตั้งต่อไปลนะอขอบคุณเจ้าค่ะอคุณแม่เชิญมา เช้านี่มาใส่บานกลับไปทพมากับเทพว่าแบครับเพิ่งมาถึงตอนสองทุ่มสิครึ่งขับเลยเข้าสายนิดหนึ่งครับวันนี้ครับครับก็ครับดีครับวันนี้แวะไปที่วัดด้วยครับแต่ที่ขึ้นครับไปอยู่ตรงตรงที่เขามีกั้นนะครับตรงเขาชีโอปแต่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ขึ้นไปบนขันเขามีกั้นเรื่องโควิดนะครับก็ปิดเขาครับก็ให้ก็ให้ทํากติกาไป ครับก็ก็แต่ดูแล้วก็ก็ขอให้ให้ให้สติมันพร้อมก่อนก็เดี๋ยวจะไปครับอตอนนี้พื้นฐานให้ได้ก่อนครับใถ้ามีให้มีกําลังก่อนถ้าไม่มีกําลังไปเรื่อยๆก็อยู่ไม่ได้เนี่ยก็สลัดไปครับครับนี่ครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้ครับดีแล้วครับวัดวัดกับตัวเองพิจารณามันขึ้นมันลงก็ค่อยๆดูมันว่ามันมัน มันเพราะอะไรมันถึงไม่ดีค่อยๆปรับปรุงไปครับอถ้าเสพเราตัวเดียวับครับถ้าเสพแล้วทุ ก, กย อ, อย่างมันจะดีตามมาครับก็จะพยายามให้ให้ดีๆครับก็ปฏิบัติต่อเนื่องครับอย่างที่ป้าจันสอนไว้ครับโอเคสาวุครั บ, ค, รบคุณกิติพรใชกิติพอรอยู่ที่ไหนสวัสดีเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ มีอะไรไหมมีเจ้าค่ะรอบนี้หนูเข้ามาครั้งที่สอแล้วค่ะกับทีที่แล้วเข้ามาครั้งแรกสืบเนื่องคือหนูก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเออทำหมันมันไม่ได้บาปนะมันทําได้เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วทีนี้เพื่อนก็ถามกลับมาว่าแล้วถ้าเราทําการลุญยาฆาตเพราะเรา บ, บัดเมตตาไม่อยากให้สัตว์เขาต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างนี้เบ่าอย่างนี้เหรบ่า ฆ่าไม่ว่าจะเห็นด้วยเหตุผลวนไกใดบาทเท่านั้นฆ้าตัวตายฆ่าคนอื่นตายด้วยค ว, า, ย า, ว า, ยามเมตตาก็บาปเท่านั้นอืมเจ้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนเจ้าค่ะหนูมีอีกแล้วหนึ่งจะแจ้งแล้วค่ะคือหนูว่าได้เริ่มมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็สนใจด้านด้านด้านธรรมะเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงช่วงทันวาที่ผ่านมาค่ะ จากการฟังเทศของพระอาจารย์ธรรมะบนภูเขาธรรมบนเขาอะเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้รู้สึกรู้สึกเราเป็นคนใจเย็นขึ้นจากที่เมื่อก่อนเห็นอะไรก็แบบถ้าไม่ไม่ถูกใจปุ๊บก็จะเป็นคนที่ปีนง่ายมากบอกว่าโมโหเร็วมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นเรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็พยายามจะปฏิบัติแล้วก็ฝึกสติให้มากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์ที่ ทิทางสว่างให้เจ้าค่ะใช่สาธุพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วใจจะเย็นมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจะเป็นเหมือนน้่งแข็งเลยเจ้าค่ะอ่าอะไรมาแล้วเจก็จะไม่เหลือดนอนสบายใจนะใช่เจ้าค่ะเวลาใครใครพูดมาเรารู้สึกรู้สึกแบบไม่โอเคเราก็จะพยายามแบบนิ่งๆไว้หายใจลึกๆเจ้าค่ะเมื่อเขาเขาพูดอะไรเราห้ามเขาไม่ได้ป่อยเขาพูดไปเจ้าค่ะ โอเคเดิน okay. ไปที่ท่านต่อไปนะใบยกมาแล้วใบยกถึงเวลาหายไปร้านทีเนี่ยหไปร้านกันนวัตกรรมคะ่ะกับลูกกลับกรับยันแล้วก็ครับช่วงนี้ปรวมาณนานน้ น, นลาเลยช่วง น, นี้อิวโอเนกอยู่ครับ อ๋อยูเนตนะเออ<ต>ในตางชาเรียนนเสือจะสอบวันที่สิบสองเนี่ยครับโอเคตได้ต้องผ่านนันได้นะต้องได้เกรดดีนะทํายร้อยเปอร์เซ็นอะไรนีมหมผ่า น, น จ, ะจะผ่านเราจะไปประมาณตัวเราต่ำแต่แล้วต้องประมาณตัวสแล้วต้องได้ร้อยเอร์เซ็นนะใช่งไหม เดียววันที่สี่จะไปใช้บาตรทานันดาโอเคไม่มีคาถามเลยนะวันนี้มาเลาทางนันดาค่ะโอเคดีใจที่ได้เห็นหน้ า, น, านันดาเลยยมก็ดีใจมากค่ะไม่ได้ประกาศนัานาหลายสัปดาห์เลยนาสบายดีนะครับบายดีไม่เคยไม่สบายสบายตลอดเวลา <laughs> ไม่รจะไปทุกกับอะไรไม่มีอะไรจะทุกขเพราะไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีทรัพย์สมบัติแนั้นก็จะทุกกับอะไรนี่ค่ะคือหยมหยมแค่ได้มาชมบารมีดวงตาก็มีความสุขแล้วค่ะอ่าดีขอให้มีความสุขไปเรื่อยๆนะะ สาธุบายขอให้ใ ห, หลวงตาสุชาติมีอายุยืนยาวเลยหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะคะเ อ, อ่อสาธุจะขอให้เป็นอย่างนั้นนะสาธุค่ะคนุ่มที่า่าเชิญที่า่ากับน้กการะะจะขาอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีกำกลาเหมือนเดิมนะะโอเคคุณทศกรเชิญอยู่ที่ไหนคุณทศกรรู้สึกกลับมางรกสวัสดีครับ ผมเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์ได้ยผมนะครับได้ยินชัดเจนมีอะไรถามได้เลยผมอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำบังพระนะครับศิลาชา้างก็แฟนร่วมใส่บาตกับอาจารย์มาปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็มาวันที่สามสิบครับกับแฟนก็ผมเริ่มปฏิบัติคู่กับแฟนมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนกันประมาณทุกวันมากับหนึ่งเดือนแล้วนะครับ แรกครับแรกๆก็จับทางไม่ได้นะครับก็ก็จิดวาวุนหลังหลังก็คือเริ่มเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือตั้งแต่ตื่นมาก็พยายามนึกติ่พุทโธก่อนอะไรเนี่ยครับแล้วก็จนก่อนเข้า น, นอนพยายามพุทโธปิดท้ายทุกครั้งหรือว่าทุกครั้งที่ว่างนะครับ ผมพยายามควบคุมความคิดด้วยอยากปล่อยให้คิดเรื่อยตัครับผมมีคําถามถาเวลานัาเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายถ้ามีสติคอยคุมความคิดไปคือผมมีคำถามนี้ครับคือว่าถ้าเกิดฟือเออผมมีน้ําหนักตัวเยอะนะครับเออเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาธิมันมันก็จะเจ็บที่ก้นกบมากเลยอันนี้ผมก็จว่าเป็นเวทนาแต่ แต่เราจําเป็นที่จะต้องนั่งขัดสมาธิเพื่นหรือว่าเราสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ครับถ้าเบื้องต้นเรายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนไม่ได้แล้วต่อไปค่อยหานั่งขัดสมาธิถ้าสติเรามากขึ้นความรู้สึกเจ็บมันจะน้อยลงแล้วต่อไปอาจะนั่งขัดสมาธิได้ใ <Yeah. S 2> นตอนต้นจิตเรายังอุเบกขาหน้อยอยู่มันก็เลยรู้สึกเจ็บมาก แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิแล้วมีอุเบกขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นแล้วต่อไปความเจ็บทางร่างการมันจะรู้สึกน้อยลงไปมันเท่าเดิมแต่จิตเราไม่มีความรู้สึกกับมันการนั่งขัดสมาธินี่มันดีมันเป็นท่าที่ทําให้เรานั่งได้นานแต่ตอนนี้ผมก็ลองนั่งขัดสมาธิครับแต่มันมีแบบยกโจก บ, บ้างครับอาจารย์หรือเราไม่เป็นไรไม่เป็นไ ร, รไม่นาง แล้วนั่งสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปคำนวณการเรื่องของร่างกายให้มีสติอยู่กับลมได้อยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับนั่งองธาตุร่างกายต่อไปอนุญาตต่อนะครับอ่านที่จจไว้อ้าผมผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเราเราถึงจุดที่เราจะสามารถออกมาพิจารณาปัญญาได้แล้วน่ะจากการนั่งสมาธิตอนนั้นเราพิจุดชี้วัดไหมครับอาจารย์ จุดชีวัดก็คือใจเรานึ่งพอหรือปล่าที่จะพิจารณาสิ่งที่ปวามคติเราเมื่อก็ชอบพิจารณาเชนะ่นความตายเราพิจารณาได้หรือเปล่าหรืออสุภะความไม่สวยงามของร่างกายอาการ32ของร่างกายอันนี้เราพิจารณาได้หรือเปล่าใจจิตเราจะขยะักขยันคิดถึงความตายแลย้วมันก็สุดขอดุยก็แสดงว่าสมาธิเรายังมีกำลังไม่พอ ศึกษาที่ให้มีโมเดลขามากขึ้นไปก่อนครับนั้นอันนี้เป็นคําถามตอนนแรงจากอนุทินะครับก็คือผมผมค่อนข้างไม่ไม่รังเกียจความตายหรือว่าความเจ็จความปวดใดก็คือสามารถพิจารณาได้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่าการพิจารณาคื อ, อยังไงสมมติว่าสมมุติผมเดินปัญญาเนี่ยหมายความว่าผมคิดถึงว่ า, าชีวิตของเราเนาะเกิดมาเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยความคิดของเราเองอย่างเนี้เหรอครับด้สัญญาที่เราคิดที่มันคือเบื้องต้นก็เป็นแบบทําการบ้านไปก่อนเนี่ยทำสร้างไว้ก่อนว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเราจดจําไม่ลืมแล้วขั้นต่อไปก็เอาไปเข้าห้องสอบต่อไปไปพิสูดไปหาสถานที่ที่น่ากลัวที่อาจจะมีอันตรายต่อร่างกายของเราแล้วดูสิว่าเราปล่อยร่างกายได้ไหมเราเรื่องเรายีกนิด ติดว่าเป็นตัวเราของเรามีรูเป่าอันนี้เป็นเป็นการอีกขั้นนึงซึ่งขั้นนั้นอาจจะต้องมีสติมีสมาธิที่ค่อนข้างที่จะมากทําให้ใจเราเฉยๆได้เวลาเราไปอยู่ที่น่าป่วยหรือทดสบอบกับเรื่องของความเจ็บป่วยก็นั่งไปให้มันเจ็บก้อนเจ็บปวดไม่ต้องไปขยับมันดูซิว่าเราจะอยู่กับมันได้รึเปล่า<อ>นั่นเป็นขั้นขั้นทําข้อสอบ ขั้นเบื้องต้นเาทำการบ้านด้วยการนึกคิดไปก่อนแล้วพอเรารู้ว่าจะต้องเจอข้อสอบตอนนี้เราลองไปทำข้อสอบหนึ่งนะฮะของจริงดูต <Okay. Okay. S 1> ั้งใจครับ <Okay. S 1> ถ้ายังทำไม่ผ่านก็แสดงว่า ส, สมาธิเรายังมีกำลังไม่พอกลับมาทำสมาธิให้สงบให้จิตนิ่งนางนๆไปก่อนเราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ่อพิจารณาเืออะไรพรนอาารมข้าจมาชี้เน บางทีก็ไม่ได้เล่าอธิบายและให้ฟังวันนี้ก็มีโอกาสการจะเรีปัญญาที่เรามีสองระดับระดับแรกก็คือการทําการบ้านก่อนโดยการนึกคิดไปก่อนว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะต้องพัดภาจากกันจนกระทั่งเราจําได้ไม่เดิมแล้วขันต่อไปเราก็ต้องไปพิสูจน์ไปเข้าห้องสอบถ้าเป็นนากบวก็ต้องไปขึ้นบนเวทีโชกับคู่ต่อส่งคู่ต่อสู้ของเราก็คือความก็คือเิ์ของเราเนี่ย ความกลัวตายความอยากอยู่นี้มันก็เราก็ต้องไปความกลัวเจ็บความอยากหนีจากความเจ็บนี่มันคู้ต่อสู้เราต้องเอาชนะมันให้ได้ต้องไม่ให้มันหนีต้องไม่ให้มันกลัลกวความเจ็บต้องให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้มั okay, ัคครบโอเ่า มีใครอยากจะท้าได้เดี๋ยวพอใครจอนั้นมันมีตัวปัญหาเหบางกันคุณคุณหญิงค่ะคุณย้ณยอยหญิงจากเชีงยงใหม่ทางร้านเจ้าค่ะพระอาจารย์เชียงใหม่เจ้าค่าะเอของมานั้นะนะครทานได้ฟังแล้วเขาโพดครัวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีการตอบไปได้ยังตอบรับไปได้ยัทางร้านเขาโทรมาบอกค่ะว่ามีพระโทรมาค่ะโอเคนะค่ะคุณแม่มีคําถามเจ้าค่าอะอาเช่น นามสการกเจ้าค่ะพระาอาจารย์อโยมสวดบทธรรมจักรอะค่ะมันมีคำแปลตรงที่ว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองหมายถึงกฎไตรักษแล้วก็มีอาการสิบสองนี่คือตัวปฏิจจสมุปบาทถูกต้องหรือเปล่าคะที่โยมเข้าใจอันนี้เราก็ไม่รู้นะเกทาที่เราปฏิบัติมาเนี่ยก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นใจรักครับผม ที่ของหมยรว่าสิ่งต่างๆที่พิจารณานี้ไม่เที่ยงเช่นร่างกายเราไม่เที่ยงถ้าเราไปยืดไปติดมันเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยืดไม่ติดเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์ให้รู้แค่นี้ยเรื่องว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นดินนังมุขไฟมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีตัวตนมัเหมือนเป็นเหมือ น, นต้นไม้ต้นไหนที่ของ เจ้ค่ะนนมาสการเจ้าค่ะโอเคนะ่ขออภัยเรื่องเรื่องรายละเอียดทานทางปริยัติบางทีจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ต้องรู้รายละเอียดขนาดนั้นอ๋อเจ้าค่ะขอให้รู้แล้วเราให้เราปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กัมันได้ก็ใช่ได้เจ้าค่ะนันมาสการเข้าใจเลยนะรู้มาเบลลี่ชาบีเด้อยู่ที่ไหน กับนรัตการพระอาจารย์นะคะหนูอยู่ศรีราชาค่ะพระอาจารย์บ้านของปังวันไรเลยค่ะค่ะรายการนี้ติดกันนหมติดกันเลยค่ะพระอาจารย์ฝาบ้านติดกันเลยค่ะนี่ก็ติดกันเนี่ยอยู่บนจอจออะอยกันค่ะจริงๆหนูฟังบ่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็เกือบปีนะคะเราไม่ไม่ได้มีโอกาสเข้าซูมเลยเพราะว่า รู้สึกเก่งไม่ไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าพอดีเจอน้องฟังว่าอะไรก็เลยบอกอเดี๋ยวลองดูค่ะวันนี้ตั้งใจจะมากราムนะคะก mm hmm. จ็จริงๆต้องบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์พูดวันนี้พูดเรื่องเอ่อการที่เราจะปนบ้านนะคะซ้อมว่าถ้าเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเ ร, รืออะไรต่างๆแล้วก็ต้องขึ้นชก บอกว่ายังไม่ทันได้ทําการบ้านมากเลยค่ะกาลังจะชกวันอาทิตย์นี้นะคะพอดีเพิ่งเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วค่ะหมอก็แนะนําว่าให้ผ่าไปเลยซึ่ง เ, เ, เต้องบอกอาจารย์ว่าครั้งแรกเลยที่หนูฟังเรื่องนี้ด้วยความไม่ตั้งใจนะคะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนนะคะก็เอรู้สึกแย่มากนะคะแต่ว่าก็จริงๆบอกน้องฟังมาเลายเหมือนกันว่าหนูรู้สึก ดีใจนะคะที่เกือบปีที่ได้ฟังพระอาจารย์มาเรื่อยๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกดึงตัวเองกลับมาภายในสักสองวันได้มั้งคะพยายามมองว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงนะคะแล้วก็แต่แตก่ก็ยากเหมือนกันนะคะพอมาตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าอ้ออย่างนี้นี่เองนะคะก็ก็ใจค่ะผ่าอาจารย์ว่าเราจะเรียนรู้ <c oughs> <ล>มันให้ได้ค่ะ <c oughs> วิธี ท, ที่จะทำให้มัน ง, านง่ายก็คืออย่ามองจากเฉพาะตัวเรามองคนอื่นด้วย คนหนึ่งเขาก็เหมือนเราเลี้ยงเขาก็ต้องตายเหมือนเราเลี้ยงเขาก็ต้องเจ็บเหมือนเราเราไม่ได้เจ็บคนเดียวตายคนเดียวมีเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเจ็บเพื่อนตายเยอะแยะเลยมั้งใช่ค่ะค่ะเราจะแน่รู้สึกว่าเราไม่ถูกว่าเปลียบางที่ราิว่าเราจะเราจะเจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวไม่ใช่หรอกเจ็บด้วยกันทุกคนเป็นด้วยกันทุกคนเจ้าค่ะเจองค่ะแล้วก็ค่ะขอพระอาจารย์เชิญค่ะ ไม่เียนก็เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาเนี่ยพรเจ้าบอกว่าให้พิจารณาตัวเราให้พิจารณาตัวคนอื่นแล้วการพิจารณาทั้งตัวเราทั้งตัวครรมนว่างมันไปค่ะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายค่ ะ, ะพี่หลานนะตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นสพานบุญได้หนึ่งโอกาสทาบุญร่วมกันตลอดเลยค่ะพี่หลานอ่าดีคุณพระอาจารย์นะคะแล้วตอนนี้จะทําไงในยากในยากขึ้นเวทีแล้วก็ต้องรีบเช็ค้วก็ ใครมองมากนะครับพยายามจามใจให้สันองให้มองมากอย่าไปคินผูแต่งอืมค่ะค่ะค่ะอาจารย์พยายามตั้งใจค่ะตอนนี้ตั้ใจสงบแล้วใจจะไม่เครียดจะไม่วุ่วายนะเจค่ะค่ะก้าก้าก้ากาที่เป็นการว่าอะไรก้าว่าอะไรว่าอะไรเจินค่ะขอบคุณค่ะพิลี่ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะ เมื่อเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาหนูก็นึกถึงเรื่องของสังโยชน์สิบค่ะจะมีอยู่อ่าสังโยชน์เบื้องต่าอันนึงก็คือศิลปพัตตาปรมาตอันนี้มมนิ่งมินิงน่งวันนี้วันนี้เหมือนฟังรีลันก็ได้ก็ได้ยินอยู่นะคะแต่ว่าพอดีทำงานแล้วก็ฟังได้ไม่ไ ม, ไม่ครบทวนทางใจความมีนิ่งมันหมายถึงเรื่องของการรักษาศีลถูกต้องไหมเจ้าค่ะใช่คือ คนที่มีศีลรับพระธก็คือไม่เชื่อว่าการรักษาศีลนี่เป็นตัวที่ป้องกันความทุกข์ให้เราทําจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระธรรมบาสของเราเองอยังคิดว่าเวลาเราทุกข์ใจเราสามารถแก้ได้ด้วยการไปบวมบานทําพิธีกรรมอะไรต่างๆ ม, มีอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่อย่างเช่นหนูไป ไปวัดกับแม่กับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีที่เราต้องไหว้เทพเจา้าไหว้พญานาคอะไรเงี้ยคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อ น, นี้ไหมเจ้าคะเพิ่มเหมือนกันเพราะว่ากลัวกลัวโครคภัยไข้เจ็บกลัวเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราอะไรทำไรว่าแต่ความจริเหตุการณ์ไม่ดีทีเกิดขึ้นกับเราที่ท่านพูดก็คือหนึ่งเกิดจากบาปที่เราทํานี่แหละถ้าเราไม่ทําบาปเหตุการณ์ที่มันไม่ดีว่าไม่มีใครมาทํา ได้เหตุการณ์อีการหนึ่งที่มันทุกคนต้องเกิดขึ้นกับทุกคนก็เรื่องธรรมชาติเห็นพายุฝนตกแล้วโควิดอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ<ภ>าเป็นเรื่องของอนิจจัของธรรมชาติที่ไม่ว่าจะไปบ่นบ ว, ว, ว่าอะไรมันก็กันไม่ได้หรอกวอนนี้ในปัญญาก็จะเห็นว่าการไปทํำพิธีงบสงอะไรต่างๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาทําบาปดีกว่า ดังนั้ถ้าไปถ้าไปเที่ยวที่วัดกับที่บ้านนี้คือไม่ถ้าเราไม่ไหวก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราถูกไหมคะเออถ้าเราไปเราก็ต้องรู้จักมรารยาทอยู่น้องเด็กก็ต้องหล็กตาตาเพื่อจะไไม่มีปัญหาอแต่แต่เป็นกิริยาไม่ได้เป็นความความเชื่อความอะไรตามที่เขาเชื่อกันเ้าไหวเขาไหวาตามไม่ให้เสียมารยาทแค่นี้ค่ะส่วนสั่งยชศเบื้องบน เบื้องสูงนะคะที่พูดถึงเรื่องของความพึงใจในรูปรูปปัสสัญญาอันนี้คือมินนิ่งคือ fi, อะไรนะตั้งรูปอูปปัชฌานไม่ใช่รูปปัสสัญญาอ๋อรูปปัชานก่นที่ปฏิบัติระดับนี้จะได้รูปปัชฌานหรือรูปปัชฌานแล้วก็จะเมื่อก่อนใช้รูปปัชฌารูปปัชฌานในการละการการการมาตฐานนีพอละการมาตฐานไแล้วทีนี้ก็บบางทีการไป ใช้รูปประชารูปประชาก็ถือว่าติดแล้ว oh. ต้องเล่าใช้เวนโดขายแล้วคือเราใช้รูปประชารูปประชาเพื่อมากําจัดการม้าตานานี mm ้ hmm. เราก็มาติดลูปประชากติดยาที่เราใช้ซึ่งไม่มีควาำเจนจะต้องใช้ประมาณหนต่องตัวก็คือการใช้อุเบกขาวางเฉยก็คือใช้อุเบกขาด้วยปัญญาเทนไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้อุเบกไม่ใช้อุเบกขาด้วย เป็นการเข้าฌานเข้าใจแล้วค่ะก็สุดท้ายค่ะคําว่ามานะเจ้าค่ะว่าเหมอนอย่างมารนะก็ะนนกะจิตเรายังเป็นความ ร, รู้สึกอยู่ว่าเราเราเรายังเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเขาเป็นเราอยู่ก็ต้อง<ด>ใช้ปัญญาไ ป, เ, ปเราดีกว่าเขาเขาเดีกว่เราอะไรต่าึงมาเราต่างมารเราอันนี้ก็เป็นความคิดเท่านั้นเองยังเป็นเราคิดไปเองความจริงเราก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันทุกคน มันก็หยุดหยุดการคิดนี่เสียมันก็หยุดความคิดตอนนี้จะคิดว่าเราก็เป็นแต่เป็นผู้รู้เท่านั้นเองให้สักแต่ว่ารู้ไปเป็นไรดีไครก็เชื่อว่าไปเราไปคิดว่าเขาดีเราเชื่อก็รู้ว่าเขาเป็นแค่ตัวรู้กับร่างกายเป็นขันท่าไปแค่ัหนค่ะขอบคุณค่ะกระจังว่างเลยเจ้าค่ะขอบคุณค่ะโอเคใครต่อจอยมันเป็นจอยพัทยา กาวอาจารครับคือยงนอนกันหมดแล้เลยขอนอนกันแล้วค่ะเขาเรียนหนังสือกันไม่มีอะไรไ่ะคะยังังงานอยู่ยังขายออยู่ขายของทุกวันค่ะขาดีมขูอ่ไม่มีอะไรก็ผ่านไปก่อนมันเช้าที่ก็มาใส่บาทเลยค่ะขาทูค่ะอย่าไปใส่บาทโอเค มันไปที่คุณยึดตากมันยึดจปลาคุณยึดอยู่ที่ไหนคุณยึดปัดไม้หน่อยฮัลโหลการน้สกัดครับอยู่ที่ไหนอยู่บุกาหารครับบุการมีอะไรไหมอยากถามว่าสมาธิสังขารหมายพราะว่ายัางไงครับก็เพึ่งได้ยินเนี่ยแล้ว ส, สมาธิก็คือความตั้งมั่นความสงบเนียกว่าสมาธิ ส่วนสังขารก็คือร่างกายก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเด้ออีกอย่างนึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งนี่เราไม่เข้าใจว่าสมาธิสังขารมันมาอยู่ด้วยกั น, นได้ไหมได้ยินมันนี่เห็นลุงขุยันท่านเท่ครับนเน้อครับเนื่องจากคาว่าสังขารนี่อาจอาจจะเป็นคําว่าองค์สมาธิสังฆองสมาธิสังขารก็หมายถึงองค์ข อ, องสมาธิ ความปรุงแต่งในสมาธิหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่คือองค์สมาธิคือความสงบเนี่ยแล้วแล้วสมาธิสังขารก็ได้ครับเพราะถ้าปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นสมาธิไม่ได้ไปเลยครับสมาธิคือการไม่มีความความปรุงแต่งถ้ามันเป็นความปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่สมาธิครับแต่สังขารเนี่มันแปลได้หลายความหมายร่างกายเนี่ยมันเป็นสังขารได้ครับแต่อาจจะหมายถึงร่างกายของสมาธิ ของสมาธิก็ ค, <S <S คือความสงบครับมีอะไรไหมแล้วพรไตรปิดกนอกกับพระไตรปิดกในไหมเพราะว่าไงครับออนอกก็คือที่เราที่เขาใส่ไว้ในตู้ไงเพราะตนาปิฎกไทยก็ใจของเราเนี่ยพอเราบรรลุธรรมแล้วามัน ก, ก็จะมีธรรมะหลังไหลออกมาจากใจของเราครับพรไตรปิดกอันแรกก็มาจากใจของพระพุทธเจ้าไงใช่ไหม อ่าก็นะระตัะต้งพราไตรปิฎกนั่นก็คือใจของผู้ตัดส ร, รุปธรรมท่านพระพุทธเจ้าพระสาวกพระลันตาสาวกทั้งหลายครับแต่ใจพวกเราไม่มีก็ตายเป็นดกนะใจพวกเรา เ, เป็นตะกิเลตเป็นตู้ตู้สายกิเลสไม่ใช่ตู้สายพระไตรปิฎกครับครับกระจายยังครั บ, รบแล้วธรรมะสําหรับการคารวะผู้ยังไม่คลองเรือนมีอะไรบ้างหครับก็ทานสีนารรมะ ทำบุญทำทานเช่นเช้าใส่บานรักษาศีลห้าไม่ดื่มเหล้าซื่อสัตย์ตภรรยาอย่างนี้ผู้ที่ยังไม่คลองเรือนนะครับ อ, อ๋อก็นั่นแหละไม่ก็ผู้เขาหมายถึงผู้ออกจากเรือนนั่นแหละค น, นส่วนนั้นมีภันะครอบครัวนะครับก็เหมือนกันก็ยังถือเป็นผู้ครองเรือนอยู่นั้น ก, ก็ก็ไม่ไปตระพฤตผิดประเวณีไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปน่านกับคนนั้นคนนี้ ไม่เดือดรุราญามาไม่พูดปดนอยู่บ้านแทนอยู่บ้าน น, นั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไหว้พระสวดมนต์ไ ป, น, น, ไปนังสือธรรมะความเทศฟังมธรรมให้เกิดปัญญาครับนี่คือทางของผู้ผู้ผู้เป็นสอนนครับมีอะไรไหมพระอาจารย์ขอถลายนี่นะครับ การเห็นพระอภิชาโตพระอสิกับบุคคลเจ้าผู้เป็นอาจารย์ผู้ว่างจากเรีอนเกิดเรีอนเกิเรีนเอนจิตเรืนเอรนตายไดตลอดอดันตการเป็นมงคลสูงสุดนี่พานากาลิโกนี่พานังสังวตติสารภูครับโอเคสาธุอาจารย์ที่ก่อนนะครับสาธุ ค, ครับที่ท่านต่อไปคุณปรินดาจากโทรอนโตนะคุณปรินดามาไกลแคนาดาข้างใต้ใช่ไห เปิดไม่ไ ด, ได้เป็นอครรดากดเปิดไมเดะปิดดันแนผู้ได้เรานำพิธการค่ะอาจารย์ครั้งแรกค่ะที่เข้ามาค่ ะ, คะก็ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะก็คือตอนนี้จิตใจกาลังเลยค่ะว่าออออพอดออีทางโลกกับทางธรรมอะค่ะอาจารย์ บอกว่า เ, าเหมือนกับว่าพอดีทำร้านอาหารนะคะอาจารย์เวลาขายดีก็ก็ก็เหมือนจะว่าดีใจแต่ว่าพอขายไม่ดีก็เหมือนหดหูมันเหมือนคนเมาอะคะ่ะเดินหน้าถอยหลังอยากทราบว่าค่ะอาจารย์ว่าอยากจะกรับเรียนถามอาจารย์ว่าเาการประกอบอาชีพค้าขายเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าล า, าบากไหมคะมมันไ่เพรายว่าต้องไม่มีอะไรแน่นอน เมือนที่กขายดีเหมนี้ก็ขายไม่ดีต้องยอมรับสภาพเป็นเหนือนกับยิงพาดค่ ะ, คะก็ทําใจตรงนั้นค่ะแต่ว่าเ อ, อมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราขายดีอะ่ะเราก็เหมือนกับต้องใช้นโรสัตว์เยอะเหมือนกับว่าเราทําบาปทางอ้อมไหมคะถ้าเราไม่ได้ไปสัตย์ให้เขาฆ่าให้เราเราไปซื้อของที่ตายแล้วไม่ไม่บาปเป็นไปที่ซุ้อปลาหม่ามเขียนแล้วเราซื้อไก่ตายหมูตายยังไม่บา แต่เราอยากไปสออของพกนี้ยากไปสั่งพวกนี้เอาไก่สามตัวนี่ไม่ได้นี่บาสค่ะแต่ที่นี่ก็แบบว่าส่วนหน้าก็ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไม่ได้เด<ต>ยนทางไม่ต้งอง <ๆ S 2> ไม่บาสเขาค่ามาให้เราแล้วเราไม่ได้ไปส่วนในการค้าของเขาอ๋อค่ะเพราะว่าคือเกิดเกิดความทูกอ์อะค่ะว่าเวลาขายดีก็เหมือนใจมันพองแต่เวลาขายไม่ดีเราก็โหดหูเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ ก็นั่นแหละก็ต้องเป็นราคาดีก็ต้องเก็บใชไม่สลับวันที่ขายไม่ดีไงไม่ใช่พ อ, พอเงินมาเยอะก็ใช้ไป่หมดแล้วพอวันขายไม่ดีก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าอาานนะค่ะแล้วก็ อ, ก อ, อ, กอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์อยากกลับไปถามอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธินะค่ะเออขาเนี่ยขาขวาเนี่จะปวดมากค่ะปวดจน ช, ชาบางครั้งก็เหมือนกับว่า เออท่อนล่างนี่เป็นเป็นท่อนหินนะคะมันกระดุกกระดิกไม่ได้แต่ส่วนบนเนี่คือก็รู้สึกปกติอ่ะไม่ทราบว่าเป็นอาการของเกี่ยวกับร่างกายเราเองหรือเปล่าคะลูกเป็นปกติของคนนั่งสมาธิทุกคนเพราะเวลานั่งอนู่ใที่นานๆก็จะมีอาการชาบ่างแข็งบ้างเราอยา่าไปสนใจบันนะเรา ก, ก็นั่งสมาธิับ mm hmm. มีพุโทโธอยู่ในใจหรือดูนมต่อไปอยา่าไปสนใจมันไม่เป็นปัญหาแต่มัน คือกล่าวว่าพยายามจะให้มันสู้กับความเวทนาแต่ว่าทรมานมากแล้วก็พยายามจะอดทนอดกลั้นแต่มันก็แพ้อยู่ดีว่าเราไม่ใช้พุโทโธอนนั้นเราต้องพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเนือส่วนอีทปิโสไปหลายหายจบก็ได้แล้วเดี๋ยวความเจ็บมันจะห่างไกลจากใจเราไป อออก็คือสู้สู้มาตลอดแต่ก็แพ้ตลอดค่ะอาจารย์ไม่ได้สู้แบบนั่งเฉยๆต้องสู้แบบสวดนะสวดแบบดูเท่าไปค่ะต้องพุโทโธพุโทโธไปให้มีขาดใจตาไปกับพุโทโธนะอย่าไปสนใจกับความเจ็บนะถ้านั่งเฉยๆสู้สู้มาไม่ได้ต้องเป็นพุโทโธแล้วในการสวดไปเรื่อยๆลองทําดูเลยน ะ, ะแต่ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ อที่ทอรนโตเอคะค่ะอยูที่ทรนโตค่ะอันนี้เขามีอาาหนาว่ะค่ะก็หิมะเยอะมากค่ะจย์ก็ค่ะคพยายามฝึสติพยายามท่องุ่นทัวพยายามหลับวนวนซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าจะความเจ็บก็จะได้สวดไปได้เลยเท่องุ่นทัวไปได้เลยนะอย่านั่งเฉยเฉยอนั่งไปดูอย่าไปดูมันยิ่งดูมันมันยิ่งเจ็บหน่ย โด้คนค่ะพระตาลาพรจากสเปนอย่นี้ต่างชาติเยอะต่างประเทศเยอะกับนักการขราวเหียวกับนมันจารเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาลูกศิลปแปดเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันหลวงพ่อเจ้าขาอ่าทานมื้อเดียวเจ้าค่ะวันนี้ก็เลย สัน่นนะเจ้าค่ะพอตอนวันนี้นั่งสมาธิถึงน่าจะประมาณสักสิบเอ็ดโมงเชา้าเจ้ค่ะเรารู้สึกสั่นเจาค่ะรู้สึกเหมือนเหมือนคือตอนเช้าดื่มแต่น้ำส้มั้นเป็นหนึ่งแก้วแล้วก็ชาหนึ่งแก้วแล้วพอตอัดเศษโมงแล้วรู้สึกแบบสั่นขึ้นมาก็จริงๆแล้วมันไม่หิวไม่ไม่ไม่ได้หิวอาหารแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายสั่นก็เลยก็เลยออกจากสมาธิแล้วก็มารีบมาลีบทานอาหารเจา้าค่ะหลวงพ่อ วันนี้ก็เลยก็เลยอยู่บ้านรู้สึกแบบว่าบอกสา ม, มีว่าช่วยไปรับล <l> ีโ <io> อให้หน่อยเจ้าค่รู้สึกตัวเองสัน่นๆใจสันส่นๆเจ้าค่ะสั่นพ่อที่เหลือทั้งหมสันส่นพ่อที่เลือน่สั่นด้วยอืมสงสัยจะอาหารจะแค่มือเดียวจา้าค่ะแล้วตอนแลน้วตอนสิบพอสิเอ็ดโมงก็ลูกกทานแต่สลัดนิดนึงเพราะว่าพอทานสลัดแล้วก็พอมันแบบเหมือนจะ หลวงพ่อพ่อหลวงพ่อเทพว่าไม่ให้อิ่มมากให้แค่รู้สึกว่าว่าพอจะอิ่มแล้วให้หยุดแล้วลูกก็แบบก็ดูกิเลสตัวเองอะ่ะมันก็อยากจะทานต่อเพราะว่ามันก็ยังแบบยังไม่อิ่มพอดีแต่ว่าลูกก็หยุดมันก็แค่นั้นก็คือสลักมีอะโวคาโดแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีมีผักนิดนึงค่ะอาจจะอาหารนิดเป็นไปหน่อยกันเลยก็เลยใสย่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากก็มองอาหารแล้วก็พิจารณาเจ้าค่ะ <c ười> คือการที่อยู่ที่บ้านมันรู้สึกมันยากนะสกายเพราะว่าอาหารมันเยอะเต็มไปหมดแต่ว่าลูกก็พิจารณาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สนใจมันก็พิจารณาว่าเนี่ย จ, จ, จะเจ้าค่ะเพราะว่าทําไมหลวงพ่อยังฉันได้มื้อเดียวสั่งสอนลูกหลานเหนื่อยแล้วทําไมเราเนี่ยอหลวงพ่อท่านเหนื่อยเราก็า เ, ห เ, า เ, เหนื่อยมากนะทําไมเราทําไม่ได้แค่นี้เจ้คาค่ะก็บอกกับตัวเองเจ้วชอบพาลหลวงพ่อก็ เราทําได้ใช่ค่ะท้งฝึกอุเลขายเยอะๆให้ฝึกสมาธิสติเยอะๆแลวเวลาร่างกายห็นจะไม่เดือดร้อนมันเหมือ น, น, นทุกขเวทนา Free อย่างหนึ่นงจัง ะ, ะครับอ่าโนาครับอ่เรียบ<ว>้อ่าีะไรอ่ก็ตอนนี้เหมือนกาลังเรียนขับรถอยู่ใช่ไหมครับทฤัน <net S 1> ครับแล้วก็ เอมเหมือนพอมน่าเบื่อมากเนี่ยเราก็โฟกัสมันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เหมือนมันมันแตกต่างกับที่เราเรียนวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนมันแตกต่างกันมากกับเรียนทีอรี่ในการขับรถเลยครับแล้วมันก็รู้สึกเหมือนน่าเบื่อมากเราก็ไม่ไม่สามารถโฟกัสมันได้เราเร า, เราจะยังไงให้เราเหมืนโฟกัสประสิทธิ์บ้างเือไก็ต้องพยายามอ่านอ่านให้เข้าใจว่าเราต้องทําอะไรบ้างก่อ ที น, นี้เราก็ลองไปนั่นแล้วก็เราขยับเกียร์ขยับอะไรโดยที่ยังไม่ต้องติดเครื่องเหมือน่อนซ้อมไหก่อนเนาะออมันอยู่ในหนังสือหมดเลยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทำไม่ใช่เป็นการทุกอามันเป็นหนังสือหมดเลยมันถึงทำแบบก็เลยอ่านแล้วไม่เข้าใจท่มันไไม่ใช่แบบ t like you find boring so you don't want to do it so you can't focus on it like วอันนี้การต้องพิว่ า, <focus S 1> วา เป็นเป็นสิ่งที่ยังเป็นที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าต่อไปเราไปไหนมาไหนเราจะได้ขับรถไปได้ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้แเราก็จะทําอะไรไม่ได้เพราะหาเห็นผลถ้ามันเกิดอินสปเรชันขึ้นมาก็ได้ไหม iration, หอินสปเรชันบอกถ้าอยู่ไม่ได้แล้วคุณยจะทําอะไรล่ะถ้าคุณขับรถไม่เป็นแล้วคุณจะไปไหนมาไหนได้ยังไงเราดูผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการเรียน มันก็จะทําให้เกิดมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปนกลับรถได้จะไปไหนก็ไปได้นะอยากจะไปนน่นมานี่ก็ขับรถไปได้อ้าไม่ขับรนไม่เป็นแล้วก็ต้องเดินไปถ้าต้องน้อยคนอดียก็พาหลไปครับต้องหาเหตุผลที่มาจูงใจให้ลำความอยากอยากจะเรียนให้มีฉันทะเนี่ยธรรมะถ้ามีอยู่สี่ก็ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าใครมี ทำสีข้อนี้แล้วสามารถทำาะไรได้สำเร็จ ห, หมดฉันท้าก็ต้องมีความยินดียินดีที่จะเรียนวิธีขับรถนี่จะทำไงให้เรามีความยินดีก็ต้องเห็นเห็นผลที่ว่าการขับรถเป็นกับคนขับรถไม่เป็นอย่างไรจะดีกว่ากันนะรถเป็นนี้ก็สบายอยากจะขับไปไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องมารอคนนั้นคนนี้ให้เขาขับให้เรา ให้คิดถึงเหตุผลที่เราจะได้เห็นที่คิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเรียนพอเราเห็นว่าโอ้นอนขับรถเป็นแล้ ว, ลลวต่อไปเราสบายไม่ต้องพุงพาใช้ก็เลยมันไรียนทำให้เราเกิดอินสปิเรชันขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเรียนขึ้ น, นมาเรามีความอยากแล้วพลังขยันนั้นก็มาขยันเรียนแล้วก็ใจก็จะจดจ่ออยู่กับการเรียนแล้วกคิดแต่เรื่องเรียนเรื่องขับรถแล้วก็ทําได้ หรว่าสามารถจิ้มจบได้กร้จัยไหมกระจายครับครับคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อขอบคุณเจ้าค่ะของพ่จายแสงแรงค่ะเ้าเลยไปหน่อยได้ในห้าสิบสามนาทีภเกขดตตามิกขิสุรพัณ์สุรพันธ์นะสุรันธ์มีที่ไหนภเกิตใช่ อ๋อนามัสการครับอาจารย์ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เดียวกันนะยังไม่เห็นหน้าอาจารย์เช่ครับมีคำถามอะไรไหมวิที่ไหนอ่พูดได้ไหมได้ ย, ยินเสียงไหมอ่ากดกดใหม่กดอันมิ้วใหม่ครับโหล ฮัลโหลได้ยินนะเชื่อพูดได้เลยกดอันมิวใหม่คร yes, ับ uh, อ okay. ันมิวโอเคเคยเคยไปก่าวพระอาจารย์หลายหลายท่านที่ปีหลายปีแล้วฮะที่ผ่านมาก็นำรักจารอีกรอบนะอยู่จังหวัดน่านครบอาจารย์จังหวัดน่านมีคำถามไหมก็ไม่มีคำถามฮะ เห็นแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติทำฟังฟังอาจารย์ช่วงช่วงหลายปีก็ฟังบ่อยหน่อยแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ฟังแต่ก็นํานํามาปฏิบัติฮะอันนี้ขอรีบไปหน่อยนะเกือบจะสามชั่วโมงนะครับน้ำมสการนะครับไปที่คุณสมชายต่อคุณสมชายใช่อันนี้ต้องเร็วหน่อยนะใกล้เวลานะอ๋อสวัสดีครับอ ได้ยินเสียงผมนะครับได้ยินชัดเจนดีครับผมผมอ่อ่ผมเคยเห็นสองครั้งสมครั้งคยท่านงนี้ว่าจาักจะอ่าเข้ามากราบท่านหน่อยครับผมอยู่ที่อ่ารัฐเพนซิลเวเนียครับอ่ครั บ, อ, อ, รบอยู่รัฐเพนซิลเวเนียผมมาอยู่ที่อเมริกาก็ตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดปีครับอืมก็ทำงานแล้วก็เรียนมาเรื่อยจน ก็ก็ได้จินท่านแล้วก็ไปวัดไปเรื่อยๆครับ๋ย่นี้ผมก็เลยสนใจครับว่าจะเข้ามากับท่านได้ยังไงก็ถ้ามีคำถามก็มีเยอะอยู่ครับเรื่อง basic basic how to get the better life that's all how to get t better life How to, to happier. Happier. how to be happy? How to be happy? Yes, and then how to how to not like a lot of people said get mad, like get, get angry, send u uh, you know, like, like that. w n e d o p r a t i c e a c c o r d i n o what Jesus taught, three s t <Okay>. e The f i s <laughs> t s e t a u g s to give alms, t i v o n y to o t n o p l w in e d are in t o w h i a t w i ให้ช่วยเหลื อ, อนคนอื่นข้อสองให้เรารักษาศีลอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์ของมฟุ่ือยอย่าไปาพูดผิดออกอภัยนิ่อย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปดื่มของมึนเมาแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้ อ, อสาก็คือให้นํามาฝึกนั่งสมาธินั่งจใจสงบ โดยการสวดมนต์ก่อนก็ได้หรือด้วยการนั่งดูลมห า, ายใจเข้าออกอท่านอยู่อยู่ที่ในกรุงเทพหรือยอยู่ที่ต่งางจังหวัดอยู่ใกล้ๆกล้พัทยาชลบุรีน ะ, ะ, ะครับเข้ามาได้ทุกทุกคืนวันวันพุธถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เคยมาลัคาางคาเมื่อคืนนี้เป็นภาษาอังกฤษเวลาเดียวกันสองทุนสองทุ่มทีมนังไทย ถ้าอยากจะฟังภาษาจิตก็เข้ามาทางมานาคาร์เมื่อคืนนี้ภาษาไทยนี่แหละครับมีอะไรไหมเข้าใจไหมเข้าเข้าใจครับเข้าใจก็จะติดตามอีกทีครับอันนีก่อนนะครับ I will follow them นะ thank you very much สักสักคนเล็กชายเล็กครับอารามัตการครับหลวงพ่อ <N> เออเออตอนนั่งสมาธิแล้วแบบพิจารพอนั่งเสร็จก็จิตก็สงบเงย็นแล้วพิจารณาว่าพิจารณาที่จิตว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมามันแบบไม่ได้พิจารณาว่าผุดไหมมันผุดขึ้นมาเองว่าชีวิตก็ไม่ใช่ของเราเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือผิดยังไงประการใดครับหลวงพ่อแล้วก็ลองถามตัวเราเองเลแล้วต้องตอบแล้วก็มาหอกมาจากเราแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องตอบมันะจริงไม่จริงอ่ะ มีอะไรของเราบ้างคำถามต้วเองอารางการที่มีของเราบ่ะง <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราคอตอบให้คุณก็ไม่มีปัญญาทุกครั้งก็มีคําถามมัน า, มาถามเราเรื่อยๆคิดเองเมื่อเรื่อของมันคิดเองได้ถึงจะได้ปัญญาถ้าเราตอบไปก็เป็นสัญญามันไม่ได้ออกมาจากาาความผิดของคุณทางปัญญานี้ต้องคิดอเองต้องนะมีคําถาม หาคำถามเองก็หาคําตอบเองอย่างนี้ันเป็นปัญญาครูบาอาจารย์สอนแนวคิดให้นะให้คิดไปในะทางตายรักคําตอบอยู่ที่ตายรักเท่านั้นถามเที่ยงไม่เที่ยงตัวเป็นของเราหัือไ ม, ไมใช่ของเราดันี้นก็ได้คําตอบนะจริงไหมจริงครับเหมืนอนะมันจิตมื่ก็แล้วก็วันเมื่อวันก่อนก็ครบรอบ หลวงตาสิบเอ็ดปีพอดีก็ก็เห็นโอ้โหบุญขนาดท่านมรณภาพไปนานแล้วอะไรลูกศิษย์ลูกหายังไปทําบุญที่วัดท่านมหาสารก็บุญคุณความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะทาให้แบบเราจะได้ทำเห็นบุญคุณที่ท่านทําต่อเราเราก็อยากอยากอยากทำดีต่อไปอย่างนี้ถูกต้อ ง, องใช่ไหมครับหลวงพ่ออย่างว่าแต่หลวงตาหลวงพ่อพุทเจ้านี่เย่เงงเางนี้เขาทำบุญขอบพุทเจ้าอยู่ทุกวันสองวันหน้า้อยหนึ่ปีมาเนีครับก็ แค่นี้ครับผมขอบคุณมาก <Okay, S 1> ครับหลวงพ่อคนมาตามได้ใจเบามามได้จริงเบ า, เ, บาเป็นยังไงอะไากอหลายอาทิตย์มามการรักษารเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีเจ้าค่ะปีนี้เพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมมากมการรัชการเจ้าค่ะโอเคยังวางได้อยู่ได้ยังวางอยู่ได้ว า, างได้เจ้าค่ะแต่ว่าศีลแปดนี่คือเอ้ตรงที่หัวข้อรักษาภูมิอาจารย์นะคะพระอาจารย์โยม ยังเป็นภรรยาอยู่ไงเจ้าค่ะมันล<ท>ำบานก็ทํ า, <ภ>าท ห, หน้าทกเจ้าค่ะตอนนี้โยงก็พยายามเดี๋ยวเก็บเงินแล้วก็บ้านปลายเจ้าค่ะเจะเจ้าค่ะรอหมดภาระอีกสักหน่อยนึงเจ้าค่ะขอขอราขอรอมัอหยุดมันได้แม้วันส unday ได้ไหม <c oughs> มันสินแป่มันก็ได้เรื่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคือมันลำบากใจเจ้าค่ะมันไม่ได้ มันไม่มีอารมณ์แบบนั้นอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาก็บอกต้องมีบ้างแหละมันไม่มีมันแบบเหมือนกับเป็นเป็นโซฟีนีไปก็ได้โซฟีนีก็ไมรู้ทำไ่น่าที่จะทำอะไรไปเลยนด้เจ้าค่ะเจ้าค่ะลดเสยเสียสร้างกันหน่อยก็ได้ถ้าเขาอยากมีอารมณ์ก็ลองคิดการคิดการหน่อยก็ได้อะไรขค่เ ได้เราอยู่ด้วยกันได้เราจะได้แฮปปี้เจ้าค่ะเ้าค่ะภายจ้าเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปอยู่วัดยาวๆอย่างเนี้เจ้าค่ะเราควรจะมีปัจจัยบ้างนิดหน่อยไหมเจ้าค่ะหรือว่าก็แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเราพลังจิตเนี่ถ้าจะไปนั่งเลยคือไปอยู่วัดนแบบเป็นขอทานไปเลยเขาจะใหกินอะไรก็กินเขาจะให้อยู่อยู่เราเราต้องการแต่ปฏิบัติอย่างเดียว แล้วต่อไปอ ค, คนี็รู้จักเราเขาก็จะมาทำบุญกับเราเองแม่ชีบางคนก็ดีไม่ดีก็ไปตั้งสํานักตัวเองได้เจ้าค่ะนี่มันมันอยู่ที่ธรรมะของเรามากกว่าถามมา้าธรรมะไม่มีมันก็มันก็ไม่มีใครศรัทธาในตัวเราถามมา้าธรรมะเขามัจะศรัทธาเราเราถ้าจะไม่ทำมีเงินเลยเจ้าค่ะ ยมกลัวจะไปเป็นภาระไม่เป็นครับไม่ได้เป็นภาระเพราะว่าพระอจาก็ไม่ได้ไปหาพิเศษให้กับเราก็หาตามมีตักเกิดหาบินยบาทจนได้ทกว่ามันก็มีเหลือกินแล้วกินก็ถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่นางเกลิอาหารที่เหลือกินก็ก็อยู่ได้นะคะแต่จริงโยมอ่ะคือกินก็ได้ไม่กินก็ได้กินอะไรก็ได้ก็ได้ก็อยู่ได้อันนก็ไม่ต้องมีกันมากค ไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญทาทานถ้าเราปฏิบัติแล้วถือว่าเราเปลี่ยนเป็นระดับแนละ้วระดับภาวนาแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญทาทานเนะจ้ววันนี้ตัง้งตัวเหมนพระพระท่านก็ไม่ได้ทำบุญทำทานเลยบ้าบวชนะให้เรามีแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวศึกษากับปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเจ้าค่ะจริงโยว่าเรื่องกินเรื่องอะไรนอน ปมันไม่ค่อยสันโดดยินดีตามทีตามเกิดเจ้าค่ะตายอ่นะเาค่ะค่ะยกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อคสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณปุ้ยพรสีรักเมอที่มาด้วยชาวต่างชาติเยอะต่างประเทศเยอะพิกรรมน้มาสการกับพระอาจารย์คุณปุ้ยพรสีกับรักเสมอค่ะอ่า่ามามีอะไรบ้า ไม่มีอะไรค่ะกับเข้ า, ามา ส, สวัสดีวันสุดจีนค่ะขอพรวันสุดจีนค่ะเซนเจ ย, ย์ยูเอสเซนต์ดิควาชัยเงินขอให้ยุบแห้งขอให้ยนะุบแห้งก็แล้วจะมารายงานตัวด้วยว่าปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกวัน <S <S <ม>แต่แบบเออช่วงนี้เป็นไร <S <S 2> <S 2> ไม่ทราบเพราะเวลาถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิมันนั่งไ่ได้แต่ว่า พ อ, อเวลานั่งเสร็จแล้วจะสวดมนต์ต่อแล้วมันแบบสลบไปเลยอะแบบมันเหมือนกับมีอะไรมากดเราให้เราแบบแหลกไงอีเล่นอีเล่อีเล่นมันมากด <c oughs> ถ้าดูน้ำถ้าให้ดูน้งตอนี่ไม่มีอะไรมากดโดูได้ตาตาสว่างเลยแต่ว่านั่งสมาธิหลับเลย โยมก็เลยขอขอบารมีขององค์สุนทรีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ช่วยเหลือว่าอย่าให้โยมขี้เกียจอย่าให้โยมต้องมีกิเลสรือตัวอะไรมาขัดขวางเวลาที่โยมจะปฏิบัติธรรมเพราะโยมตั้งอดีตประธานว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโยมจะต้องทำให้ได้ยี่สิบชั่วโมงคือเข้าไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างเนี้ยเราได้ป่ะทได้ป่ะปกติแล้วทาได้ค่ะ คือเริ่ม <ไป S 2> เข้าไปจากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโยมก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะท่านนี้ก่อนน ะ, ะวัน า, นน า, นาอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะาสาธุจ่าที่นี้โอ้จีมาตกแล้วอะพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณคุดเบียรนุชอยู่ป่าวขอบพระคุณค่ะเบียร์นุชอยู่ปล่าเห็นเปิดกล้องไห้แต่ตัวไม่เห นะครับผมอ่านอ่านทุวันนี่นะย้นไปที่เสกเฟนรุ่นนหมดแล้วมันออปมาแล้วเป็นรถเชิปัดม้ก่อนไมอยู่ที่ไหนอันไม่ับอันม่ากระผรบพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามานมากแล้วค่ะยุ่นนะคะอ่อยื่นยุ่นค่ะ ่อ่านอะไรเมื่ อ, อช่วงตอนแรกอค่ะมีพี่คนหนึ่งที่พี่เขาถามว่ามงคลสามสิบแปดนะคะข้อที่สามสิบสี่ที่บอกว่านิพพานเอ่อมถึงบ้านใช่ไหมคะมสร้างบ้านให้เสร็จนั่บ้านเนสร้างบ้านเรินใจนิพพานที่เป็นเรือนใจไป่นี่อยู่ของใจ ก็คือเปรียบเสมือนนิพพานก็คือบ้านที่แท้จริงใช่บ้านที่แท้จริงที่แม่มีวันเสด็จแม่เป็นท่านอาจารยทุกครั้งนะจ๊คือแล้วคืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มีหลายเดือนมาแล้วค่ะคือคิดหนูคิดว่าหนูว่าสังขารฟุ้งมันคือคิดคิดเตเองนะคะคือมันมีคําพูดผุดขึ้นมาในหัวว่า พาจิตกลับบ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจิตตอนนั้นน่ะมันเศร้าเราก็เอ๊ะทําไมถึงมีประโยคนี้ขึ้นมา mm hmm. เราแต่ก็รู้ก็ทําความรู้ไปว่า อ, อ๋อตอนนี้จิตเราเป็นยังไง mm hmm. ก็เลยไปนั่งสมาธิก็เลยไปนั่งสมาธิแล้วมันก็หายหายเศร้านี่เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ เราจะพาจิตกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านยังไงนิพพานาหนูก็หมายถึงหนูก็จริงๆแล้วหนูก็ไม่กล้าคิดคำว่นนานิพพานแต่แต่ว่าพอผมคิดว่าเอ๊ะข้าจะพาจิตกลับบ้านพากลับกับนิพพานเนี่ยเรามาจากตรงนั้นหรอเราจะพากลับไปทําไมลนะ่ะทําไมถึงต้องพากลับนิพพานเพราะนิพพานเป็นที่อยู่ของจิตที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เรก็ทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็จะได้อยู่ในนิพพานได้ แล้วทำไมจิตถึงบอกเราว่าให้พาจิตกลับบ้านเราเ็นก็นเปนเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองความหมายก็คือเราต้องทําจิตให้เราบริสุทธิ์เมื่อจิตเราบริสุทธิ์มันก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาคื อ, ค, อคือหนูไป ไ, ไปไม่ต้องพาไปไปไม่ต้องพามไปเราอยู่บ้านแล้วแต่บ้านเราตอนนี้มันไม่เป็นนิพพานมันเป็นมันเป็นวัตตะเป็นว่ า, นว า, ายตายเกิดเป็นบ้านที่พาเราเป็นเป็นว่ายตายเกิด อนี่นเราปฏิบัติชนระจิตให้ชาโดยสุดแล้วบ้านาที่เป็นนักตะก็ยัการเปนที่ผ่านไปค่ะงั้นไม่ต้องกังวลมากคิดไปก็ปวดหัวให้พยายาม ล, าโละโลภโกรธลงให้ได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปค่ะพยายามอยู่ค่ะเอาอย่างยี่สิบ่าทนะค่ะก็ <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะ ขอไปที่ท่านต่อไปมินจีบนะบินจีบวันสุดท้ายนั้นเนี่ยฮเห็นเข้ามาต้องนานแล้วเนี่ยเหย้ายไปย้ายมาอเนี่ยก็เข้าห้าองก่อนพอดีว่าพอดีว่าไปประชุมนิดนึงนะคะแล้วก็เลยกลับมาไปไปมาเดี๋ยวยมจะมยออ้อนฟังแล้อนหนังนะเจ้าคะ่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเมื่อวานก็มีสติหลุดไปบ้านกับสิ่งที่เข้ามากระทบก็ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะเรีกันกลับมาได้่ะคะก็ พยายามเห็นผลของการมีสติกับการไม่มีสติมเป็นยังไงค่ะมันหลุดมันหลุดไปเลยเราคุยเรามาเสียใจทีหลังอะไรเนี่ยค่ะพูดพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นลูกแต่เราก็ไม่ควรจะพูดกับลูกแบบนี้อะไรก็พยายามนมาดูดีมาขอโทษลูกที่หลังใช่ค่ะโยมก็มาขอโทษลูกทอกเออแม่ คู like the, so ่พูไปอะไรเงี N ้ยแม่จะต้องจัดการกับอารมณ์แม่ให right. ้ด okay. ีกว่านี้แหลนะคะแล้วไม่มีอะไรจะพยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ขแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ของจีนนะคะอันนี้คนขยันทานพี่ว่าหายไปไหนเจอปะอ๋อเช้าอนายควันเขาใช่คำเมื่อวานเห็นบอกว่ายุ่งมากๆขนาดยมโทรไปตอนสามทุ่มแล้วเขาไม่ได้ตอเขาก็เทคบอกว่าเขายุ่งค่ะโอเคโอเคตอนนี้เปการทาน เนเวลาของเฟซบุ๊กแล้มันีคำถามทีคำถามเฟซบุ๊มีทั้งหมดสิบสี่คำถามเจ้าค่ะใช่คำถามแรกจากคุณเทพพิดาเราจะทราบภพบภูมิของคนที่เรารักได้ไหมครับต้องปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เรารักเช่แนแม่ที่เพิ่งล่วงลับไปรู้สึกถึงท่านอยู่ด้วยกับเราตลอดครับออตอนที่จะไปรู้เรื่องของคนอื่นนี่มันยากขณะรู้เรื่องตัวเราเองยังยากเลย นั่นก็ที่สําคัญรู้เรื่องตัวเราเองจะดีกว่ารู้เรื่องของคนอื่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราปัญารู้เรื่อ ง, ง, งของตัวเราด้วยการปฏิบัติศีลสลาที่ปัญญาไปนะอย่าไปคำว่าแต่เรื่องของคนอื่นเลยคำถามต่อไปจากคุณเท็กกี้ขอโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเป็นโรคภูมิแพ้ประจํามักจะจามคัดจมูกน้ำมูกไหล โยมสังเกตว่าทุกครั้งที่โยมนั่งสมาธิอาการเหล่านี้จะหายไปในทันทีตลอดช่วงที่อยู่ในสมาธิโดยเฉพาะช่วงตื่นนอนตอนเช้าพอออกจากสมาธิดังครั้งก็มีอาการต่อโยมรู้สึกได้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณแล้วรู้สึกดีมากอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงเหตุและปัจจัยที่เป็นไปด้วยเจ้าคะ่ะราบขอบพระคุณ เราอธิบายไม่ได้แล้วเราพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอย่างมันมาอย่างไรไปอย่างไรขอยรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เฉพาะคำถามต่อไปจากคุณเทพพิดาขออนุญาตฝากคําถามถึงพระอาจารย์ด้วยครับอยากบวชศึกษาธรรมด้วยครับก็ไปหาที่บวชนี่ไปหาที่ศึกษาวัดว่าในประเทศไทยมีทั้งเยอะแยะเลิอกอาอยากจะไปบวชไปศึกษาไในไหนก็ไปไปได้ คำถามต่อไปจากคุณมานัสขอแบ่งเป็นสองคำถามเจ้าคะ่ะขอกราบธรรมสการถามปัญหาครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการว่าตัวเอ็นไปมาบ้างขยายใหญ่บ้างหดเล็กลงบ้างลอยขึ้นที่สูงบ้างลอยลงที่ต่ำบ้างคืออาการของอะไรครับบางครั้งอาการขอาารงความเปลีตรนแปลของจิตเนี่ย บางครั้งนั่งดูทีวีหรือนั่งฟังคนเขาคุยกันก็เป็นบางครั้งกำลังอาบน้ำแล้วสายตาไปมองเห็นน้ำในกระมังแล้วภาพน้ำมันขยายขึ้นมาคืออาการของอะไรครับได้ขอจิตเราปรุงแต่งไปเองจิตหลอนจิตน้อยจิตหลอก อ, อย่าไปสนใจให้หนึ่งสติเข้ามาให้มาอยู่กับพุโทพโธ ให้มาอยู่กับการทำงานของเราถ้าเรากําลังถาบน้ำก็กลับมาที่อ่างน้ำคำถามต่อเนื่องกันคือการที่เรากําลังสวดมนต์ก่อนนอนตอนสวดหลับตาอยู่มีแสงปรากฏขึ้นเป็นแสงสีขาวค่อยๆสว่างจากดวงเล็กๆจนสว่างจ้าต้องหลับตาซ้ําอีกทีครับรบกวนถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับมันก็เป็นการปรงแต่งของจิตเราเท่านัะนนะนะ มันเอาไปสนใจมันเก่าแล้วเดี๋ยวมัก็หักมันเป็นอนิจจังทุกขมะนุสตาคำถามต่อไปจากคุณบ้านบุญกราบนมัสการค่ะจะมีวิธีทําอย่างไรเด็กเก้าวขวบถึงจะนั่งสมาธิได้ดีคะก็ให้สวดมนตน์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณพิพัฒนมัสการครับขอรบกวนถามครับเรามีเงินหนึ่งร้อย เราตั้งใจทำครั้งเดียวที่เดียวกับเราแบ่งสิบที่ที่ละสิบบาทเราจะได้บุญเท่ากันหรือเปล่าขอรับเท่ากันน้ำมีน้อยทสิบที่หรือทำที่เดียวมันก็ทเหมือนมนก็ได้บุญเท่ากันเพราะว่าเราบริจาคร้อเดียวเท่ากันคาถามต่อไปจากคุณพมนำทางแนนรบควรสอบถามพระอาจารย์ค่ะ เราจะแยกแยะได้อย่างไรคะระหว่างนิ่งเฉยเพราะอุเบขาหรือนิ่งเฉยเพราะเป็นคนเฉยชาใจดํำแบบของพวกคุณคะ่ะถ้านิ่งเฉยด้วยอุเบขานี่เราพร้อมที่จะทําในทุกอย่างที่จําเป็นจะต้องทำไม่ใช่นิ่งเฉยแบบแบบเป็นคนใบ้ไปไม่ใช่นั้นนิ่งเฉยแต่มีความเมตตากรูณาพ้ที่จะทําอะไรต่างๆให้กับคุคคลต่างๆ ค่านถามนต่อไปจากคุณแมวนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสงบจนนิ่งแล้วหมุนอย่างรวดเร็วมีสติตลอดเวลาแต่จะหมุนเหมือนสวรรค์จนมึนคะ่ะต้องลืมตาแล้วนั่งสมาธิใหม่แบบนี้คือจิตคงแต่งใช่ไหมคะแล้วเราควรแล้วา ม, มีพมีสติเดินกลับมาอยู่ที่พุโทโธแล้วอยู่ที่ลามาหายใจก็ แล้วเราควรจะปล่อยแต่มีสติรู้หรือเราควรจะลืมตาถูกแล้วคะควรนจะับมาที่พุโทโธเีกยมาถ้าอยากจะนั่งต่อไม่ต้องลืมตาพุโทโธพุโทโธไปแล้วไม่ต้องไปสนใจกัรราการที่มันเป็นอยู่คำถามต่อไปจากคุณแก้วงวงษาสวดมนต์เสร็จนั่งห้านาทีเจ้าค่ะตอนหกโมงเช้านั่งสามสิบนาทีเจ้าค่ะทําแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูก ทำให้มากกวนี้ได้ยินดีคำถามต่อไปจากคุณอรณิชชากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเรียนถามเจ้าคะ่ะถ้าเอาน้องแมวจรไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงได้ไหมคะและจะเป็นการรับขโมยไหมเจ้าค่ะไม่หรอกถ้าไม่มีเจ้าขอ ง, งก็ไม่มีการขโมยคำถามต่อไปจากคุณนรงสวัสดีครับผมอยากถามว่าคติธรรมคืออะไรครับ ก็คำสำอนของพระเจ้าดังแล้วเรียาเป็นคติธรรมคำถามต่อไปจากคุณนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือที่บ้านมีสุนัขมีเห็บหนูเอาเห็บไปปล่อยในป่าบาปไหมเจ้าคะไม่บาปปล่อยได้คำถามต่อไปจากคุณวราวีกราบสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเป็นคนสงสาร มีหมาจอที่หนูเลี้ยงไว้สิบสองตัวเวลาหนูไปไหนหนูจะห่วงพวกเขาไปไหนก็ต้องรีบกลับมาดูแลพวกเขาหนูรู้สึกว่าเป็นบ่วงอนาคตหนูจะย้ายบ้านถ้าหนูไม่เอาพวกเขาไปด้วยหนูจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปเลยมัมนเป็นแต่ขาดความเมตตา น, นั้นเองคำถามสุดท้ายจากคุณเต้ฝากคำถามนั่งสมาธิแล้วมีสิ่งของ ดังเราตกใจมากจะทําอย่างไรให้จิตรวมสงบเหมือนตอนแรกครับรก็กลับมาพูดโทมมืนกับสะดุดไปพอไปสะดุดได้เก็เริ่มต้นให่พูดโธไหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาสงบใหมได้โอเคนะวันนี้เด็กนะถ้าทุ่มกว่านะคราคิดว่าพอสมควรแก่วเวลาขอท่านอนามาสิ่งที่ท่านได้ยิในได้ในวันนี้ไปพินพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขคนเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ